สวัสดีทุกท่านกรรมการเ<ด>จ้าค่ะกรรมการครับหลพ่อครับอืมอาจารย์อมใช่ไหมอนมนะครับแล้วก็เชิญวันนี้อาจารย์ผงศิรัเข้ามาก่อนนะเชิญคุณอาจารย์สบายดีเหรอกรรมการกรรมการสวัสดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีแต่มีข่าวไม่ดี เขาจะเลื่อนเรื่อนวันฉีดยาไปเป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วฮะของใครฮะของเราที่วันยาณเนี่ยแล้วฮะไม่มีวัคซีนมาเข้ามาเลยนึกแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามันมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นหลายคลัสเตอร์แล้วลมเอายาไปที่โน่นกันหมดอืมเยาเลยเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงความจริงแก่เจ็บตายเหมือนกันฉีดไม่ฉีดก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน ช้าเรวท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรต้องไปตื่นเต้นตกใจเดี๋ยไม่ดีหีเสือหนีเสือปาเจ้าระเก้นดิอยู่ใเฉยๆดีกว่าให้มันมาเราให้เสือมาก็ได้เจ้าะเกมาก็ได้แต่อย่าไปหนีเสือปาเจ้าะเก้อให้เหนื่อยเลยฟ้จาจ่านเจอคนเยอะด้วยนะคะทุกวันเลยก็วันนี้คนใส่บานตั้งเก้าร้อยกว่าคนค่ะเมื่อกี้ได้มีโอกาสได้ดูะค่ะหลังจาก<ม>กลับจากดินทบาท ถ้ามันยังเป็นมันคงเป็นมานานแล้วมันต้องปีกว่าแล้วเนี่ยมันก็ปัญหาแบบนี้คิดว่าหน้ากาคงจะช่วยได้มันถึงยังไม่เป็นอาจจะก้องกลายเป็นสองชั้นก็มันก็แก่เจ็บตาเหมือนกันนะชั้นเดียวกับสองชั้นก็แบบเดียวกันคสองชั้นก็จะหายหายใจไป่ออกหายไม่เอาไม่ใชั้นนี้ถ้าจะเป็นลมอยู่แล้วชั้นเดียวเลยมันเดินมันร้อนอากาศมันร้อน นอมมันก้ารู้สึกมันไม่เข้ามันไม่พ อ, ม, พอมันรู้สึกวิวเวลว่าจะจะเป็นลมช่วงนี้จะาสองชั้นนี้ไปใหญ่ <c oughs> แต่ผ้าที่เราใช้นี่ก็เป็นแบบสองชั้นอยู่แล้วหน้ากากผ้าหนึ่งก็สองชั้นอยู่แล้วอ๋อค่ะไปเวลาเนี่ยก็อันนี้สพุพิงเดี๋ยว่าพูดให้เราให้ฟังเหตุการณ์อัปเดตให้ฟังหน่อยเอาเลยเพราะสังค์ถอนใจอยู่แล้วว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่า มันมีจุดที่เริ่มต้นขึ้นมาเริ่มงยาไปกันเยอะเลยใช่ใช่แล้วก็มีพวกเส้นสายเยอะคนบางคนมีย่าทั้งสี่สิบคนไม่รู้เรายาามาจากที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาเส้นบ้างแล้วค่ะไม่หละเราไม่หาละเราไม่อยากจะไปโอยเรามีหลายเส้นเขามายามเดินมาไปเราไม่ไปเองจริงจริงเี่ไม่ได้คุยแล้วมีหลายเส้นมาส่ไปแต่เราม่รักขี้เกียจ นี่เสียปากจราเข้มันก็พอกันแหละทั้งคู่ค่ะเลยไม่ได้ทดลองเป็นเป็นวันแรกเลยนะคะออันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้บน่นเพจจะเล่าให้ฟังไม่ได้เสียใจไม่เดือดร้อนหรืออะไรฮะนี่เป็นครั้งแ่าที่ได้ข่าว เรายังไม่ดีข่าวคราวเรื่องการมีการเลื่อนนักบมานของของของยอมว่าจะเลื่อนน้องยังยังยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงยังไม่ได้ข่าวค่ะออก็รอรอข่าวอยู่ก็เขาไม่มีวัคซีนอ่ะจะให้ไปฉีดได้ไหนค่ะปล่อให้เอกชนก็ร่วมมือทําก็กว่านี้ก็มากันเต็มจพีงแต่ว่ากล้าเอาไว้ทาเองรัฐบาล อม่รู้ว่าอันนี้ไม่อยากจะพูดด้วยเรื่องการเงินเลยไม่เอาเดือนโน้นได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสได้รับฟังพระอาจารย์ในหลายหลายเวทีนะคะดรวีก็ทําให้คนได้มีโอกาสนะคะได้ได้มาสอมาตั้งคําถามแล้วก็ได้ตอบได้ฟังคําตอบมานะคะที่ที่ได้ได้ประโยชน์ ก็สัปดาห์นี้ได้ฟังสองครั้งนะคะอของอนนดออรวีดรวี <S <S เขาก็มาวัดทำบุญที่วัดอย่าง้เรื่อยๆเลยชวนชวนไปพูดธรรมใน <หา S 1> ในช <หา S 1> ่นองเขามาลองดูดีเลยค่ะคนคนติดตามเยอะมากวันเมื่อวันจุดเมื่อันก่อนก็ตั้งเป็นพันเนาะอือพอคนก็มีคนติดตามต้องสี่แสน ก, นกว่าคน อ ข, ออของของดอกอวีเองของด็อกเอรวีสี่สักคนก็ไม่ก็ยังไงก็ได้หรอกถ้าทำมาก็เป็นของมีคุณค่ามีประโยชน์ใครได้ยินได้ฟังก็สามารถนำมาไปดับความทุกข์ความมึนวายใจได้ค่ะในสัปดาห์นี้รู้สึกได้มีโอกาสได้ได้อ่านและได้ฟังอะไรเยอะค่ะดีดได้นำมาปฏิบัติ มีคำถามอะไรไหมวันนี้ไม่ไม่ทําไม่มีค่ะไม่มีค่ขอไปก่อนนะค่ะค่ะค่ะคิวยาวตานต่อไปคุณหมอหน้าทวีติชิญนรับน้องสกานพระอาจารย์ครับนะไม่เป็นไรครับสบายดีครับอาจารย์ครับอืวัคซีนข้าใจผมพอดีได้ยินว่าเหมือนเหมือนพวกมีวัคซีนอผลิตเรียบร้อยแต่ต้องรอตรวจสอบนะครับ อนี้ถ้าถ้าต้องเป็นบริษัทแอสตราที่เขาต้องตรวจสอบแล้วก็ถึงจะอนุมัติให้ใช้ครับนะคงคงคงน่าจะคงน่าจะไม่นานมั้กครับผมว่าครับไม่เป็นไรแล้วนานไม่นานมันก็มันก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับะใช่เราจะไปหนีความจริงอยู่กับความจริงไปมีก็ฉีไม่มีก็ไม่ฉินใชครับส่วนนี้อาจจะใช้เอ ปฏิบัติแต่อยู่เวลาบินธบัตท่านอยู่ที่ที่โล่งเย่าะครับก็ต้ใส่หน้ากากโอกาสติดน้อยครับเว้นตอนที่มารวมกลุ่มในศ า, าลาอะไรอย่างเงี้ยครับนะในศาลาก็ใส่หน้ากากขึ้นครับสใส่หน้ากากนะครับนะก็ทำนี้มาทั้งปีแล้วถ้ามันเป็นน่าจะป้องกันได้อยู่แล้วครับผมจะลดตรง น, นั้นลงไปแล้วครับคลิปโซเชียลดิสเทนต์คลิประยะห่างครับนะมอมีข่ามอะไรไหมวันนี้อ๋อครับพอดีพอดีอ่านไอ้อะ ธรรมะจากพระโอษนะครับก็ของปัญหาของอุทยามานุปนะครับที่ที่บอกว่าเมื่อบุคคลที่ถามว่าเมื่อบุคคลประพฤติสติอย่างไรปฏิสนธิวิญญาติถึงดับนะครับแล้วเห็นท่านเพระพุทธเจ้าท่านตอบเหมือนกับไม่เพื่อเพลินซึ่งเวทนาทั้งภายในและภายนอกประพฤติอย่างนี้อ่าปฏิสนธิวิญญาติถึงดับอยากให้ท่านช่วยเมตตาการนำ<ข>ไปใช้ได้นึง<ข><ข>ครับว่าจะให้สัจธรรมรู้ไหมสัมผัสกับอะไรก็ให้สัจธรรมรู้ ครับอย่าไปอย่าไปเสพมันอย่าไปยินดียินไล่กับมันเจอสุขกเวทนาก็เฉยเจอทุกข์เวทนาก็เฉยครับใ้เป็นอุเบกขาครับใจเป็นอุเบกข า, าใ จ, าใจก็ก็จะตัดการไปจุดติเกิดปฏิสนธิได้ครับเ น, นี่ยเราต้องมีสติ ต, ตามดูทั้งทั้งตั้สติด้วยแลปัญญาด้วยครั บ, รบต้องเห็นว่ามันทุกอย่างที่เราไปสัมพัน์รับรู้มันเป็นใจรับ ครับนะอย่าไปอยากอย่าไปยินดีเดี๋ยวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันตนณเสรมันหมดก็จะเสียใจจะทุกข์ใจครับแล <c oughs> ้วก็จะวิ่งไปหาใหม่พออันนี้เสียก็ไปหาใหม่มันก็ไปจุดติใหม่ครับใน ร, ร่างกายนี้เดี๋ยวร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปเกิดใหม่ <c oughs> เพราะมันยังไปยินดีกับเวทนาที่สัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายครับนะ <c oughs> แล้วก็คือเราก็ต้องมีตัวสติตามตลอดและไม่ไปคิดว่าอ้ไรทอย่างเป็นฐานตาเป็นไตรลักษณะมันมีตันหามีความอยากก็ต้องไปจานหาเป็นไตรลักษณ์ไปครับก็คือเราจะดูตัวตันหามันเป็นตัวคล้ายๆกับไใ้ใจมันนี่งเฉยให้รับรู้เฉยๆครับไม่มีความอยากทั้งสามกามาทันหามตัฒหาวิปวัฒนาครับต้องปฏิบัติอย่างนี้ตลอดนะครับ ต้องรูทันสติปัญญานี่มันต้องเร็วกว่าอวิชชาอวิชชาปัจจญาเป็นตัวผักดันสังขารให้ไปปักแต่งถ้าปัจจิปัญญาเร็วกว่าอวิชชาพอวิชชาเกิดขึ้นปั๊กก็หยุดตรงที่อวิชชาเลยน้ำขานก็ไม่ต้องไปปูงแต่งครับก็คือขึ้นอยู่กับสติเราเร็วหรือจบทุกอย่างถ้าเกิด้มาถึงมาถึงผัดซ้ำมาถึงไม่ได้ถ้าสติปัญญาทันแล้วขี้เกียจหวายมันเห่าไป ครับครับเข้าพเหนื่อยด้วยครับฮะสําคัญกับทุนสติปัญญาต้องคู่กันเราเป็นมหาสติปัญญาที่ที่ปฏิบัติจะให้สติปัญญาเข้าทันกับอวิชชาเนี่ยตัวผักดันขัหลังขารความคิดปรุงแต่งต่างๆครับฮะยังไงความคิดของเราส่วนใหญ่นีู้่กอวิชชาผักดันทนั้นครับอือพอเห็นอะไรก็ชอบนึกเกียดครับเกียดก็หนี้ชอบก็วิ่งเข้าหา ครับนะครัวิชานี่ก็เป็นเหมือนกับความเข้าใจผิดใช่ไหมครับความความรู้แต่มันรู้ผิด ม, ม, มันรู้แต่ว่าครับ ม, ม, ม, มันไม่เห็นทุกข์ไหมมัน ไ, ไม่เห็นทุกข์ในสภาวะธรรมทั้งปวงครับนะมันไม่เห็นอนิจจังและไม่กลบมันไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาของสภาวะธรรมทั้งปวงครับะมันคิดว่ายังเป็นนิจจังสุขขังอัตตายครับ ก็ต้องไปเปลี่ยนตรงนั้นนะครับจบทสลับกันอันนี้วิชาเห็นทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นลาบยอดเสริญนี่เป็นนิจจังสุขขังอัตตากันใช่ไหมแทงหวยกันเนี่ยไล่บ้าแทงหวยกันเนี่ัยไม่เห็นว่าเป็นนิจจังนะครับยอดก็จะยากันนะมั่ยครับนีหละก็พ่อไม่เห็นครับวัคซีนก็ยากกันฉีก็มันนี่ก็ไม่เห็นนีก ครับครับมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรฉีดไม่ฉีดก็แก่เจ็บตายเหมือนก็ต้องมาเหมืนแดิมเหมืนเดิมช้าเรื่อะไรอน่างนี้ครับนะดี่ไม่ดีมันตายด้วยเรื่องอื่นก่อนก็ได้ครับเนี่ยคนขับรถพาผ้าบินตบาดตายรางเซลล์เมื่อวานเช้าไม่ตื่นคนไปปูกานอนตัวแข็งละอ่ามีร่างกายเขาไม่ได้เจอโควิดเลยครับแต่ร่างกายเขามีโรคหลายโรคไปกันครับ นลักก็คือถึมสุราเป็นหลักแล้วอะไรมีโรคกระเพาะโรคตับโรคตายโรคอะไรผสมกันครับถึงเวลามันกย็ยังไม่ทันฉีดวัคซีนนกะ็ไปแล้วนั้ใใในใครจะไปรู้พรุงนี้ว่าเราจะอยู่หรือจะไปให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้สบายใจครับมีวัคซีนก็ฉีดไม่มีก็ไม่ฉีดไม่นานจะไม่ได้ตายเพราะโควิดไม่ได้ตายเพราะวัคซีนไม่ตายเรื่องอืงอ่นเยอะแยะนั่น มเห็นเห็นเห็นใจรักเห็นอนิจจ์เห็นร่างกายเป็นอนิจจ์อนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ครับจิตก็เฉยเฉยได้สักแต่ว่ารู้ได้แล้วที่เวทนามันมีทั้งภายในและภายนอกภายนอกนี่ก็พอจะทราบว่าภายนอกก็ตาตาหูจมูกเลี้ยงใจดังได้นภายในก็อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วใจก็ไปยินดีครับอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเรา ยินดียินไล่ก็ต้องยินดียล่ครับบางวันรู้สึกเครียดเม่อมันซีกตึ้งขึ้นมารู้สึกว่ามันไม่เบิก บ, บานก็ต้องอย่าไปเสียใจอย่าไปอ่าอย่าไปเปลี่ยนเมันนั้นอเพราะวันนี้มันอารมณ์มันเป็นอย่างนี้บางวันไปขึ้นมาสดใสเบิก บ, บานเนี่ยนี่ก็ให้รุ้ทันล่าอารมณ์มันก็แปรปวนเมตนาเมตนาตามใจช้อย่าอารมณ์ ก็เป็นตายรักเหมือนกันครับทั้งข้า ง, ขงนอกข้างในมีธนาในเวทนานนอกก็เป็นไตายักทั้งหมดครับใช่แารู้ได้จิตมันต้องเข้าไปถึงตัวจิตถึงจะเห็นตัวนี้เห็นตัวอารมณ์ตัวนี้ครับจิตปัญญามันต้องระดับนูน่นอนณาคาร์มีนู่นไปแล้วถึงจะเข้าไปถึงตัวนี้ได้ได่อืมตอนต้นมันก็อยู่ที่เท้าร่างกายก่อน อารมณ์เวทนาที่มาทางร่างกายก่อนครับพอผ่านพอปล่อยวางร่างกายได้หมดแนละ้วมันก็จะเหลือแต่ตัวจิตที่จะที่จะเป็นคู่ต่อสู้โดยหลักนะครับผแ ม, มันก็จะเห็นเวทนาในจิตนะอารมณ์หนงดังตอนนั้นเราไม่สนใจเรื่องร่างกายแล้วร่างกายมันปล่อยครัแก่จิตตายมันปล่อยแล้วมันไม่สนใจแล้วแต่มันยังไปยังไปติดอยู่ในะอารมณ์ ความรู้สึกภายในใจใจเราก็ยังแปรปวนอยู่สุขบ้างทุกบ้างดี ใ, ใจเสียใจอะไรต่างๆนั้นนะลองใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ลงไปที่ที่เขาที่เหมือนกับสังโยชน์เบื้องบนที่แบบอที่พิจารณาอุทัจจะก็คือเพราะว่ามาพิจารณาติดกยูตรงพิจารณาอารมณ์ภายในนี่ใช่ไหมครั บ, รบมาไล่จนจะทั้งลืมใจลืมครับ ยังจะต้องปฏิบัติจริงอีกไกลแต่ครับเขาก็ก็อยู่ในตัวนั้นะมีในจิตครับครับไปอันนี้เอาร่างกายได้ไหมร่างกายได้ครังอย่างอยู่ตรงแถวนี้เลยครับครับใช่ครับขอบขอบพอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวนําไปปฏิบัติต่อครับถาถึจะมีเวลามามาปิดวิเว้บ้างไหมตอนนังไปอยู่ครับอยู่นะเดี๋ยวว่าอาจจะซักต้นเตือนครับนะโอเคน่าจะไปสักครับนะ งั้นไปที่ท่านต่อไปคุณเอกจะเชียงรายรู้สึกการพระอาจารย์ครับเชิญเชิญครับก็รายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือศีลบรสุทธิ์สามวันนะฮะเพื่ออหักศุขครับก็ปฏิบัติก็พบกับสุขสงบเย็นมากขึ้นครับพระอาจารย์ก็อยู่กับเวทนาได้จนจนครบชั่วโมงนะครับพระอาจารย์ ก็สักแต่รู้ว่าปวดไปก็มันก็ทํางานเหมันไปอ่ะครับอาจารย์ครับครับผมได้มันเป็นธรรมชาติมืนดินน้ำมนเหมือนดินฟ้าอครับครับผมเราไปสั่งมันไม่ได้ครับก็อยู่อยู่กับเวทนาได้ครับก็เขาก็เจ็บของเขาไปเราก็เราก็อยู่กับพูดโทไปบางนี้ก็อยู่กับเอ่อบทส่วนมนไปอะครับาารไปจนจนครบชั่วโมงนะ ใช้สติใช้สติหยุดใจหยุดใจปัญญาถึงแม้จะรู้แต่มันยังมันยังจิตมันยังไม่ยอมหยุดคจิตมันยังไม่มีเบรขามันยังขาดเบรคขาอยู่ก็เลยต้องใช้สติดึงดันจิใช้เข้าไปที่จุดอุเบกขาให้ได้ถ้ามันอยู่ถึงจุดในเบรคขาแล้วมันจะปล่อยแบบธรรมชาติมันจะเฉยไม่รู้สึกเดือดร้อน มันนั้นก็ต้องขยันบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าจิตเนี่ยพยายามที่จะไปไปยุ่งกับเวทนานีครับผมถ้าดูเฉยๆมันไม่อยู่แค่ทำพุทโธพุทโธพุทโธครับครับผมก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็วันนี้ก็ประกาศเปลี่ยนที่ปฏิบัติมาครับอาจารย์พอมีเพิเติมอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยทำตามไปมันก็จะได้ความรู้แปลกๆใหม่ๆไปเรื่อย โอเคนะก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็ได้ได้เพิ่มไปจากที่คุณหมอที่ถามพระอาจารย์ไปก็ก็ดีมากเลยครับเอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคำถามอเข้ามาก็จะได้ตอบไปก็เป็นความรู้ทั้งนั้นเอะางทีก็เป็นความรู้ที่เรายังไม่รู้ก็จะได้รู้ความรู้ที่เราเคยได้รู้ได้ฟังแล้วอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจแล้วฟังใหม่ก็อาจจะเข้าใจขึ้นมาก็ได้ครับผมครับผมครับครับขอพูดพระอาจารย์ครับผม นะสาธุขอให้ปฏิบัติไปเท่านั้นอย่าอย่าเลิกนะอย่าฟังอย่างเดียวศึกษาแล้วต้องปฏิบัติปริยัตปฏิบัติแล้วถึงจะปฏิเวบ็บรรลุทําขั้นต่างๆได้ครับผมครับผมไม่ไม่ไม่ล่าทิ้งเลครับอาจารย์ครับโอเคอขยันก็ทําไม่ขยันก็ทำอยู่แล้วครับเหมืนนะอ น, มนกินข้าวนะที่ว่าเป็นเหมือนกินข้าวบองวันไม่อยากกินก็นต้องกินเพราะรู้ไม่กินเดี๋ยวมันก็เห็นวครับผมใช่ครับ วันไหนไม่ได้ทำก็มันมันก็ขาดไปครับมันขาดอะไรไปกับชีวิตะครับจะไป<ด>ต้องต้องต้องทำอ่ะครับได้ครับได้ีนี้ถือว่าเข้าหลักเข้ารอยแล้วครับผมโอเคนะไปที่ครับข<พ>อบ<ว>ูคุณอาจารย์อีกครั้งครับผมสาครับคุณหมทานจากครุงเทพงานวันวันวันัสวันวันวันกันวันวันวันวันวันวันวานวันวันนวันวันวันวันวันวันคัันวันวันัวัะวานวันวันนวนวันนวันวันวันวันวนน นั่งสมาธิเป็นเพิ่มเป็นนั่งใต้ต้นไม้เพราะว่าก็คือพอนั่งเส่กุ๊บก็เดินจงกรมข้างนอกบ้านต่อเลยก็วันนึงก็นั่งประมาณสครั้งะคะพระอาจารย์ก็นั่งตรงนี้เพิ่มแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็พยายามทั้งวันเนี่ยพยายามใช้สติเนี่ยรู้พิจารณาคือแบบจับเรื่องของความโลภโกรทวงให้ไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าอารมณ์มันสงบขึ้นนะคะ่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับมันทันมันมันตัดได้ก่อนที่จะ เกิดเกิดเรื่องไงอย่างเช่น อ, อย่างช่วงช่วงนี้เพื่อนคือของตอนนี้เพื่อนจะใข้พวกขนมใน้ชุลีอะไรไมาเยอะมากเลยก็แล้วก็อาจ่ายตังไปแต่ว่าพอออกมาปุ๊บมันมันเป็นทุเรียนดีบอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เห็นทุกว่าเออจริงจแล้วเนี่ยเจ้าของสวนเขาก็คงต้องแบบอยากจะขายเราก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แล้วก็ใช้ตัดความอยากแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าทุกอย่างพอเราใช้ เราใช้ตรงสมุูทไทตัดความอยาดอ่ะมันทําให้เรามันเหมือนกับเห็นก่อนที่จะที่จะเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างความโกรธเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบมันมันมระงับได้เยอะมากเลยพระอาจารย์เพราะความโลภเนี่ยตอนนี้คือมันไม่มันมันมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ไม่ไม่อยู่วไมไม่อยากได้อะไรแล้วพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความหลงก็ก็ก็พอเราพิจารณากายมันก็เห็นเห็นทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งทั้งสามีทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันปล่อยวางได้มากขึ้นอาาจรย์ แล้วก็ที่ทําก็คือว่าพอเราตื่นตีสานนั่งสมาธิเสร็จแล้ ว, ลวก็เดินจงกรมบนหลงเบียงบา้านใช่ไหมคะแล้วก็ฟังซีดีหลวงตามหาปัวที่คุณชายให้ฟังทุกวันแล้วก็อ่านหนังสือพระจัดหลวงปู่มัน่นแล้วก็หลวงตามหาบัวสองเล่มที่คุณหลาให้มาก็จบแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับตอนนี้โชคดีที่เป็นที่โควิดมันกระจายก็ทําให้เราประชุมเราประชุมทางซูมมันก็เลยมีเวลากับตัวเองมากขึ้นพระอาจารย์มันก็ยิ่งอ่านมันก็ยิ่งได้อะไรามากขึ้นก็มีคําถามมันึงนะคะพระอาจารย์ ของพระ อ, อาจารย์กันหลวงตามหาบัวจะพูดถึงเรื่องของสว่าคาตธรรมอะค่ะมันแปลว่าสติปัฏฐานสี่หรือเปล่าคะเพราะว่าเปิดในเน็ตมันไม่ไม่เจอสวา่าสว่าคาตธรรมนะคะพระอาจารย์เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราพูดสว่าคาตธรรมจช่ใชมีในในกรรมฐาน com แต่ว่าคือคือฟังฟังแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นเป็นทางของทางหลุดพ้นก็เป็นธรรมของพระเจ้า ท, ที่ที่พูดถึงเรื่อ ง, องตา่าง แต่แต่ไม่เป็นไรคือแต่ฉนึกว่ามันมีความหมายอะไรนั้นเพราะว่าพอเปิดอ่านดูแล้วมันไม่เห็นก็เลยเอ๊ะไม่รู้ว่าอะไรมันก็มันสวากาโตพระกงวราธรรมโมมันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ชอบแล้วอ่าใช่ใช่เราก็แปลว่าอย่างนี้แปลว่าทํ า, ท, าทั้ทงหมดเลยใช่ไหมพระอาจารย์ก็คือที่เราที่เราทำทั้ทั้งหมดอ่ะทํางพระตัยพิดกเนี่ยเป็นธรรมเป็นความจริงล้วนๆไม่มีไม่มีความความไม่จริงอยู่ในธรรมแบบนั้นอสวากาโต สวัคสวัดครับสวัสดีครัสวสดีครตบสันดีรับสดียรวัดันสวาทดีครับตัดีครับสวัสดรับสัสดีครับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีริบัสดีคอับครับวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครั้สวัสดีครับสวัสดีครบัสดีครับสวัีรย์สวัสดีครับสวัสรับสวัาดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับมัสดีครับสวัสดีครัาสวัสดีครับสนัสดี่รับสัสมีครับสวัสดับสวัสมีคับมันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีรับสวัี ถ้าค่อยดูตัวตัวกิเลสนแล้วค่อยหยุดมันโลกเกิดหลงนะใช่ไหมลงก็คือไม่เห็นตายรักว่เห็นอะไรอว่าสุขนี่หลงนะะเห็นอะ้วเป็นของเรานี่หลงน ะ, ะเห็นเห็นนู่เป็นของเรานี่ก็หลงนะเห็นสามีเป็นของเราก็หลงนะ่ะ ได้คอาจารย์แล้วก็ได้แล้วก็มาปลูกมาให้ไปอยู่ที่เตอน์หน้าห้าวันได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์เอสาธุโอเควัมตอบไปนะคอาจารย์กลุณมสุบดิสาห ร, หรืออะไรเนะี่ยตัวมันเล็กเชิญอาเปิดไมค์อารต้อนรับน้อมการมราจัดการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนเจ้า อยู่ที่กรุงเท พ, พค่ะที่อาทิตย์ที่แล้วที่หนูเข้ามา เ, เป็นครั้งแรกนี่ครั้งที่สองเจ้าค่ะคทีนี้วันนี้ลูกสวดมนต์ไหว้พระแต่ที่นี้หนูอยากเรียนถามว่าถ้าเรานั่งสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสวดอิปิติโสเสวายุแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันนิ่งแล้วเราแผ่เมตตาได้เลยไม่เจ้าค่ะ ยังไม่ต้องแผ่นั่งสมาธิต่อไปนั่งด<า>ูลองไมาใจไปจ<า>สวดมนเพื่อให้เราได้นั่งสมาธิต่อเจา้าคไม่ต้องไปแผ่เมตตาเมตตาต้องแผ่ตอ น, ตอตอนตอที่เจอกันเวล า, าออกมาใช่ไหมคะอ่าเวลาเจอเราตอนเนี้ยเจอคนมันไม่มีคนรับอยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครอ่ะะเจะ ถ, ถึงเรียนถามท่านอาจารย์ต้องแผ่เมตตาตอนที่คเจอคนเจอสัต์<า> เจอหมาก็ให้ความเมตตาวันนี่แผ่เมตตาเจอค<ด><บ>นกให้ความ<น>เมตตากับเขายิ้มทักทายเขาไม่ใช่หน้ารื่อใส่เข า, านี้ <c oughs> บางทีสวดมนต์แผ่เมตตาแต่พอมาเจอคนปั๊หน้าเรื้อตึตองโกรธชอนไม่ได้แผ่เลย้ช่แต่ก็ <c oughs> เวลาสวดมนต์เสร็จแล้วเราออกมาทุกครั้งซึ่งจะแผ่ใช่ไหมคะ คือแผลตอนที่นี่ตอนตอนนี้เจอกันเนี่ยคุยเนี่ยคนที่เชียร์คนต้องเยอะแยะในจอเนี้ก็แผลให้เขาเสกคอใหอใหคุณมีความสุขหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่นนั่งคนเดียวแล้วก็ไปแผลเหมือนกับจะให้ของอ่ะมันต้องมีคนรับไม่ใช่หรออยู่ดีๆไม่มีคนรับไปให้ท้าได้ไงเจ้าค่ะใช่ไหมมีทุเรียนนี้อยากจะแบ่งให้คนนั้นคนนี้ก็ต้องให้เขามา เจอเทาก่อนถึงจะให้เขาได้เจ้าไม่ใช่มี่วยเรียนอยู่ที่บ้านแนละ้วบอกเออฉันแ บ, บ่งช่วยเรียนให้เธอแล้วนะ <c oughs> พูดแต่ปากแต่มันของไม่ไปอเนี่ยนะพวกที่สวดรล้วคิดส่วนบทแผ่เมตตาแล้วคิดว่าตัวเองไม่แผ่เมตตาไม่ได้แผ่เลยนะเข้าใจนะเป็นการเป็นการฝึกสวดเฉะนั้นเองแล้ เ, เป็นการสอนใจวิธีแผ่เมตตาว่าให้ทําอย่างไรเวลาหฝนตกแล้วว่าอะไรรู้เปล่า ไม่โกรธให้อภัยะเวลาใครก็ทําให้เราโกรธนี่เราอย่าไปจองเวรจองกรรมเขาอันนี้ไม่ค่อยมีค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีที่ใจแล้วก็อย่เปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ีจ้ะตรงนี้ไม่มีอย่ากปทำให้คนอื่นเาทุกข์กายทุกข์ใจเจ้าค่ะนี่เราเกิดการแผ่เมตตาวันนี้ลูกก็ขอถามประมาณนี้เจ้าค่ะโอเคเข้าใจแล้วเนะ ส่วนได้ไม่ได้ห้ามส่วดการสวนี่ไม่ได้เป็นการแผ่นนะเป็นการเป็นการทบทวนความจาว่าเออเราต้องแผ่เมตตานะเ้าเวลาเจอคนเวลาใครเขาทำอะไรให้เราเสียหายแล้วก็เอ้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรในนี้เราแผ่เมตาตาเรามาวันนี้อารมณ์ดีมีของเยอะ เอาไปแบ่งคนนั้นคนนี้บ้างให้เขามีความสุขแบ่งเรื่อยเจ้าค่ะเป็นคนที่ชอบแบ่งนั่นแหละถึงได้ว่าเป็นทานเจ้สามีบอกว่าจะให้อะไรใครนี่ถามมั่งนะหนูเลยบอกว่ามัวแต่ถามก็ไม่ต้องให้เขาแหละท่านละเข้าใจแล้วนะจ้าขอบพระคุณจ้าสาธุค่ะคุณทันชิดต่อเลยคุณทันชิดอยู่ที่ไหน พูดได้เลยร้องกราบ น, นวักตวกรรมครับอยู่ใต้วันเนะนักเกาหลีครับอยู่ใต้วันครับอมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ก็ก็มีนั่งนั่งไปแล้วก็หยุดหายใจครับนั่งไปหยุดหายใจไปหยุดได้งไงหายใจมันต้องหายไปเรื่อยๆหยุดเ ม, มื่อไหร่ผมก็ตายเ ม, มื่อนั้นไม่ไม่ไม่ดูเหมือนกันครับเวลาผมนั่งทําไมมันชอบ หยุดหายใจแล้วก็หยุดเป็นช่วงๆครับมันไม่หยุดหรอกเองแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านองถ้าหยุดหายใจมันก็มามันก็ตายเท่นั้นนะครับผมก็ว่ามันจะตายก็เลยเลิอกออกจากสมาธิทุกครั้งนะครับก็เลยอยากเรียนถามก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันก็พุโทโธพุโทโธไปแทนก็แล้วกันไม่ต้องไปดูลงท่องพุโทโธพุโทโธไปนะครับอย่าเลิอกอย่าเลิกนั่มนั่มต่อไป ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแทนดูลงนะคืนครั บ, นะรบก็มีคืนวันก่อนๆนั้วก็ฝันเห็นน้องตาบัวท่านท่านมาหาครับก็บอกให้ให้ถอดต่างหูออกแล้วก็ท่านก็ให้เดินเดิ น, เ ด, นเดินกับท่านไปหาโลติปะก็เป็นความฝันก็นแล้วกันนะอย่าไปาไปเอาอะไร ความฝันกับความจริงมันควรละเลอกกันนะครับเราอยู่บนเรื่ของความจริงความฝันก็รู้ว่าเป็นเหมือนดูหนังไปแล้วลกันนะ<า>โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเนี่ยไปที่คนต่อไปคุณมาลีใช่ไหมเด็กชายกีาเสกเนี่ยจากกรุงเทศการร้างไห้หลวงพ่อค่ะเสียงคอยด้ย่ยกัน ค่ะหลวงพ่อได้ได้ยินไหมคะอ่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพค่ะเดียอยู่ น, นครนายกเลยใช่ค่ะหลวงพ่อหนีโควิด ม, มาค่ะเดี๋ยววันวันวันพรุ่งนี้จะกลับเข้าไปเพราะว่าวัาวนจุกทํทำงานค่ะหลวงพ่ออ่อไิฉีดยาหรือยังนะยังค่ะเขาเขาจะมีเป็นรอบรอบอะค่ะที่บริ ษ, ษัทเขาใหอรอไปก็แล้วัท็ถึงเวลาก็ฉีด ลหลวงพ่อครับถ้าถ้าเกิดสมมติมากังวลเรื่องฉีดยานี้เราก็ไม่ต้องกังวลคิดว่าถ้าถ้าไม่เป็นอะไรก็อยู่ไปแต่ถ้าจะตายก็ช่างมันอย่างนี้ได้ใช่ไหมคิดแบบนี้ได้เราคิดว่าฉีดแล้วไม่ฉีดมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ใช่หรือคะหลวงพ่อมินดาวมันจะช้าหรือเร็วแล้วนองค่ะฉีดแล้วอาจจะแก่เจ็บตายเร็วก็ได้ไม่ฉีดก็อาจจะโดนโควิดเอาแก่เจ็บตายได้เหมือนกัน ก็มันเหมือนเหมือนเสือกับจระเข้จะให้ตัวไหนกัดเราดียังไงก็ตายอยังไงก็ได้ก็อยู่ที่เฉยก็แล้วกันให้มันมาหาเราก็แล้วกันอท่านนี้เสือเดี๋ยวก็ไปเจอจระเข้นี้โควิดไปฉีดวัคซีนก็ไปเจอวัคซีนกัดเอาเองทําไมแล้วแต่เรากันหลวงพ่อว่าจะเอาไปไหน ก็อยู่เฉยตัวไหนมันมาก็รับมันไปะถ้าวัคซีนมาให้ฉีดก็ฉีดมันถ้าโควิดมาเป็นก็เป็นไปนะจะทำยังไงได้มั้งแต่นั้นตายใช่ไหมเขาคือช่วงนี้ก็จะบอกว่าไม่ไม่ออกไปเลยก็ไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเพราะบางทีเราต้องไปถวายทานพวกวันอย่างเงี้ยเราก็ไปแต่ว่าก็ระวังรได้ก็ใส่หน้ากากตามที่หมอสั่งหน้ากากเนี่ยเหมือนวัคซีนค่ะหลวงพ่อหลวงพ่คะอาทิตย์ ที่ผ่านมานูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าเรายังอยู่กับที่อะค่ะหลวงพ่อคือมันได้ปฏิบัติเหมือนเดิมมันก็อยู่กับที่ถ้าอยากจะให้มันเคลื่อนที่ก็ต้องปฏิบัติมากกว่าเดิมมันมันเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาจิตมันไม่มันไม่เข้าฐานนะคะหลวงพ่อสติไม่ดีสติไม่ดีค่ะไม่ไม่ฝึกสติ บางทีก็ปล่อยให้คิดปรุงแต่งไปได้เลยค่ะหลวงพ่อพอดีมันมีอะไรจุกจิกจุกจิเงี้ยเรามันมันเหมือนแบบข้างบ้านนะ่ะเขาทำแบบเสียงดังคือเขาปับต้นไม้ใหญ่อะไรเนงะี้ยหลวงพ่อทั้งวันเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วทีนี้หนูก็มันนึกถึงที่หลวงพ่อสอนว่าเราไปปรับเขาไม่ได้เราต้องปรับที่จิตที่ใจของเราเอง พอพออกคิดได้อย่างเงี้ยมันถึงวางออกมาได้ค่ะหลวงพ่อนึกถึงที่หลวงพ่อสอนนะคะ<ม>ก็เลยไม่ไม่ทุกข์แล้วค่ะก็เลย<ม>ก็ปล่อยปล่อยไปตามเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราหลวงพ่ออยู่ที่บนเขาแล้วมันมีเสียงเสียงสยัตว์เสียงไรร้องเนี้ยเราก็ห้ามมันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลย<ม>เลยวางใจได้ได้ได้ลงค่ะหลวงพ่อก็ไม่ไม่ไปทุกข์กับมันคือมันเสียงดังมากค่ะหลวงพ่อมัน ก็ดีวางได้ก็โอเคค่ต้ระวังได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรก็ตามค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอเราตอนช่วงที่ระวังไม่ได้หลวงพ่อสติเหมือนสติแล้วมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เลยไม่ไม่ค่อยจะต่อเนื่องค่ะลืมลืมปัญญาลืมเธอไม่คิดถึงทางปัญญาไม่คิดถึงนั้นจริงจังทุกอย่างเลยนับต่างคือ คืออะไรมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ต้องดับค่ะหลวงพ่อหนูก็เหมือนหลุ ด, ห ล, ดหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยทั้งอาทิตย์เนี่ยก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นบทเรียนไปนะความเป็นพลาดมันสอนเราไปในตัวแต่ว่าเราบางทียังไม่ทันกิเลสนนะกิเลสหนักไวกว่าเราแต่ถึงจะดึกยังไงหรือว่าติดงานหรือติดอะไรเงี้ยหลวงพ่อหนูก็ไม่ได้ทิ้งเลยนะคะหลวงพ่อปฏิบัติตลอดเจะที่หนึ้อคืนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ ใช่แต่ถ้าอยากจะให้มันก้าวหน้ามันต้องเพิ่มมากขึ้นมันก็ต้องหาเวลาไปปรึกวิเวกมันถึงจะก้าวหน้าไะเดี๋ยวเดี๋ยวกินเท่ า, า, ถ, าถ้าทําเท่าเดิมผล ม, มันก็เท่าเดิมนะอประมาณอีกประมาณเดือนกระกฎาหนูจะลองหาหาเวลาดูว่าถ้าไปไปที่เคยไปวัดที่ปฏิบัติอยู่แปดเก้าวันนั้นนะ่ะ คือถ้ามีโอกาสหนจะไปอีกค่ะไปเลยทําไมในตอนนี้มีปฏิบัติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีก็เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติให้มากรล้วควรถามคืออย่างอย่างคุณแม่จันดีท่านท่านไม่ได้บวชชีใช่ไหมคะท่านท่านไม่ได้แต่ท่านก็ปฏิบัติท่านก็ถือเสียงแปดสียงแปดก็เหมือนกับบวชชีบวชชีก็แค่โกนหัวแต่เสียงก็ถือเท่ากันภาวนาก็เหมือนกัน อแต่แต่ว่าคุ ณ, ค, ณคุณแม่จันดีท่านท่านท่านท่า น, านบรรลุธรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อก็เห็นเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็ไม่รู้นะเราไม่ได้ไม่ไม่ไมสนิทกับท่านไม่เคยเจอเคยเจอตอนที่อยู่บ้านตาก็เพียงแต่เห็นเขามาช่วยตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ปฏิบัติช่วงนั้นเขาก็มาดูแลโยมแม่ของน้องตาต์เขายังไม่ได้มาอยู่วัดอนนั้น คือที่ที่หนูถามเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดสมมติเป็นค า, ารวะแล้วสามารถปฏิบัติได้อย่างคุณคุณแม่จันดีนี้ก็น่าจะมีโอกาสใช่ไหมคะหลวงใช่มันอยู่ที่เวลาที่เราให้โองการปฏิบัติมันบวชไม่บวชมันพวกที่มาบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ใช่ไหมค ะ, ะยื้อแย่ไปโกนหัวน่องเนื้อแต่ไม่ปฏิบัติกันมานน่งให้หวยให้เบอร์ให้ปะพ ม, มน้ำมนต์ให้เลขขยัน มันก็ไม่ได้เป็นปฏิบัติกันหลวงพ่อครับที่ที่หลวงพ่อมาเอา่อรายการของด็ตอร์วีอะคะ่ะแล้วหนู uh huh. ได้ถามไปอะคะ่ะ <Sure. S 2> คือมันมีบางช่วง uh huh. ใช่คะ่ะมีบางช่วงที่ที่ว่าเอ๊ะมันต้องมีเริ่มสเต็ปไหมที่ว่ามีห้าขั้นตอนแต่บางทีหนูไม่ได้มีวิตกกิจารณ์หรือว่าหนูอาจจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อ uh huh. แล้วพออยู่ๆถ้าคือมันก็สงบไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะสงบ uh huh. แล้วก็ มันก็ไม่ต้องไปกังวลอันนั้นมันเป็นขั้นตอนซึ่งบางทีมันก็เป็นบางทีมันก็ไม่เป็นบางทีมันข้ามขั้นเหมือนเกียร์ออโต้เนี่เข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บมันก็ไปเกียร์สี่เลก็ได้แล้วแต่สภาพของสติถ้าสติไวบางทีมันพรวดไปเลยถ้าสติไม่ค่อยดีมันก็ค่อยๆไปทีละขั้นทีละขกึ๊บทีละกึ๊บไปค่ะหลวงพ่อให้มีสติอยู่กับ ลมหายใจอยู่กับพูโทโธท่านั้นพอไม่ต้องไปเฝ้าไว้ตอนที่อยู่ท่านไหนแนละ้วอยู่วิตกที่อยู่วิจารถ้าทำอย่างนี้มันไปไมันไม่ไปเลยเขาจะเนี่ยเวลาดูลมนี่มันก็ถือกาลังทําวิตกวิจารดูลมก็วิตก ร, รู้ว่าลมเข้าว่าเป็นวิจารเาลรวาลเวาทำพุโทโธก็รู้ว่าทำพุโทโธเอกอไปวิตก ถ้าไม่หยุดก็รู้ว่าวิจารณ์มันก็มันก็ไม่ตกวิจารยอยู่แต่มันไม่ตกวิจารณ์อยู่กับเรื่องเดียวถ้าถ้าไปไปถึงตรงที่เราไม่ได้รู้สึกรู้ทุกข์อะเรารู้สึกว่าเฉยๆแต่ไม่ได้อุเบกขาอุเบกขาหรืออาจจะไม่อุเบกขาเต็มร้อยอุเบกขาแบบพิュ๊พิュก่อนเปิดก่อนยังไม่เข้าไปถึงแก่นของอุเบกขา ก็ไม่เป็นไรก็ให้มีสติอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปถ้ายังไม่ถึงถึงจุดที่มันนิ่งสงบเต็มที่มันก็ก็ลองพุทโธไปเดี๋วลมไปต่อค่ะพาพอถึงเราพุทโธพุทโธไปแล้วทีนี้พุทโธมันไม่มีแต่ว่าให้เราอยู่กับความว่างให้ให้เรารู้อย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ ก็ได้รู้ให้รู้ว่ากําลังคิดอะไรหรือเปล่าอย่าให้มันคิดทางหลวงพ่อวันนี้หนูมีคําถามประมาณนี้ค่ะอ่าตอนนี้ก่อนนะโอเคทางหลวงพ่อขอบคุณคางหลวงพ่ออ่าคุณปรางวะไรอันนี้อยู่ศรีราชาแล้วอยู่บ้านอำเภอเลยอยู่ที่ศรีราชาเจ้าา มีอะไรไหมวันนี้โอ้รางานสามวันก็พอดีได้คุยกับคุณเหนียวค่ะคุณเหนียวเขาก็ชวนในช่วงที่ถือสินแปดนะคะลองลองทานอาหารมื้อเดียวเดี๋ยวจะลองปรับปรับในเรื่องของการทานอาหารดูคะ่ะตอนนี้ก็ถืสินแปดก็คือหลังเที่ยงก่อนไปอ่านดีกินมื้อเดียวก็เลยไม่เฟือกินเพื่อนั่ง ก, กินหนึ่เดียวก็พอกิ่อกินเหล็ดห้ากิ๊บห้าห้าผลก็ไม่พอ ได้ถามพระอาจารย์เมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าเรื่องของการภากภาษาผิดเรื่องของการทานไอศครีมก็คือไอศครีมเนี่ยทานไม่ได้เพราะว่าทําจากนมซึ่งเป็นอาหารเช่นเดีวยวกันไปกังวลกับของพวกนี้เลยเอาน้ำเปล่าๆอย่างเดียวก็พอหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเกับเครื่องดื่มอะไรต่างเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นอนะ่ะเราปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสเนี่ยงอย่าไปยุ่งมันเลยได้ดีเอาแต่น้ําป่า ลร่างกายต้องการน้บบนําปล่าหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วมันก็หิวน้ําก็ดื่มน้ําไปของมันลดมีชามีกลิ่นมีสีอย่าไปอย่าไปแตะมันค่ะโชคดีที่ที่ได้ได้ถามคำถามพระอาจารย์ก่อนคะ่ะก็เลยไม่ได้ทาน<ม>ก็หลักพื้นก็ทําแต่น้ําค่ะใช่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาวุ่นวายกับคอหาหาใหอ้หนุ่นมากินให้นี่มากินว่ากินได้เหรอ ให้กินเนยได้กับกินเนกวนผสมน้ำตาลนะทั้งทั้งมันทั้งเค็มมันทั้งหวานมันเป็นกิเลสทั้งนั้นอนะ่ะก <Okay. S 1> ็ค่ะความจริงเขาไม่ได้มีเจตนาให้กินแบบนั้นเนยเขาเนยสายในสัมมาพุทธการเนี่อาจจะมีไว้สําหรับเวลาท้องเสียหรือท้องเป็นแผลหรืออะไรกินเพื่อไปเครือบกระเพาะหรือเปากเราไม่รู้นะ mm hmm. กินแบบนั้น สมัยนี้มันากินอย่างแบบกิเลตกินเอามาเอามันมาผสมน้ําตาลกวนขึนไม่รสชาติเข็มๆ ม, ม, มันๆหวานๆแล้วก็เดือดกับน้ําชากาแฟโอ้ยอร่ออร่อยขึ้นไปมันกินได้แต่มันกินมันแต่มันเป็นกิเลสอ่ะพี่ยังอือเรามาปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสอย่าไปกินเอาน้ำเปล่าเนี่ยวิธีที่ที่ดีที่สุดกิเลสมันไม่สามารถเข้ามายุ่งกับเราได้เลยดื่มแต่น้ําเปล่าอย่างเดียว หลังจากที่ที่รับประทานอาหารเมื่อเดียวเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าปากนอกจากน้าดื่มอยียงเดียวพอเจค่ะส่วนวันนี้เจ้าขาเมื่อช่วงตอนเย็นๆได้ได้มีโอกาสตามที่บ้านเขาไปออกกำลังกายแต่ว่ายมใช้วิธีเป็นเดินจงกรมทีนี้ในระหว่างเดินเจ้าขาก็ก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้วิธีการก้าวก้าวนะับฝีเท้าเป็นขว า, ขวาซ้ายหรือว่าจะเป็น ใช้อนาปนานสติก็คือตกลงว่าพยมก็ใช้อนาปนานสติซึ่งตอนเดินเนี่ยจะค่ะมือมือเราจะต้องต้องกลุ้มข้างหน้าหรือว่าเดินเฉยๆเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราเดินที่ไหนถ้า เ, าเดินไปแบบเดินข้างนอกบ้านก็ไม่เดินไปกลุมเยอคนก็เอยเอะแค่เราทำอะไรก็เดินตามกกปกติมาถ้าเราเดินในบ้านเราไม่มีใครเห็นเราก็ถ้าให้ก็เดินแบบท่าสํารวยก็เอามือ ไว้วางไว้ทางด้านหน้าขวาทับซ้ายอะไร mm hmm. ให้ดูเรียบร้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราออกไปเดินข้างนอกอย่างนี้เราก็เดินตามปกติแต่เดี๋ยเราเดินแบบมีสติแล้วไม่ไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปมองต้นไม้ไม่ไปมองมองบ้านบ้านอะไรต่างๆแล้วก็วิพากษ์วิจารคิดเราเดินเพื่อควบคุมความคิดหยุดความคิด ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะเดี๋ยวฟังทาก่อนทำนี่ดีไม่ต้องออกไปข้างนอกนะเจดีกว่าใช่ใช่จ ะ, ดะเดินเจ้ากนนะเดิน เ, ออเดินที่บ้านเจ้ใช่ไห<ๆ>มเจ้าค่ะเออเดินในบ้านเดี๋ยวออกไปเลยข้างนอกมันต้องมองซ้ายมองขวาเห็นหนู่นเห็นนี่เดี๋ยวเมื่อก้เพื่อนเอคิดปรุงแต่งไปกับที่เห็นองนี้มีไปยมไปเดินที่อ่ารอบอ่างบางพักเจ้าค่ะพอดีเห็นบ พอเห็นวิวปุ๊บ ก, ก็เลยรีบผันกลับมาแล้วก็มาดูที่ฝีเท้าแทนเพราะว่าก็กลัวว่าจะเพลินกับธรรมชาติเงี้ยจ้าเออเนี่ยจะให้อยู่ฝีเท้ามันดีที่สุดเจ้าค่ะดูลงก็ไม่สะดวกแล้วเพราะว่าลมดูดยากตามที่เดินอืมเจ้าค่ะฝีเท้าดีกว่าหรือพูดโธไปดี่ว่าครับเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคคุณต้องวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์ อคุณลาบอกว่าได้โอนปัจจัยมาถวายแล้วนะสาธุค่ะสาธุค่ะขอขอบคุณค่ะพระอาจารย์ขอบคุณคุณเลามาด้วยนะค ะ, ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์อมีติดคําถามของคุณหมอก่อนหน้านั้นเอคือถามต่อว่าถ้าเรานั่งขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วเราก็อพยายามสู้กับ ทุกเขาวะธนานในขนาดนั่งไปเรื่อยๆทุกครั้งผ่านไปได้ผ่านไปได้ถ้ามันผ่านไปได้บ่อยๆ อ, อันนี้เราจะถึงเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหรือเรากแบบับเหมือนเจอใกล้ภาะวะใกล้ตายอย่างนี้เราจะสู้มันได้ดีกว่าไหมครับก็ เ, เราเคยทําได้แล้วก็าทำได้เหมือนเหมือนตอนที่เราซ้อมชกมวยแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาต้องขึ้นเวทีเราก็ทําแบบที่เราซ้อมไปงั้น แต่ว่ามันยังมีวิธีหนึีกระดับหนึงคือระดับปัญญาตอนนี้เราใช้ระดับสติใช่ไหมใช่พุโทโธพุโทโธไปค่ะ <Okay. S 2> ต่อไปเราก็ต้องลองเคลื่อนไประดับปัญญาพิจารณาเวทนาพิจารณาความเจ็บ ว, ว่ามันเป็นตายแล้วมันเกิดมันดับมันเป็นอนัตตา <Okay. S 2> เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าเรายังไปกลัวไปไปอะไรมันอยู่นี่แสดงว่าเรายังมีความอยา คืออยากอยากไม่ให้มันเกิดค่ะเราต้องบอกว่าเราไปข้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มาไม่ได้เน้นเราต้องสอนใจว่าต่อไปนี้อยากประหยัดให้มันไม่มามันจะมาก็าให้มันมายินดีตอนรับ ค, คือตอนแรกเราก็โอเคตอนแรกเราก็คือใช้พุโทโธใช้สติบังคับไม่ก่อนออพอหลังจากนั้นเราก็พิจรารณาปัญญาต่อ หลังจากจะออกจากสมาธิเวลารเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้นั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล<ร>้วเวลาเวลาวนลั่ ง, งเหมือนกั น, วนเวลานั่งคราวต่อไปแทนที่จะใช้สติกล้ใช้ปัญญาสอนว่าเออเม่เนี่ยความเจ็บนี่มันน่ากลัวตรงไหนเราทําไมต้องไปกลัวมันมเราก็ผ่านมันมาตั้งหลายรอบแล้วอืค่ะลองลองดูมันไปเฉยๆปล่อยมันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปสนใจให้ห่างอยู่กับความเจ็บเหมือนกับ บางทีเราเจอคนที่เราไม่ชอบแต่ต้องต้องนั่งข้างๆด้วยกันบนรถอย่างนี้เขามานั่งข้างเราอย่างนี้ถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็จะรู้สึกีอ่ออมไม่สบายใจแต่แล้วก็อ้าก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะนั่งก็ต้องนั่งไปเราก็ทําใจเฉยๆออยปล่อยเขาอย่าไปรังเกียจช่องใจมันก็จะไม่รู้สึกเอฉื่อยเฉื่ออืนก็ก็คือลักษณะคือถ้าเกิด มีอะไรอย่างนี้เราก็แบบโอเคเราก็ไม่ต้องใช้พูดโทรหรืออะไรแต่ว่าเราแค่แค่สนใจว่าเข้าไปไเฉยสนใจเอ่มันเป็นอย่างเงี้ยห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาก็ปล่อยเขามาอืมค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์จะเหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วให้มันหายไปได้หรือเปล่าโอไม่ได้ค่ะนี่เราจะทรมาแล้วไม่ทรมาร์ดก็อยู่ที่ว่าเราปรับใจให้รับมันได้หรือเปล่าถ้าเราปรับใจอ่ามันจะมามันยังไม่หายก็อยู่กับมันไป อยากไปอยากให้มันหายคเราไปอยากหายแล้วมันก็เครียดไม่สบายใจคค่ะในปัจจัยต่อไปเราก็จะได้สอนใจให้รู้จักเฉยๆกับเบทนาหรือเฉยๆความเจ็บปวดมาเข้ามาไม่ต้องหนีมันทารใช้พุทมเนี่ยก็ยังถือว่าหนีมันอยู่นะค่ะเข้าใจอแต่ถ้าถ้าใจเรามีโอเบตคา ไม่ดิ้นแล้เราก็สอนมันว่าปล่อยอยู่อยู่ของมันไปต่ามไฟตามอยู่ hmm. เขาก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราก็อยู่ข้างบ้านเราเราอยู่นี้ข้างบ้านเราส่งเสียงเขาทึ่กเครื่องของก็ปล่อยก็ทําไป hmm. เหมือนเมื่อกี้ที่ายได้ฟังว่าเสียงตัดต้นไม้คุณมาเรเนี่ยที่ไหนก็ทําใจใช่ไหมัำ hmm. ใจว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามใจเรา ทุกกรรมฐานาความเจ็บปวดนี้ก็เหมือนอกันนะก็ไปห้า ม, มันไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันแล้วทําใจอยู่กับมันไปอยากก็อยากให้มันหายค่ะแต่ว่าอาการหายดีแล้วพ่ะอาจารย์ไม่ไม่มีหลังจากวันวันนั้นก็ไม่มีบารมีออกมาจากพูดแล้วก็หายได้เลยค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วเฉือนสองเข็มหรือยังหนึ่เข็มเดียวอ่าวันที่แปดเข็มเดียวค่ะวันที่แปดนี้อีกอีกครั้งหนึ่งเดียเด๋ยวเดี๋ยว ค่ะเดี๋ยวจะไปเล่าคุณหมอฟังก็ยังไงเดี๋ยวค่อยพิจารณาตามที่คุณหมอเขาบอกอะคะ่ะว่ายังไรชีไลฟ์ไฟเซอร์ของไฟเซอร์ค่ะพร<อ>ะจันทร์โอเคจะได้สบายนะนน ม, ะะมีมีมีมีความคุ้มครองมีอาคุ้มครองโลกแต่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันความแก่เจ็บตานไม่ยังเหมือนเดิมนะการพระจานทร์เหมือนที่พระจานทร์คู่ก่อนหน้านั้น ไม่ตายเพราะอันนี้เดี๋ยวมันก็ต้องตายเพราะอันนี้อยู่ดีไม่เจออันนี้หนูก็ต้องเจออันนี้อยู่ดีเสียวกว่าจตะตะลเค่เหมือนเดิมใช่จะแต่เพล่นหัวหัวฟาดคลื่นขึ้นมาก็ได้ค่ะค่ะงก็อย่าประมาทก็แล้กันแล้วก็อย่าไปวิตกกังวลเกินเหตุค่ะไปะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอ น, นัตตาเหมือนกันแค่์เจ็บตายก็เป็นอ น, นัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ คอาจารย์ค่ะกับขอพบคุณค่ะขอฟัง <Okay. S 1> ทางต่อค่ะพระอาจารย์สาธุจุ๊บค่ะุณ ท, ท่านเชิญจากวบุร่ครับกลับนวสการครับพระอาจารย์ครับเชิญมีอะไรไั้ยมีคำถามไหมก็ตั้งใจว่าจะมารายงานทุกอาทิตย์ครับ ก, การปฏิบัติครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ทำได้สามสิบห้าชั่วโมงครับ แล้วก็เออตอนเดินจงกรมเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ารู้ร่างกายแต่ว่ามันก็รู้ลมหายใจด้วยครับอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันมันถูกไหมครับก็ถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั่ง น, นิ่งนี่ก็ใช้ได้ครับไม่ได้ไปไคิดครับเอให้มีรายยื่นเดี๋ยวจิตใจไว้ก็แล้วกันครับเป็นงมก็ได้จะเป็นร่างกายเป็นเท้าก็ได มันมันรู้ทีเดียวสองอย่างเลยครับรก็ได้ทั้งรองเนี่ยในแต่ละหน้าอย่าในะมันไปคิดถึงอดีตนนาะก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นนั่นนี้ก็แล้วกันครับแล้วก็เออตอนนั่งเนี่ยครับมันไม่มีครั้งหนึ่งเหมือนกับนั่งนั่งนานจัดแล้วมันก็เจ็บที่ก้นเจ็บมากเลยเหมือนคนมาหยิกแบบว่าหยิกหรือเข็มฉีด ต, ตลอดเวลาจนทนไม่ไหวครับก็เลยแบบเหมือนกับว่าออกมาเนี่ยครับแล้วก็ มีอยู่วันหนึ่งนั่งนั่งมากไปรู้สึกว่ามันเอน่าจะนั่งผิดท่าด้วยครับมันเจ็บหลังตอนที่เจ็บก้นเนี่ยลุกมาเนี่ยมันก็ยังไม่หายเจ็บนะครับเจ็บหลังกนรู้สึกเจ็บไปยันเย็นเลยครับก็เลยกลาบมาเล่าพระอาจารย์ฟังก็รู้ตามความเป็นจริงไปทำอะไมรมันเจ็บแล้วทําอะไรไม่ได้ก็เราอยู่กับมันไปนะครับทำไปหาหมอได้ก็ไปหาหมอไป อ๋อปกติไม่เจ็บครับแต่ว่ามันเหมือนกับเราเคยทําได้ได้สมมุติร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันขึ้นทําไปแบบสามร้อยเงี้ยครับมันคงมากเกินไปเงี้ยครับมันก็เลยแบบหักผมไปเงี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็แคดูไปดูคราวหน้าถ้าทําน้อยลงมันจะเป็นหรือเปล่าครับถ้าทำเดิะมันจะเป็นหรือเปล่าก็สังเกตเอาการปฏิบัติก็ต้องคอยสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าให้มันลืมใจรักไปว่ามันก็เป็นใจรักที่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ แล้วก็เมื่อเช้าได้ฟังอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับวันวิสาขะครับ mm hmm. ก็ตอนแรกดูหน้าจอใน YouTube ะนะครับก็รู้สึกว่าเออจิตมันเริ่มสงบแล้วก็หลับตานั่งบนเก้าอี้นะครับไม่ได้นั่งข้างล่างรู้สึกว่าสงบก็เลยเข้าทำสมาธิดูลมหายใจนะครับมันก็เหมือนเข้าไปได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันระดับไหนมันสุกกว่าที่เคยทาได้ครับ ระยะมันเข้าไปเรื่อย ก, กว่านะเรืรเข้าไปมากมันสะดักมากขึ้นครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันเยอะระดับไหนอล้วดูระดับความนิ่งกับความสุขก็พอทีนี้มันมันสุขมากเราก็รู้สึกว่าเหมือนไปเสพความสุขเนี่ยแล้วก็จําจําทางเข้าไม่ได้ครับอาจารย์เหมือนมันมัน ม, มันไม่ต้องจำหรอกต้องพูดโทแล้วก็ดูลงสติตัวเดียวนั่นแหละเป็นตัวพาเข้าไปครับอย่าไปอยากให้มันเหมือนเดิมลแล้วกัน นั่งต่อไปก็อย่าไปคิดเอออยากจะให้มันเข้าในจุดนั้นถ้าอย่างนี้มันจะไม่ไปคจำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลงไปพุโทโธไปเหมือนที่เคยทําไปนั่นเองอย่ามันก็เข้าไปเองคไม่เข้าก็แสดงว่าสติเราไม่ดีสติเราไม่ต่อเนื่องคอยังมากไปวอกแหบบไปแวบบมาอยู่ ร, รู้สึกว่าฝึกสติแบบที่พระอาจารย์แนะนํามาครับ เหมือนอทำสมาธิเนี่ยสงบได้ไวขึ้นแล้วก็เข้าได้ไวขึ้นครับอืคคร ร, ครับับบก็ดีนสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดนั้นอย่ า, อ ย, าอย่าทิ้งสติถึงแม้จะไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องหมัน่นจลสติเรื่อยๆตลอดเวลาครับก็สติยิ่งมากเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งตามมามากเท่านั้นนะครับขอขอตามสลิดพระอาจารย์ไปด้วยนะครับ ให้อาจารย์นำทางไปผมตามไปด้วยครับอั่งไปไหนเราก็อยู่ที่กุณิ๊นี่ไปไหนครับเคยเห็นเราไปไหนวะครับครับเราก็อยู่บ้านของเราเป็นเรื่ครับไม่ต้องออกข้างนอกครับครับแตจะตามเราว่าอยู่อยู่เฉยๆในบ้านนั่งเฉยๆครับไม่ต้องไปทําอะไรทำสิ่งที่จําเป็นต้องทํานั้นสิ่งที่ไม่จําเป็นก็ตัดไปให้ัหมดครับไม่มีคําถามนะครับจะได้ไม่กินเวลาท่านอื่นครับ โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าคนอื่นเขาฟังก็ก็จะได้กำลังใจได้ก็คิดด้วยครับก็แบบผมเวลาทำก็นึกถึงคําพัฒนารครับว่าให้สู้ไม่ถอยเงี้ยครับเ อ, อก็ทําได้นานขึ้นอย่าี้ยครับถ้าถ่ า, ายเมื่อไหร่มันก็แพ้เมื่อนั้นครับถ้าสู้ไปถ่ายมันเดี๋ยวก็ชนะเนี่ยก็ถึงกลับช้แล้วรู้สึกว่าพอเราไม่ยอมแพ้มันเนี่ยมันจะเข้าได้ดีขึ้นทําได้ดีขึ้นนะครับใช่ พรมันทุ่มเทเหมือนพระพุทธเจ้านั่งแล้วไม่ลุกใช่ไหมได้โคนต้นโพเนี่ยวันนี้วันวิสาขะครับงที่ท่านนั่งท่านบอกจะไม่ลุกจากที่นี้ไปนั้นเราสู้ไม่ถอยใช่ไหมเมื่อมันไม่ถอยมันก็ไม่มีทางถอยมันก็ต้องดูยไปข้างหน้าอยู่เหมือนกับประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินที่บุกจันทบุรีอย่างไหงใช่ไหมบอกให้ทุ่มหมอข้าวทิ้งเลยบอกแต่หาข้าวมื่อนี้เมื่อสุดท้ายนะไม่ไม่กลับมาหาข้าวเมื่อ มอ่งฆ่าเลไปหาข้างหน้าโน้นนะมันถึงมันก็จะให้ทุ่มเทถ้ามันยังคิดว่ามีทางถอยกลับเนี่ยมันก็จะสองจิตสองใจกูจะไปดีกูจะถอยดีค <laughs> เดี๋ยวก็ถอย <laughs> <laughs> เดี๋วก็ถอย <laughs> แต่ถ้าตัดตัดทางถอยออกแล้วมันไม่มีทางถอยแล้วมันก็ต้องโดยไปข้างหน้าทางเดียวนัว้นใช่ไหม แล้วพระเจ้าถ้าเขารู้ทานลูทานกินเลยถ้าเขาบอกไม่ถอยก็ไม่ลุกจากที่นี่ไปแม้เรื่องในร่างกายจะเหือดแห้งไปกูก็จะไม่ลุกทําไม่ตัดทะลคทันนะครับโอเคนะคุณครับการมาสการครับคุณแนนสุภดาสุภาดาจากเชียงใหม่เลยจากอุดรค่ะอุดรเก่ามาสการค่ะมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะโอเค ไม่มีก็ฟังต่อไปนะอจอยคุณจอยจากกรุงเทพมันลบบุรีเป็นยังไงรลูกขายไปไหนหมดหลับแล้วค่ะหลับแล้ว ม, มีอะไรไหมไม่มีค่ะฟังคำค่ะเป็นยังไงตอนนี้ทำใจได้ยังทำใจได้ก็วันนี้ก็ถือสิงแปด ก็พูดให้น้อยกินน้อยค่ะอ่าดีกินน้อยพูดน้อยทําน้อยลดลดกรรมอ่าแต่ว่าก็นั่งสมาก็สงบดีค่ะเอ่ดีนั่งสมาธิก็เพื่อหยุดกรรมหยุดจิตหยุดนิยมกรรมฟังธรรมแล้วก็นั่งไปด้วยก็สงบดีค่ะใช่ดีพยายามทำบ่อยๆมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติธรรมหรือไปดูหนําฟังเพลง ตหนีจากเด็กๆเกนี่แหละค่ะก็ะไปนั่งหอมอ่าอ๋อที่แเกิดที่พึ่งที่แท้จริงของเราคือความสงบใช่ค่ะอ่าค่ะมีความสงบแล้วมีความสดไม่ต้องว่าไม่ต้องพึ่งใครรอลูกโตก็หย่สบายไป้งคน อ, อ่ดีอันนี้ก็ทําหน้าที่แม่ไปก่อนค่ะโอเคนะแม่แม่ฝนอยากไปใส่บาตรพาจ้างแต่ไม่ได้ไปเลยไม่เป็ใส่เท่านั้นแทนกเหมือนกันแหะใส่้าตแทนที่เดินผานมาทางบ้านไะเล ได้บุญทั้วค่ะให้เราโอกาสดีๆแล้วค่อยไปค่ะอะ่ได้วันนี้เก้เาร้อยกว่าคนนะคนใส่บา <ผม S 1> จรหนูคิดแล้วหนูยังบอกว่าหนูจะฝากป้ากับลุงที่เขาใส่ทุกวันห น, หนูหนูก็ไปใส่กับเขาประจําอะค่ะแต่ว่าเขาให้สาธุไปอะเขาก็สาธุไปแล้วอืมค่ะไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีอะไรค่ะโอเคอไปที่ท่านต่อไปคุณทานาพล แต่นาาผ่านแล้วค่ะอยู่คร่องๆานเจ้าค่ะเครื่อมกานรจ้อค่าเไงเหมือนไาต้องโผล่เลยไปแพ็คคู่ก็ของผมก็ไม่ไม่ไม่ไม่มีคำถามอะไรครับส่วนแฟนก็มีคำถามเรียนเรียนด้วยกันนะคะอาจารย์เ์อะไรก็ล้วก็คุยกันสองคนแต่ว่าบางครั้งก็ทะเลาะกันนะคะสามเมเหมือนกัน ความเห็นไม่เหมือนกันใ น, ในเรื่องธรรมะอ่าหารอออาจารย์เจ้าท้าอย่างเออ่เมื่อวานปวดท้องอะเจ้าค่ะแล้วก็เขาบอกให้กินยาหรือก็บอกว่าหนูจะลองนั่งสมาธิดูเกฏว่าพออคือปกติทําสมาธิมันก็จะเอะมันก็จะหายได้อ่ะเจ้าค่ะ mm. ทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยหนูก็เลยสงสัยก็เลยถามเขาว่าก็เชื่อว่าทําสมาธิทําให้ความเจ็บป่วยบางอย่างหายได้แต่ก็ไม่เข้าใจว่า มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะเจ้าค่ะมันว่าสัตโลคบางโลคมันหายเองอะมันเป็นแล้วหายเองอ่าเะบางทีปวดท้องเนี่ยเดี๋ยวไม่เคี่ยมันไม่กินยองกินยาเดี๋ยวมันก็หายเองนะแน่นหน้าอกขึ้นมาทักทักหนึ่งเดี๋ยมันก็หายเองนะแต่บางอย่างมันไม่หายก็ต้องไปหาหมอถ้าเป็นสองสามวันก็ยังไม่หายเนี่ยแสดวมันต้องรักษามันจะหายพระพุทธเจ้าบอกเรามีโรคสามชนิดนะโรคชนิดแรกก็ เป็นแล้วหายเองไม่ต้องไปทําอะไรมันชนิดที่สองเป็นแล้วถ้าไม่ไปรักษาก็ไม่หายชนิดที่สามเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายเดี๋ยวจะตายเท่านัน้นก็มีแค่สามชนิด mm hmm. แล้วแต่เราจะไปเจอชนิดไหน so, แต่ถ้า <okay. S 2> เราใช้ธรรมโอสถก็รับประทุชนิดได้ทําใจให้สงบเมื่อการจะหายก็หายไม่หายก็อยู่ของมันไปครัเดะ๋ยวใจเราไม่เดือดร้อน อันนี้สําคัญว่าทําใจให้เราเป็นอุเบกขาเราไม่เดือดร้อนกับความเจ็บความตายของอขร่างกายเจ้าค่ะรอาจารย์เจ้าค่ะอีกคําถามหนึ่งออก็มีคุยกันแล้วก็ยังหลับงองงเมตตา ก, การุณาค่ะว่าอาจารย์มันมีความแตกต่างกันยังไงคะเมตตาก็คือความมีมตยเจิตเนี่ยคําว่าเมตตาเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนเราไม่ใด้เป็นสัตว์ตัวเรา รักเขาให้ความรักกับเขาไม่แต่ไม่ได้รักแบบสามีภรรยารักแบบคู่รักแตรักแบบเพื่อนเป็นเพื่อนกันคำว่เาเมตตาก็คือมองทุกคนเป็นเพื่อนส่วนกรุณานี่ก็คือความสงสารอย่างทใครเขาเดือดร้อนเช่นตอนนี้บางทีบางคนเขตกงานไม่มีข้าวกินเราก็ซื้อข้าวสารซื้ออะไรให้เขากินเรียกว่าคารุณาให้ความบรรเทาความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เรียกว่ากรุณาคล้ายๆกันคล้ายๆกับเมตตาแต่ผมผมก็ถูกสิครับผมบอกเขาบอกว่าเมตตาก็คือเรารู้สึกปรารถนาดีรู้สึกเอมีความเมตตาเอเหมือนว่าเห็นใจเขาแต่ว่ากรุณามันก็จะมีเพิ่มแอคชั่นขึ้นมาก็คือเราเริ่มคือกรุณาคือต้องการจะบรรเทาความทุกข์ของผู้กับับแต่เมตตานี่ไม่ต้องไปบรรเทาความทุกข์เียงแต่ยิ้มให้เขาก็พอ เขาอดข่าวไว้ในของเขาแล้วก็ยิ้ให้เขาไม่กดเขาแล้วไม่อะไรเขาครับบ๋อแสดงว่าการุณาเนี่ยอยู่ในเลเวลของการแอคชั่นใช่ไหมเจ้าคะต้องต้องเวลาเขามีความทุกข์ครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ไม่ต้องการุณาอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเขาช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเขาเองได้ก็ปล่อยเขาไปช่วยเหลือตัวเขาเองไปแต่ถ้าเขาเดือดร้อนช่วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยครับเรี่อกรุณา โอเคแล้ว okay. แต่แเมตตาเนี่ยเมตตาก็แอคชั่นเห<บ>มือนก<บ>ันเมตตามันเกิดก็ซื้อของขวัญซื้อเค้กไปให้<ด>เขาอาี้ครับันนี้ก็เป็นเมตตาให้ความสุขกับเขาอืแต่เขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ยากลบาบากแต่เป็นวันที่เขาวันสําคัญของเขาเช่นวันเกิดของเขาเป็นเพื่อนกันอยากให้เพื่มีความสุขก็ซื้อเค้กไปให้เขาเป็นสุขการ คือแม่ตาหนี้ทั้งสุขและทุกข์แต่กรุณานี่คือในเคสที่ทุกอย่างเดียวเวลาเขาทุกข์ทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วมุทิตาแล้วเจ้าค่ะเวลาเขาได้เดบได้ดีเวลาเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้สามีของเราไปเวลาเขาได้สามีเราไปเแล้วเจอสามีแล้วแล้วสามีเราเขาไปอยู่กับเขาเขาเป็นเพื่อนเรา <c oughs> เห็น เ, <c oughs> เอาเพื่อนเรามีคขาดสุขก็อะ <c oughs> เอาก็ช้างออกมาให้แสดงความดีครับ ยังไม่ไปแล้วนี่ครูตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นภาพชัดๆเล้ว่าเป็นอยังไงมุนิตาครับเออครับเหมือนนักกีฬาเนี่ยเวลาแพ้ก็ต้องไปแสดงความยินดีกับผู้ชนะเนี่ยอย่างใว่ามุนิตาน้ำใจนักกีฬาครับถึงแม้เราจะสูญเสียแต่คนเห็นเข้าได้จากการสูญเสียของเราแล้วก็แสดงความยินดีกับเขาไปครับน้ำใจนักกีฬามุนิตาคือน้ำใจนักกีฬา เขาแจ้แล้วเจ้าค่ะไม่ชาลิสยาเขาชนะเอาไปโวยวายเขาโกงกรรมการชอบข้างเขาอะไรว่าไปครับหรืออาจจะไปหาวิธีคือตำแหน่งมันไปอ้างมาทําผิดอะไรนี้ขึ้นมายไปถดความความเจริญของเขาคือยินดีกับก<ค>ารชนะของผู้ยินดีเอาความสุขความเจริญของผู้อื่นไ ง, ไง่ายๆไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แต่ทีท่่ยินดียากก็คือเวลาที่เราต้องเสียแล้วเขาได้ตอนนั้นเช่นสองคนแย่งตำแหน่งกันแล้วก็ได้หรือนันากการเมืองแข่งขันกันนักกันเมืองอ่สาสอสคนหนึ่งอยู่ในเขตเดียวกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้คนไม่ได้ก็ต้องไปสแสดงความยินดีกับคนที่ได้เพื่อแสดงความน้ำใจนักกีฬายินดีในการที่เ<ค>ราเป็นผู้แพ้อ้ก็ยาก น้องไ้ตากอ่ะยิ น, น, นดีกั บ, บความชนะของผูบแต่บางทีเราจะไม่แพ้มัน ไ, มได้หน่อยเช่นเราไม่ได้หวังตำแหน่งนี้เขาได้เขาได้แล้วก็ยินดีกับเขาได้แต่เราไม่มันแต่มันชู้ยินดีแบบที่เราเราไม่ได้ตำแหน่งแล้วเขาได้นี่มันยากกว่าก็สองมันก็ระดับกันใช่ใช่ๆๆยินดีออกมาจากใจยินเดียวยากถ้าเราเป็นผู้แพ้นะใช่แล้วค่ะค อันอีกอันก็อุเบกขาเนี่ยอันนี้ก็สําคัญอุเบกขาคือเช่นเราเห็นเขาทุกข์ยากหลายร่อนแต่เราไม่มีความสามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วเราก็เสียใจไม่สบายใจอันนี้ก็ต้องใช้อุเบกขาบอกว่ามันสุดวิสัยเหมือนคนตกน้ําจะจมน้ําแต่เราไหว้น้ําไม่เป็นเรนจะทไงเราก็ลงไปไม่ได้ลงไปเราก็จมเขาก็จมตายด้วยกันทั้งคู่ เราเสียใจว่าเราไม่ได้ช่วยเลยอะเขาเขาไม่เสียใจก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ให้ถือเป็นกรรมของเขาไปกรรมของเรากรรมของเขาไปอุเบกทําใจเป็นอุเบกขาไปอาจารย์อย่างเคซที่พรอาจารย์เล่าแล้วถ้าเราเสียใจเนี่ยความเสียใจแบบเนี้ยที่ที่เราแก้ไม่ได้เนี่ยอ่ามันผิดทั้งไงมันทำให้ใจเราทุกข์เปราต้องใช้อุเบกเราไม่ต้องการสร้างความเจ็ให้ปากใจเราก็ต้องใช้อุเบกขาเอมัอนเรื่องสุดวิสัย ถ้าวิจารยแล้วก็อย่างนี้เวลาในในแต่ละวันเนี่ยเราเห็นข่าวเห็นคลิปต่างๆเนี่ยที่เราเห็นแล้วเราเกิดความสงสารนะคะก็รู้สึกก็เราทำอะไรได้หรือเปล่าทําอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาเป็นเรื่องของเขาไปเราจะเป็นแบกทุกของเขามาใส่ใจเราทําไนั้ถ้าเราทำอะไรได้ก็ช่วยไปช่วยเขาเลยถ้าช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องของของวิบากกรรมทังหมดไป เพราะจะ<า>มีค น, อ, นอย่างนี้คนที่เขาเป็นถ้าคนที่แบบไม่มีความสงสารใครเลยเขาเขาก็อุเบกขาได้ดีกว่าเราเหรอคะไม่หรอกมันไม่คว า, ามสงสารไม่มีคือคนที่มีอุเบกขาจริงๆมีทั้งเมตตาก ร, รุณามุดิตาแต่ว่ามันอยู่ที่เหตุการณ์ว่ามันจะมีให้ตัวไหนแสดงออกมามันจะแสดง แต่คนที่ไม่มีความการุณาอะไรนี้ไม่ได้แสดงว่าเขาม่มีอุเบกขาอืมคนที่มีอุเบกขาจริงนี่เขาจะมีทั้งเมตตาการุณามุติตาด้วยแต่ว่าเขาอาจจะเห็นว่ามันทําไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เลยก็เลยต้องถืออเบกขาเป็นแบบบางทีคนเขาเกลียดเราเราก็อยากจะไปสร้างไม่เกจากเขาสร้างไงเขาก็ยังเกลียดเราไม่ยอมเป็นวิตกับเราเราก็ต้องทําใจ เรเบรกขาไปบางคนเดือดร้อนเราจะไปช่วยหลือเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือของเราอจะทำยังไง<ม>เขาเกลียดเราเนี่ยเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือของเรามันจะไปเสียใจมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็ต้องทําใจเป็นนเบรกขาไปเช่นเดียวกับคนที่เขาได้เด็กได้ดีเราไปแสดงความินดีเขาไม่ยอมไม่ยอมรับกระเช้าของเราเพราะอะไรจะไม่ต้องการของเธออง เราไปเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็เฉยเฉยไปอุเบกขาคือเฉยเฉยไม่ไม่ดีใจไม่เสียใจจริงๆข้อนี้ก็ยากเหมือนกันเจ้าค่ะยากทมาอันนี้ยากที่สุดถึงต้องฝึกสมาธิถ้าฝึกสมาธิแล้วมันจะมีอุเบกขาเป็นพื้นฐานใจครับเป็นของจริตแต่ถ้ายังไม่ได้สมาธิยังเป็นการแบบอุเบกขาแบบบังคับมันกดกดมันอยู่อืจใจมันก็เน่นแต่ ตัวเองบอกว่าเนิ่งแต่ใจยังคลาดอยู่ในใจอยนี่ยแต่ถ้าอุเบกขาจากสมาธิแล้วมันจะเนิ่งมันจะเฉยมันจะว่างมันจะเย็ยนมันจะไม่มีความไม่มีอารมณ์ไม่มีรากชา้างปูหลงอยู่ในใจนะั้นครับเข้าใจเลยนะเข้าใจเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคแต่ที่คุณวิสต์ตอเลยคุณวิส์ได้รับปัจจัยเยรียบร้อยแล้วนะคุณลาก็โอนมาให้นะสาธุ กับนวัตการมพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะอ่าเชื่อถามได้เลย เ, เวลาเรานั่งนั่งไปเรื่อยๆแล้วอยู่ในสภาวะที่เราหยุดคิดเหมือนเขาไม่คิดนะคะพระอาจารย์เขานิ่งอยู่อย่างนั้นก็ดีไงนะแล้วนั่งกลให้เขาหยุดคิดเนี่ยเพราะความ<ร>ที่นี้มันเป็นความทุกนะคิดแล้วก็หนักอกหนักใจพอไม่คิดแล้วมันก็เบาเบาอกเบาใจสบายใจ ใช่ค่ะแล้วเขาก็เหมือนถอนออกมาเหมือนถอยออกมาอย่างนี้ค่ะกลับเข้าใหม่ใช่สติดันกลับเข้าใหม่ก็ใช้สติดันเข้าไปอ่าพูดโธใหม่ดูงมต่อไปหม่อาจจะเข้าไปได<อ>้นิดเดียวถอยออกมาพอถอยออกมาเราก็ยังถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งต่อเราก็พูดโธต่อไปดูงมต่อไปเดี๋ยวเขาก็นิ่ง ก็จะกลับเข้าไปสู่สภาวะนั้นใช่อเพราะว่าลูกไปได้แค่เหมือนรู้สึกเอ้ยม่นเป็นแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยเลยเขาตีมือกำลังหน่ยสติเหมือนกําลังก็เลยต้องปลูกสติสร้างสติขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธด้วยการดูดลมหายใจต่อเจ้าคขะขอบพระคุณเจ้าขาอาจารย์โอเคนะพยายามน่าให้มันนิ่งนานๆเพราะมันไม่นิ่งก็ทาต่อไปดูทำหลายๆรอบก็ได้นะ พอมันนิ่งรอบนี้เดี๋ยวมันพอมันจะเริ่มไม่นิ่งกับพุโทโธเน่ยเข้าไปเด็กกาจะหมดแรงแรงกระด้งหมดแรงก็อาจจถอนออกมาอก็บางบางวันก็นานแต่บางวันไม่นานจ้ะค่ ะ, ะมันอยู่ที่กําลังอของมันเอาในะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะคุณมาริกาเชิคุณมาริกาอยู่ที่ไห น, นรู้สึกเป็นข้างหน้าหรือเปล่า ยังไม่ได้เปิดไมเลยทั้งอันนิวไมโครโฟนอยู่กองการข้างหน้ามีคาว่าอันนิวไมโครโฟนได้ได้ยินเสียงแล้วนะได้ยินได้ยินได้ยินแลได้ยิน่มมาตาการเจ้าข่าว่าการได้ยินไหมคะเจ้าได้ยินได้ยินอยู่ที่ไหนนะคะมาอยู่นาฬาที่ว่าจ่ะนาฬิก็ราญนะทำปอะไร บ้านอยู่ไรเ ง, ง้แต่ว่ามาทํางานอยู่ที่สุขินินเจ้าค่ะ <Okay. S 2> มาเป็นครูอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> กนเกษียณแล้วแต่ว่ามาเป็นกิจอ า, าสาสอนเจ้าค่ะผู้อาจารย์ดีเรียกวิทยาทานเจ้าค่ะผู้อาจารย์ <Okay. S 2> ก็ข้ามาอะไงานตัวนะคะอะไรงานการปฏิบัติแต่ว่าข้างก่อนเนี่นาายผู้อาวุโสบอกว่าผลที่เกิดจากกรรม mm. พอจากนั้นก็ข้ามมาศึกษาธรรมฟัง ธำมากของพระอาจารย์ทุกวันเจ้าคนะแล้วก็ได้รู้ว่มันมันจะหายไปได้ด้วยการปฏิบัติแล้วก็พยายามที่จะศึกษาแล้วก็เข้ามาพัพฒนาจิตของตวเองไม่ให้โกรธเจ้าค่ะไม่ให้โกรธแต่ว่าก็มันยังขุ่นคุ่นอย่างนั้นจะถามพระอาจารย์หนึ่งข้อว่าจะใช้หลักวิธีการใดที่ไม่ให้เราโกรธ ไม่ให้เราโกรธ<อ>ไม่ให้ขึ้คล้องหมองใจความเกิดความเกิดจเกิดจากความอยากของเราไงอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากอยาให้อยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็โกรธ อ, อยากให้เขาทำอะไรให้เราพอก็ไม่ทำเราก็โกรธเขาใช่มั้ยังก็อย่าไปอยากสิพระเจ้าบอกให้ทำใจเป็นสันโดกยินดีทํทมเมตตาเกิด อ, อัตตาเหตุตโนธาเถรอย่าไปหวังเพื่อนใครทาของเราเองไป ทำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันจะไม่โกรธใครแต่ถ้าไปวังก็จะไดเดียวเกี่ยเจ้าค่ะอาจารย์มันมันยังมันยังคล่องคมันยังขุนขุนมันยังก็ต้องฝืนไปก็ต้องพยายามทําใจสงบให้มากขึ้นนั่งสมาธิถ้าพอใจอินถ้ามันจะไม่มันไม่มันจะไม่มีความอยากมากแล้วมันก็จะไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปหวังให้คนนั้นทําให้เราทำให้นู่นทําให้นี่ให้เรา ว่าเราไม่มีเราก็อยู่ได้ไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้ถ้าใจสมมงบพยายามฝึกสมาธิแล้วก็เวลาไม่อยู่ในสมาธิก็ฝึกสันโดดยินดีตามมีตา ม, ม, ตามเกิดเขาให้ร้อยก็ได้เขาให้ห้าสิบก็ไ ด, เได้เขาไม่ให้เลยก็ได้อย่าไปหวังอะไรจากใครเราจะไม่โกรธจะไม่เสียใจแต่พอไปหวังก็พอม พอไม่ได้ตามที่หวังก็เสียใจไม่โกรธขึ้นมาคิดว่าเขาจะไม่รักและเขาไม่เข้าใจเราหรอกไหมจังก็นั่นแหละเหมือนกันแนะ่ะก็อยากให้เขาเข้าใจเราอยากให้เขารักเรามันก็มันก็เป็นความอ ย, า, อยากอย่าไปหวังอะไรอย่าไปอยากได้จากใครไงเขาจะรักเราหรือเกลียดเราก็เรื่องของเขาเขาจะให้อะไรเราหรือไม่ให้เราก็เรื่องของเขาเราอยู่ของเราได้ถ้าเรามีสมาธิถ้าเรามีความสงบ ถ้าเรามีปัจจัยสีแล้วก็พอแนละ้วมีมีปัจจัยสีก็ไม่ทำไปหวังพึ่งใครนะค่ะสาทุเจ้า่าพ่อจันนะพยายามใช้คาว่าสันโดษหาใช้คาว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้มาก <c oughs> ได้น้อยก็ดีใจก็ยินดีไม่ได้เลยก็ยินดีอย่างนี้เราจะไม่มีความปวดใครเป็นหนลัดอย่างแน่นอน ต้องฝึกสมาธินั่ใจมันถึงจะไม่หิวไม่อยากแล้วมันก็จะสันโดษได้ยินดีตามเมตตามเกิดได้โอเคนะค่ะพระอาจารย์คุณสุทัศนีเชิญอยากประทุมชานี้ครบพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกมีคำถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารคะถามได้เลยค่ะเรื่องเรื่องงานเจ้าค่ะปกติอ่า คลินิกลักษาสาัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์อะทั่วไปเขาตรวจเนี่ยจะมีค่าบริการทางการแพทย์เ จ, จ้าค่ะอาจารย์คะส่วนของหนูเนี่ยไม่ได้คิดค่าค่าหมอหรือค่าแพทย์เลยเท่ากับเราได้เสียสละไหเจ้าค่ะอาจารย์เราไปทีาถานให้ความมุความสามารถของเราไปโดยไม่ชิดเงินทองอ๋อเจ้าค่ะหรือจะเป็นเป็นวัตถุทานก็ได้เพราะเราไม่เก็บเงินทองค่ะไม่ไม่ได้เก็บเงินค่าค่าแพทย์เลยค่ะ ก็หมืนให้เงเขาก็เหมือนกับให้เงินเขาไปวันที่พี่ต้องให้เราวแล้วก็ให้เขเคืนเข้าไปก็เหมือนทําบุญทาทานไปค่ะวันนี้หนูมีคําถามเดียวจ้ะค่ะอาจารย์ใช่อัตมาก็ตอนนี้ก็มีญาติโยมบางคนมามารับงานก่อสร้างให้เขาก็ไม่คิดค่าดําเนินการไม่คิดค่ากำลังเขาบอกก็เอาแค่ค่าแรงกับค่าของมันความเป็นจริงเขาบอกเขาอยากจะทําบุญ ตอนเดี๋ยวนี้ก็มีมีค่าของน้ำค่าแรงแล้วยังมีค่าดำเนินการเช่นค่าน้ํามันลดค่าที่อยู่อาศัยอะไรก็บวกเข้าไปในในในนี้แล้วแล้ยังบวกค่ากําไร <c oughs> เห็นี้มเขาหาวิธีหาเงินกันเก็เลย อ, ลอ้างนูนอามนีต่อไปอาจจะอ้างภาษีด้วยภาษีมู <c oughs> มลค่าเพิ่ม <c oughs> เลยสงสัยว่าเอ๊ะถึงว่าเราเราไม่ได้คิดอบางทีลูกค้าไปไปไปไปคลินิกอื่นอ่าช่วงที่ช่วงวันหยุดของหนูค่ะบางทีเขาก็อ่คุณหมอนี่มันมีค่านี้ค่านี้น่นมันก็จะมีเป็นค่าบริการทางการแพทย์เจ้าค่ะไปจ่ายอันนั้นจะเป็นเกือบค่าแล้วบวกค่ากําไรด้วยกัไหมค่ากําไร 10% ค่าการิการ 55% ค่ายาค่าแรง ก็แต่ก็ยังถือว่ายังยังให้ยังไม่เต็มร้อยถ้าเต็มร้อยก็คือฟรีหมดเลยใครอะไรมารักษาก็เก็ได้ย uh ินหมอห้าหมอเหรียนห้าห้าบาทไหยมีหมอบางคนก็เก็บแค่ห้าบาทะก็บแค่ห้าบาทเอน หนูก็จะดูเป็นเป็นเชฟไปค่ะอาจารย์อย่างเช่นเชฟที่ต้องช่วยชีวิตแล้วเขาลําบากคุ้มยากจริงๆก็จะช่วยลดบางทีไม่ไ ม, ไม่ไม่เก็บตังินเลยก็มีเจ้าค่ะดีนี่ก็ทำไปเป็นเป็นทางนเจ้าค่ ะ, คะเป็นการทำบุญทำทานค่ะอันนี้หมดคําถามแล้วเจ้าค่ะโอเคสาธุ okay. ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคุณ อ, อ้อมน่าเปไน็นนายคุ อ, อ้อมบอวินได้ยินไหมอ้อม ค่ะน้ำสกาดค่ะอาจารย์เป็นยังไงวันนี้ไปสายบาตรที่ไหนบ้ะเดี๋ยววันเสาร์ไปตักบาตรค่ะอาจารย์มีคำถามค่ะมีความสงสัยว่าช่วงที่เรานั่งสมาธิอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าจิตกับกายมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ทีเนี้ย ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้สงบถึงขั้นคณิกะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมันเป็นไปได้เหรอคะ อ, อาจารย์ถ้าเรารู้สึกว่ามันแย่กว่าอาจารยอก็อมันเป็นแล้วไม่ใช่ที่ <c oughs> ถามเราตรงไหนค่ะ ไ, ไม่มันจะหรือวมันอาจจะเป็นสัญญาก็ได้ราจะคิดไปเองก็ได้วิธีที่จะทดสอบว่ามันเป็นคนละคนนั้นก็คือเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้อย่างเงี้ยรู้ว่าเราและร่างกายเป็นคนละคนกัน ร่างายมันเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนมันจะปวดท้องก็ไม่เดือดร้อนแขนมันจะขาดขามันจะหักก็ไม่เดือดร้อนก็ดูมันไปใจเราก็ไม่ได้เป็นใจเราไม่ได้หักไปกับขาขับแข้งของร่างกายใช่ไหมอันนีถ้ถึงจะรู้ว่ารู้จริองอันนี้ยังอาจจะรู้แบบรู้รู้ตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ปรกแตกไปก็ได้ครับางทีเหมือนมันรู้สึกเหมือนตัวชาแล้ว ก็เลยเข้าใจว่ามันมันก็จะเลยเลยเหมือนรู้สึกว่ามันแยกออกจากกาันก็เลยสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราไม่ได้สงบขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกแบบนี้มันถูกต้องหรือเปล่าค่ะก็เราเฉยหรือเปล่าถ้าเราเฉยกับมันก็ถูกต้องก็ก็เฉยเราไม่เดือดร้อนไปกับมันถ้าเราเดือดร้างก็แสดงว่ามันยังเป็นอันเดียวกันเดียวกันอยู่ใช่ไหมเราเป็นจิตเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างกาย ถร่างกายแข็งทื่อช้แล้วเราไปตื่นเต้นตกใจไปกับมันก็แสดงว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับร่างกายอยู่ถ้าเราเฉยมันจะเจ็บก็เจ็บมันจะช้าก็ชาแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปอะไรย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นคนต่อคนอย่างเลยเป็นอยังไงทั้งปะคือรู้สึกว่ามันแย่กันค่ะแล้วเป็นเหมือนคนดูร่างกายมันเหมือนเสิ่งที่ถูกเราดูอยู่เราดูอยู่ แต่มันไม่ได้เป็นทุกวันค่ะพระอาจารย์มันทําทําไม่ทําไม่ได้ทอนมันก็ไม่เป็น่อาถ้าบางวันมันไม่สงบมันจะไม่รู้สึกแต่วันไหนที่แบบนั่งเรารู้สึกสงบดีมันจะรู้สึกค่ะนั่เพราะมันจะแยกออกจากกันจิตจิตมันจะปล่อยวางร่างกายทั่วขามบาทีร่างกายหายไปจากการรับรู้ของจิตเลยถ้ามันถ้ามันสงบเต็มที่อร่างกายม่รู้หายไปไหน ไม่อยู่ในการรับรู้รูปเสียงกีนรถท้ายไม่หมะนะทำไปอยา่าคาดคะแนอย่าไปปรุงแต่งมันไม่เป็นอย่าไปคิดว่ามันเป็นนะค่ะก็ทดลองดูอยู่ค่ะบานก็ต้องทดลองไปเพื่อรู้นี่แหละค่ะถ้ารู้จริงมันต้องปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายได้โอเคนะพท่านี้ใช่ไหม ใช่ค่ะวันเสาร์จะไปตัก บ, บาค่ะพระอาจารย์ขอบพรคุณค่ะอะคุณยินดีจากนออนจากเซาร์แคลร์ไนีนเชนอาทิตย์เไม่ได้เข้ามาเนี่นี่ค่ะไปทุระกับเดวิดเอ่อพาสปอร์ตนะคะ่ะที่阿拉บามาของเราด้วยของเขาคือของหนูด้วยและของหนูด้วยและเขาด้วยค่ะ อลาบมมามามีไทยคอเนเฟลต์นมันเป็นของเฟนคอนเฟลต์อะคะ่ะท่านอาจารย์ทำแทนกันได้เลยก็คือที่สถานทูตฝรั่งเศสเขามีสาขาที่ อ, อ, อลาบา ม, มาค่ะที่จอจีอราร์จอจค่ะเเราเป็นไทยไม่ใช่เราเป็นฝรั่งเศสเท่านี้ก<อ>็เป็นได้สองมันค่ะอาจารย์มันสะดวกตรงที่ว่าเวลา เดินทางแถวเป็นสหภาพของทางยุโรปค่ะถือถือบาสปอร์ตของฝรั่ดีกว่าแต่วนละกรบเมืองไทยก็ถือสองไทยดีกว่าไม่ต้องมีวีซ่าเข้าบ้านก็ของไทยหนูก็จองคิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดือนสิงเดือนปัจะได้เดือนสิงหาค่ะหนูไปที่วอชิงตันที่อาจารย์แนะนํามาค่ะอ่างานสวัสดไปทําที่วอชิงตันได้ไม่ต้องไปนิวยอร์กนะก็คือเขาเปิดแล้วอะค่ะเขาเปิดเขาเปิด แต่ช่วงที่แต่แต่ตอนนี้หนูฉีดวัคซีนแบบเออ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันมัไ น, ไ, นได้สะดวกนะหนูเข้าใจว่าเขาคงไม่ไม่คือช่วงแรกเขาบอกว่ามันต้องกัก14วันแต่ตอนเนี้คือตอนนี้ที่รัฐทุกรัฐอะค่ะเขายกเลิกการใส่หน้ากากหมดเรียบร้อยแล้วอะคะ<ม>่ะแล้วสําหรับคนที่แบบเ อ, อฉีดเ อ, อครบออสองเข็มอะคะ<ม>่ะอืมแล้วดังนั้นเอ<ม> ตอนนี้เขาก็เลยแบบอยกเลิกไอ้เรื่องที่ว่าสิบสี่วันกักตัวสิบสี่วันแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าแตนุเขาบอกว่าให้เช็คอีกทีว่าเวลาจะเข้าไปที่สถานที่เอสถานทูตอะคะ่ะว่าเราจะต้องตรวจเช็คแบบเจ็ดิสองชั่วโมงก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเขาบอกให้เช็คให้ให้เช็คดูอีกทีทางเว็บไซต์อะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งของทางรัฐแต่ละรัฐมันจะไม่เหมือนกันให้เช็คตรงนี้ <c oughs> ใีกที แตหนูก็จองคิวเรียบร้อยแล้วก็เดือนเสกหาค่ะอืมีอะไรไหมวันนี้ก็ฟังธรรมอะค่ะถ้าอาจารย์หนูก็ปฏิบัติของหนูทุกวันไปเรื่อยๆ เ, เหมือนเดิมอะค่ะจิตใจก็สบายไม่เครียดไม่มุนวายเราโชคดียอยู่บ้านคนเดียวปฏิบัติได้ทั้งวันไปนไปทํา ง, งานแล้วก็ปฏิบัติท่องเราแต่มันยากตรงที่ว่าหนูหนูไม่เข้าใจอ่ะค่ะตรงที่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ย ทำไมมันง่ายกว่าง่ายกว่าการดูพยายามที่จะเจริญสติเหมือนที่ถ้าอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับกายอะค่ะมันมันฟังเหมือนคือคือเวลาเราฟังเนี่ยมันเหมือนง่ายใช่ไหมคะอาจารย์แต่ทําไมมันหลุดหนูไม่เข้าใจก็อย่างนี้แหละเหมือนกับเวลาเราคิดถึงยกน้ําหนักร้อยกิโลรู้สึกมันฟังมันง่ายพอไปยกเขจริงๆมันมันมันยากเพราะว่าเรามีกําลังไม่พอ ก็เหมือนกันสติเรามีน้อยเวลาเาฟังว่าเขาบอกให้พุโทโธพุทโธนี่ง่ายนักเกินแต่ว่าทาจริงสติที่จะ บ, บังคับให้มันพุทโธมันมีนิดเดียวค่ะแต่นั่งสมาธินั่งสมาธิคือตอนนี้หนูก็ไปของหนูชิวๆของหนูชื่อชัวช่วโมงชั่วโมงเออก็ด<ๆ>ีนั่งไปเรื่อยๆถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินต่อหนูก็พ้นเวทนาของหนูไปเรื่อยๆหนูก็พ้นได้แล้วค่ะก็ไปแบบชิว ถ้าไม่กลัวความเจ็บไม่ไม่วุ่นวายกับความเจ็บของรางกายก็ถอดีแล้วน่ะก็ตามที่ท่านอาจารย์บอกนะคะว่าตายจะไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะก็อนาตตาค่ะก็แม่สิ้นก็พอไม่เหลือแม่ก็ทำใจได้ไม่ต้องห่วงแม่แล้วเนี่ปัญหาหมดตาละเนี่ยค่ะแต่เจริญสติเนี่ยทำไมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เวลาอยู่กับกายแบบฟังแล้วมันมันมันมันง่ายกว่าการนั่งสมาธิเยอะแยะแต่แต่มันมันมันไม่ยอมอยู่มันชอบกินเยอะเนี่ยมีมันไม่ได้หนูไม่เข้าใจค่ะถ้าอาจารย์อย่างสมมติเอ่อหนูหนูไม่ได้คิดอะไรเก็๋แต่การที่มันเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือมันไม่ดีหนูไม่เข้าใจตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ดีแต่ไม่คิดดันดีคิดแล้วมันดัอกดับใจกันนะ หนูไม่ด้คิดคือทั้งวันเนี่ยหนูไม่ได้คิดอะไรแต่แต่ไม่ได้คิดอะไรแต่หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าเราทําเนี่ยมันถูกต้องไหมหรือการที่เราไม่ได้คิดอะไรแต่เราไม่ได้อยู่กับกายอะค่ะคือไม่ได้อยู่กับที่เราไม่ได้รู้ทําไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องอยู่กับอะไรก็อยู่กับใจยอยู่อยู่กับอยู่กับตัวตัวรู้ไปรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดอะไรก็พอแล้วอ๋อหนูไม่ได้คืออย่างอย่างสมมุติเราหนูทา่าสมมุตินะคะอาจารย์อย่างหนูทานข้าวหนูก็ หนูก็หนูก็ทานก้าวหนูไปแต่หนูไม่ได้ใจหนูไม่ได้ไปอยู่กับว่าจะต้องแบบเอ่อเคียวแล้วก็จะต้องกินก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเป็นแต่ว่าอยากไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กัเวลากินไปในเวลาการกินไปอ๋อหนูเข้าใจว่าหนูอ่ะทําไมททาไมหนูไม่เกาะทําไมใจหนูไม่เกาะกับทุกที่หนูไม่เข้าใจตัวหนูว่าอ่าทํานี้มันก็ไม่ดีหนูก็เลยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะที่หนูหนูไม่แน่ใจว่า คือฝึกสติเพื่อไม่ให้คิดเท่านั้นเองถ้าไม่คิดกระจบก็ใช้ได้อ๋อค่ะท่านอาจารย์ค่ะเข้าใจว่ามันจะต้องแบบรู้เฉยเห้รู้เฉยเฉยรู้ว่าเรากาลังทําอะไรไปกาลังอาบน้ากำลังกินข้าวกำลังล้างหน้าแปรงฟันกําลังเดินให้รู้เฉยเฉไปนั่นค่ะหนูหนูเข้าใจว่าต้องเอาใจไปเกาะเกาะกัดแบบเกาะกัดที่สําหรับคนฝึกการใหม่ๆไนมันชอบไปที่อื่นก็เลยต้องดึงมันมาเกาะ แต่ถ้าเราไม่เป็นถ้าใจเราไม่ไปแล้วก็ไม่ต้าไปเกาะก็ให้ดูเฉยๆไปออนี่ค่ะขอบคุณมาขอขอขอบคุณป้าจานมากเลยค่ะเพราะหนูไม่เข้าใจตรงจุดนี้หนูก็เลยแบบพยายามที่ว่าทําไมหนูหลุดหนูเข้าใจว่าหนูหลุดทุกครั้งทำไมใจหนูไม่ไปเกาะแบบไปเกาะทุกอย่างยันยดื่มน้ําก็คือกําลังกลืนเอ่อทานข้าวแบบทานข้าวแบบกําลังเคี้ยวอยู่กําลังเอาเข้าถ้าเกาะหน้ก็ดีถ้าก่อนอย่างนั้นหน้ก็ยินดี่ะ อ๋อแสดงว่าต้องเกาะใช่ไหมคะถึงจะต้องกถ้ามันไม่คิดจะเกาะมาได้ไม่เกาะมาได้อยู่ที่ตัวคิดจะไม่คิดนะไรสุดสุดท้ายก็คือต้องต้องเกาะหรือไม่เกาะคะท่านอาจารย์เกาะได้ก็ดีไม่เกาะถ้าไม่อยู่ที่สุดท้ายอยู่ที่คิดและไม่คิดอม่ดไม่ได้อยู่ที่เกาะและไม่เกาะอยู่ที่คิดและไม่คิดก็ท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่คิดก็ไม่ต้องเกาะอะไรให้รู้เฉยๆไป ค่ะค่ะเพราะตอนนี้หนูก็ถ้าท่านส่วนใหญ่หนูก็จะไปหนูก็ฟังทำที่ท่านอาจารย์บอกว่าปฏิปตาคาของพระธุดงค์อะค่ะอันนี้ออหนูจกฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กําลังฟังประวัติของหลวงปู่มั่นอยู่อะค่ะเออดีก็ฟังไปแล้วก็จะได้ความรู้เข้าใจดีขึ้นไปค่ะค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุ่ท่านอาจารย์ต่อไปคุณนัน นันนาพัฒน์นะนันนาพัฒนเชนค่ะนวัตสการเจ้าขาพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจําไม่ได้เ อ, อ่อเพิ่งเข้ามาครั้งนี้ครั้งที่สองคราที่แล้วคือวันพุธที่แล้วเจ้าขาพระอาจารยอ์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเจ้าขาพระอาย์ค่ะมีอะไรจะถามไหมวันนี้วันวันนี้มีลิสต์คำถามอยู่เจา้าค่าจะขอความกรุณาพระอาจารย์เจ้าค่ะอันแรกก็สนใจที่พระอาจารย์ตอบพี่คนเนึร์เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาเห็นเห็นความ ความไม่อยากของเวลาเกิดเวทนาน่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าให้ดูให้เราไม่อยากไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นมันเป็นปกติอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่นั่นแนหะคือพอดีลูกอ่ะตอนที่เรียนกับเรียนพระอาจารย์เขาที่แล้วคือลูกบอกว่าลูกนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>แต่จริงๆอ่ะลูกเข้าไปในตรงที่พี่เขาพูดอ่ะตรงนั้นอ่ะได้บ่อยๆครั้งมากเลยเจ้าค่ะคืออยู่ดีๆพอเราจิตเราสงบโดยโดยที่เราไม่ คิดนะเจ้าคะโดยไม่ได้นั่งสมาธินะเจ้าคะแล้วพอเกิดเวทนาขึ้นน่ะลูกจะเข้าไปดูแล้วพ่อก็ไปพบว่าการที่เรามีความทุกข์เพราะเราไปไม่อยากให้มันให้มันเกิดเวทนานี้อ่ะเจ้าค่ะอาจารย์ถูกต้องพอเห็นเท่าทันตรงนี้มันก็เลยเกิดความไม่ทุกข์ไปเลยค่ะทุกเข้าไปตรงนั้นได้เลยมันก็ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เนี่ยเห็นในิยศาส์ไงทุกคนเราเกิดจากความอยากของเรา ไม่อยากมันก็หายแล้วอะไรเงี้ยเจ้าค่ะถูกต้องแสดงเรามีปัญญาอ๋อเพราะนั้นก็ไปในแนวที่พระอาจารย์บอกว่าให้มาเดินปัญญาที่ที่บอกที่ใช่ไหมเจ้าค่ะว่ากาลัลงเดินปัญญายกําลังเดินอริยสัจสี่ค่ะถ้างั้นลูกก็จเจริญอันนี้ให้มาก ข, ขึ้นเป็นบ่อยๆขึ้นก็จะใจทุกๆทุกอย่างกับทุกอย่างออกับทุกสิ่งทุกอย่างใจเราอยากไปทุกข์กับเขาทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าถ้าอย่างเงี้ยลูกจะเร็วจะเร็วนิดนึองทุกครั้งถ้าเราไม่สบายใจปับรีบกับเข้ามาดูแลเราว่าเรากําลังอยากอะไรใช่เจ้าค่ะพอาะความไม่สบายใจด้วยเจ้าค่ะความทุกข์ของร่างกายลูกก็เห็นว่าพอเราไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากให้อันนี้เกิดขึ้นพอไปเห็นความไม่อยากมันก็หยุดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนั่นแหละถูกต้องแล้วนี่เลยเห็นได้มีดวงตายเห็นธรรมมันก็เห็นอย่างเงี้ยเห็นอริยสัจสิอ๋อ เพราะเพาะคราวที่แล้วที่พระอาจารย์หมอกให้ลูกไปนั่งกนหนลมหายใจลูกปวดหัวไปเลยเจ้าขาพระอาจารย์ก็ทําทําใจท่านบอกด้ยมันจะยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นแล้หยุดได้เลยขึ้นถ้าถ้างั้นก็อย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะคือก็หมั่นหมั่นพิจารณาปัญญาอย่างนี้ด้วยแต่ถ้ามีเวลาสวดมนต์เสร็จก็นั่งทําความสงบและกูให้มากขึ้นเพื่อให้มันยิ่งมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะเน้นแนะนำดูแล้วใช้ปัญญาลมสมาธิก็ได้ ค่ะใช่เจ้าค่ะเพราะวันนี้ลูกจะมาถามเรื่องปัญญาอบรมสมาธิเจ้าค่ะการเนี่ยทำแบบนี้ก็ดูว่าใจเราทุกข์กับอะไรอยู่ตอนนี้ทูกก็หยุดมันค่ะก็ะจิตใจก็จะสงบใจก็จะเน้เนไปสมาธิได้ถ้าถ้าลูกขอขยายให้พระการ ข, ขยายความคำว่าปัญญาอบรมสมาธิเพราะเคยได้ยินหลวงปู่มหาบัวเขียนเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะว่าจริงๆคือมันคิดคิดได้มีสติในการคิดโดยไม่เล่าร้อนแล้วก็สงบใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่มันคิดทางปัญญาอย่างที่กอนนี้คิดอยู่นี่ไงคิดว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้แหละจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บไปอืคิดทางปัญญาคิดให้เห็นคิดทางใจรักแล้วคิดทางปัญญาคีว่าร่างกายไม่เที่ยงคีว่าร่างกายเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ค่ะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะว่าอาจารย์ตอนตอนนี้ลูก มีบางครั้งที่ลูกนั่งสวดมนต์แป๊บหนึ่งเนี่ยด้วยไม่ได้วางเบาะเจ้าค่ะมันก็จะมีเวทนาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ก็เข้าไปกําหนดจิตมันก็เข้าไปจับเหมือนที่ที่บอกพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเอ้ยเกิดทุกข์แล้วเวทนาแล้วแล้วมันมันมีความคิดหนึ่งขึ้นมาว่ามันเป็นมันเป็นการค้นขันที่มันไม่สมดุลเท่านั้นก็คือแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ทุกข์กับเวทนานั้นมันมันก็ถูกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติของธาตุขันมันแปรตัวนมันไม่เที่ยงค่ะมัเหมือนเราเห็นว่ามันเสียดสีกันมันก็เลยเกิดขึ้นมาแค่นี้อ๋อเจ้าค่ะเจ็บข้าได้ป่วยธาตุขันมันก็แปรปรวนค่ะค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าลูกเกิดเจ็บป่วยลูกก็ใช้ตัวนี้ไปไปพิจารณาได้ใช่ไหมเจ้าได้ดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าอยากจะรักษาร่างกายก็ต้องไปหายามากินค่ะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกัน ค่ะเข้าใจค่ะแต่แต่เวลาพิจารณาก็ให้ให้มาแนวนี้ก็ก็กได้ใช่อันนี้ก็ดับความทุกข์ใจเกี่ยวกับความเจ็บไายได้ปวดขอรงร่างกายอ๋อเจ้าค่ะค่ะแล้วก็ลูกลูกเป็นคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์คนเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถึงเวลาที่ลูกว่างจากงานลูกก็สวดมนต์ไหว้พระฟังเทศทําสมาธิส่วนตัวอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกยังต้องหาเวลาไปวิเวกที่วัดอีกไหมเจ้าคะ ก็อย <formation> <inh aling> <at> ู่ที่ว่าเราต้องการให้จิตเราเจอกับอของข้อสอบที่ยากกว่านี้หรือไม่อ๋ออย่างเช่นปัสสาอะไรย่างเงี้ยใช่ไหมจ้ะเช่นความตายนี่เรายังอาจจะไม่เจอภัยในต่างๆที่อาจจะมากระทบกระเทือนกับร่างกายของเราเราก็ต้องไปหาที่มันหวาดเสียวน่ากลัวแล้วดูซิว่าเราจะใช้ปัญญาหยุดความอถามไหมว่า เราทุกข์จะทุกข์เพราะเรายังไม่อยากตายใช่ไหมก็เป็นนิพพวตตนาเราเราไปห้ามันได้ไม่เวลามันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้นั่นแหละใช่ไคเราค่ะอยู่บ้านก็ตายได้ไม้อไปอยู่เรายอมรับว่าถ้ามันจะตายอยู่ที่น่ากลัวมันจะตายก็ให้มันตายไปนะก็หยุดความอยากไม่ตายได้ค่ะเราก็จะไม่ทุกข์ต่อไปเราก็จะอยู่ทุกสถานที่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ ตอนนี้เราเลีงเรื่องอยู่ที่ที่ปลอดภัยอยู่ที่น่าน่ากลัวยังไม่อยากไปทำงานก็ที่บ้านก็ทําไปตามสภาวะแต่ถ้ามีเวลาก็ปีกไปก็จะดีใช่ไหมไปไปอยู่ที่วัดป่าที่มันน่ากลัวะวัดที่ไม่มีไฟฟ้ามวัดมันมืดกดติกกระต๊อบเล็กๆอยู่วันเดียวอมอยู่กับความทุกข์ยากลาบากเพิ่มขึ้นจะได้ใช้ใช้ปัญญาดับความอยาก อราอยู่ตอนนี้ตอนนี้เรายังอยู่กับขางเยอะแยะไปหมดความสะดวกสบายหลายอย่างเราไปอยู่แบบที่มันไม่สะดวกสบายถึงแล้วเราอยู่ได้ัหมใจเราไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าใจเราจะงดหยีไหมใช่ไหมเจ้าคะหรือไ ป, อ น, ไปนนะหรือไปกินอาหารที่เราไม่สามารถเลือกได้เช่นไปที่อยู่ที่วัดเขาก็ให้กินตามมีตามเกคยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกได้ฉีดวัคซีนแล้วนะเจ้าค่ะ อะไรชินแเว <b> ็บใช่มเด็กเว็บอ่เข็มเข็มเมื่อแบบแบบแบบวันศุกร์ที่แล้วแล้วก็เข็มที่สองเป็นวันที่11บเมิถุนายนเจ้าค่ะก็ก็ขอแนะนําเพื่อนแลบะบท่านกัลยาณมิตรทุกท่านคือขอให้ทานน้าเยอะๆนะคะอันนี้ช่วยได้ค่ะถ้าฉีดวัคซีนนะคะช่วยยังไงช่วยเพื่อไช่วย<ห> <ๆ S 2> บรร<ห>เทาอาการมินอาการอะไร side effect ฟฟหลายๆอย่างที่ที่น <ừ> ่าจะเกิดขึ้นนะเจ้าค่ะเพราะว่าลูก ลูกก่อนไปทานน้ำสัก3ามสี่แก้วแล้วก็พอกลับมาต้องกลับมาทำงานมาประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จิบน้ำตลอดความเมอนความอะไรไม่ค่อยมีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ดีเป็นข้อเป็นข้อดีที่สำหรับเพื่อนๆนในทางอะรับทราบไว้ค่ะถ้าน้ำน้าแค่น้ำเปล่าเนี่ยค่ะช่วยได้เยอะค่อยๆจิบค่อยๆจิบเป็นก็หมั่นเข้าห้องน้ำนิดนึงแค่นั้นเองเจ้าค่ะมีมีประเด็นสาุมีอะไรหม ไม่มีแล้วเจขา่ะกล่าว ข, ขอบพื่อคุณพระอาจารย์เจ้ า, าค่ะเอองั้นขอไปที่ท่านต่อไปคุณพราดาจากสัตย์จริงชมุดเลยคันมาสักคัเจ้าค่ะคือสิบแปดค่ะสิแปดวันอาหารวันไม่ไม่กินข้าวเลยใช่ไหมนึกว่ากินรึนเดียวไม่ไม่กินแล้วค่ะไม่กินเลยนะค่ะพระอาจารย์ค่ะถ้าที่เราอดอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฝัน ว่ามีคนเอาอาหารมาให้กินนี่คือเราอยากกินใช่ไหมก็อยู่ที่เรากินหรือเปล่าไม่กกินถ้าไม่กินก็แสดงถ้าไม่กินก็แสดงว่าเราห้ามใจเราได้เรื่องความอยากกินก็ต้องมีเป็นธรรมดาแล้วเพราะมันนี่เพียงแต่ว่าเราห้ามใจเราได้ถ้อฝันว่ากินด้วยถ้าฝันว่ากินด้วยแสดงว่าไม่ได้กินฝันว่าในฝันคิดว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือถือสินอยู่ออาหารอยู่อืม ใช่อย่างนี้ก็ถือว่ามีสติมีปัญญาถ้าฝันเรื่องอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราทำได้เอคค่ะแล้นเราถือสีตาขึ้นมาชวนไปกินข้าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยให้เราไปไม่ได้หนูสงสัยว่าฝันจะเกี่ยวกับที่เราปฏิบัติไหมใช่มันมันจะบอกผลผลของจิตใจของเราต่อต่อสิ่งที่เราปฏิบัติค่ะใช่ะหม ทำได้หรือยังถ้าทําได้แล้วแม้กระทั่งความตายเวลามันจะตายมันก็ปล่อยได้ถ้ามันในฝันบางทีว่าฝันมันจะตายชนิเจมเป็นจะอดน้ําตายเอ่อเครื่องบินตก ค, คนกคนจะมาฆ่าเราเนี่ยแล้วก็ปล่อยมันนะมึงจะฆ่าก็ฆ่ า, านี่แสดงว่าใจเราใจเร า, ใจเราถึงที่แล้วครัหลังฝันแบบเนี้ค่ะเมื่อก่อนไม่ฝันไปช่วงแล้วก็ฝันว่าเครื่องบินตกมันจะตกแล้วทีเนี้ยหนก็พุทโธพุทรโทโทรัวเลยแล้วมันก็ขาวไปเลยที่นี้ย อมันมันตกแล้วไงมันตกไม่ได้รู้แล้วตอนนั้นแล้วก็มีคนอ่ะเอาเอามีดอ่ะมาฟันฟันฟันเราอ่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะคือหนูจะในฝันหนูชอบจะต่อสู้เมื่อก่อนแต่ตอนป่อยก็เล่อยก็ฟันแล้วก็เจ็บเจ็บเจ็อยู่อย่างนั้นแล้วก็ดีแสดงว่าไปถูกทางนะอ่าเนปันิที่มันจะบอกมันจะบอกถึงการปฏิบัติของเรา่าธุค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าหนูก็เลยถามพระอาจารย์ดีกว่า เพราะว่าตอนที่เราฝันนี่เราไม่มีสติที่จะมาบังคับใจยังมันก็ต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่เราเคยทำมาเป็นตัวที่จะมาเป็นตัวแสดงแทนเราค่ะแสดงยังงก็สบายใจได้แ ล, และเวลาตายก็เลยเราตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วใจ<อ>ใจั ม, น, จมนเย็นใจมันสมมงบแต่ถ้าพยายามไปต่อต้านนี่มันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะต้องยอมหยุดเย็นจบแล้วคือต้องยอมหยุดเย็น สบายค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะ <Okay. S 2> คไป<อ>ที่ท่านต่อไปเลยนะคุณแพทคุณพักคุณพักมททิเชิญนรัตการอาจารย์ครับมีคำถามอสองคำถามนะครับอาจารย์ได้เลยคื อ, อการที่นั่งสมาธิแล้วก็ใช้ การดูลมหายใจที่ท่านอาจารย์บอกนะครับดูที่ปลายจมูกนะครับด้วยกำ ร, ร, รกรรมพุทโธเข้าออกนะครับนี่บางจังหวะนี้ผมรู้สึกว่ามันอผมรู้สึกมันแผ่วที่จมูกผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่ท้องนะครับเป็นเป็นพุทโธ ท, ที่ท้องแล้วแล้วบางรู้สึกบางครั้งก็สติหลุดผมก็พอได้สติพับผมก็เลยลองเปลี่ยนว่า เราลองไปอยู่ที่หน้าผากดูอย่างเงี้ยผมก็จะพยายามเวียนๆไปแบบนั้นเนี่ยมันผิดปกติไหมครับไม่ควรควรจะให้มันอยู่ที่เดียวจะดีกว่าเพราแล้วการทําจิตให้นืง่งเนี่ถ้าค้ายฐานมันก็จิตมันก็ต้อ ง, ม, องมันก็ต้องเคลื่อนอ๋อครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ารู้สึกผมรู้สึกตัวที่ที่ท้องมากกว่าปลายจมูกก็เอาเป็นพุโทโธที่ท้องก็ได้ไหมครับได้ แต่เอาที่เดียวใหญ่เดียย๋ยว ย, ย, ย้ายไปที่หน้าผากเดี๋ยวย้ายไปที่จมูกอ๋อครับอันนั้นมันดูก ผ, ผมเหมือนกับผมพยายามเทสส ต, ติตัวเองที่จะเอ็กซ์ซอร์ซายครับซึ่งผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ถูกก็ได้ครับก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมจะลองเอาเป็นท้องอ่าวันพรุ่งนี้ก็ควรจะเป็นท้องไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนอยู่ที่ว่ามันได้ผลมื่อไร่ก็แบบไหนมันได้ผลดีื่อไ่ก็ตามก็ลองลองลองลองเทสก่อน เราใ น, นตอนเราก็ยังไม่รู้ว่านั้นเหมาะกับเราครับแล้วก็อีกข้อ น, นะครับก็คือเรื่องของออุบายของการสวดมนต์นะครับซึ่งผมม็เข้าใจว่าอา่มันาจะเป็นอุบายของการที่จะทำให้มีสติทีนี้ในบทสวดมนต์เนี่ยแต่ละบทเนี่ยมีความแตกต่างกันและมีความยาวาไม่เหมือนกันแล้วมีอันิสงส์ของการที่ ที่เขาเล่ามาว่าการสวดด้วยบทนี้จะมีอนิสงส์ที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่มันเป็นบทที่ยากซี่ยากในการที่จะจําซึ่งผมอาจจะไม่ค่อยสนุกในการที่ไปจําอะไรยาวๆแต่จะจําบทที่สั้นๆได้เช่นอิติปิโสเพราะฉะนั้นการที่พยายามที่จะมาสวดมนต์ในในบทที่เราจําได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นบทที่อาจจะเพลนๆนะคะ มันมีความแตกต่างกับการไปสวดมนต์บทที่ที่กล่าวขาน ว, ว่ามีอ น, นิสงส์สูงหรือไม่ยังไงครับถ้าเป็นการฝึกสเส ต, ตนี่เหมือนกันสวดบนไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นการเรียนรู้ทางด้านปัญญานี้ต้องเข้าใจความหมายของบทที่สวดกาท่านกาลองพูดถึงเรื่องอะไรถ้าถืาออย่างนั้นญญคือบทปัญครับอาจ า, ารย์ ถ้าเกิดอย่างนั้นบทอิติปิโสซึ่งก็คือเป็นบทที่กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้น่ก็น่าจะาเรียกว่าให้ปัญญาที่ที่ดีไม่ไ ม, ไม่ไม่ยิ่งย่อนระ บ, บทอื่ น, นๆถูกไหมครับก็มัน ม, นมนีปัญญาหลายระดับเนี่ยปัญญาเกี่ยวพระพุทธเจา้าเป็นปัญญาระดับศรัทธาามี<อ>แต่ถ้าท่านเราไปสวดสติปัฏฐานสีมันก็จะปัญญาระดับวิปัสนาครับแต่ก็หมายความว่าใขณะที่สวด ก็แปลว่าทั้งต้องสงบและก็น้อมนําถึงสาระของบทนั้นๆต้องเข้าใจข้อหมายของบทที่เราส่วนครับถ้ า, ถาไม่เข้าใจก็ด้แตสติอย่างเดียวอ๋อครับผมผมเ ข, เข้าใจแล้วครับครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเรียนว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครั้งนี้เข้าเป็นครั้งที่สองนะครับอสติมันรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยปิดติดเหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของงานเข้ามาแล้วก็จะหลุดบ่อยมากคือ เฉยๆแล้วไม่เฉยๆแเรายังไม่ไม่ไม่ไมไมสะเทือนขึ้นๆลงๆคนมัน <ๆ S 1> ก็เลยขึ้นๆลงๆไม่เป็นไร loc, เขาเองนั้นพรรอพ ร, รู้ตัวเองครับผมก็พยายามที่จะมาพูดโธรแล้วก็บอกว่าพุทโธผมยุ่งมากๆเลยเนี่ยยุ่งเรื่องนี้อก็คิดเรื่องที่ยุ่งๆไปเรื่องงานใช่ไหมฮ ะ, <น>ะแล้วก็ที่กระลุดไปอีกแล้วผมก็พยายามดึงหโือพุทโธอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็พยายามดึงเข้ามาพูดโธได้มากที่สุดเท่าไหร่ได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องงานก็ต้องหยุดพูดโธไปก่อนครับอย่างนั้นก็จะปฏิบัติต่อไปครับอาการหมดคําถามแล้วครับอาจารย์สาธุคุณวโรเรนนะคัุณวเรนอาจารยคุณวโรเรนกลาวนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับเที่หลวงการอยากทําบุญนี่ถ้าสมมุติเราไม่ได้ทํานี่เราไเราถูกร้อนนี่เป็นกิเลสไหมครับถ้าทูกร้อนก็เป็นกิเลส ถ้าทำแล้วถ้าไม่ได้ทำก็ก็ก็รอไปก่อนก็ไม่เป็นไรเฉยๆไปว่าตอนนี้ยังไม่มันยังไม่สะดวกที่จะทำํำก็ไม่ต้องทําทําอย่างอื่นได้ทําบุญอย่างอื่นได้รักษาศีลไปจเจริญพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หลวงพ่อชอบยกตัวอย่างว่าการเอาเงินไปเที่ยวสองสวันก็อยากไปเที่ยวใหม่แต่เวลาผมตักบาทนี่สองสวันผมก็อยากไปตักบาทใหม่มันต่างกันยังไงอะครับหลวงพ่อ อ๋อมันก็ต่างตรงที่ว่าเวลาไม่ได้ตักบาตรมันไม่ทุกข์เหมือนกับเวลาไม่ได้ไปเที่ยวแตบมันมันก็ทุกข์นะครับมันเหมือนแบบมันขาดตอนมันทุกข์ก็แสดงว่าเราเราไม่ได้ทําทําด้วยปัญญาเราทําด้วยดิเล่ทําด้วยความอยากทำการทําบุญก็ต้องทําด้วยปัญญาโดยทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเหมาะสมทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ก็ต้องหยุดเท่านั้นเอง แต่ปล่ให้ความอยากมันดำทุลักไปเรื่อยๆครับแล้วพิธีการนี่ถือเป็นบุญไหมครับหลวงพ่อแบบทําแบบต้องจุดทูบเตรียมยป็นไงให้แบบถูกต้องตามกําหนดพิธีการอะไรอย่างนั้นครับอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีมันเป็นเหงินเสือกเนี่ยมันเป็นจะบบเป็นเครื่องประดับมันจะทําให้ดูดูดีมีผักชีโรยหน้าหน่อยแล้วดูแล้วมันน่ากินขึ้นนะนี่ครับเพราะมันไม่มีมันไม่ผลตต่อจิตใจโดยตรงเลย ไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องมีก็ได้พฤติกรรมอะไรแบบอ๋อครับแบบตอบแบบโอนไปง่ายๆกับต้องปักบาทรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ต้องมานั่งไหว้ครูก่อแล้วถึงย่อยคอทําบุญอย่างงี้อ๋อไม่เป็นไรครับอ่อนี้วันนี้ก็ก็วันนี้ก็โอนเงินมาให้นะใช่ไหมใช่อ่าสาธุว่าอันนี้ก็ได้บุญนะทําไปสาธุครับเพราะว่าแล้วการทํา บุญรู้ทุกวันทำบุญยังไงคือได้บุญแต่วันวิสาขามันได้บุญมากกว่าวันอื่นไหมครับหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วบุนมากบุญน้อยอยู่ที่ทำมากทำน้อยเหมือนกินข้าวกินวันวันวิสาขะกินกินวันอื่นเนี้ยมันต่างกันตรงไหนอ่ะก็ต่างกันตรงที่วันไหนกินมากกว่าใช่ไหมคิดว่ามันจะแบบเหมือนไฮซีซั่นโลซีซั่นอะไรแบบนี้ไหมครับก็คิดไปอย่างอ่ะมันไม่เป็นอย่างกันนะมันอยู่ที่อยู่ที่ทำมากก็ทำน้อยโอเคงั้นก็เข้าใจถูกแล้วครับ เราทำได้พันหนึ่งด้วยเคยทําร้อยยังทำไักพันด้วจะรู้สศกษฐกิจมันใจเป็นยังไงผมพ่อผมเคยส ม, มัยมัธยมอ่ะผมเคยลงยนต์ห่วงแล้เป็นกิเลสเพราะนั้นคือได้เงินแม่มาใหม่แบบเหมือนเงินอะไรปีใหม่ก็เลยให้ไปสองพันผ่านไปหนึ่งอาทินไปแป๊บหนึ่งเอาลึกตัวเองโง่แต่เขาไมให้ไปหกพันแบบแสดงว่า ก, กิเลสมันมันมันย้อนสอนเราคือพตอตอนแรกคิดว่าตัวเองกดอยากในตรงให้แบบสุดๆโดยแบบให้หมดตัวเลยซิแล้วตัวเองจะมีความสุขัหมสะกดไม่ใช่ ทุกทคานเพราะอะไมันยังห่วงอยู่ใช่ครับก็เลยคิดว่าออรับทางสายกลางให้แบบพอดีพอดีของเรก็เลยแบบพตอะนั้นแบบให้ไปสองพันแล้วแบบตอนนั้นมันเรายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่หาตันเองไม่ได้สุดท้ายให้ไปสองพันเราเลยกินข้าวก็ต้องอดมือกินมื้อแทนแทนที่จะอะไรอย่างนี้แทนอ๋อก็เลยอ๋อนี่สินะให้ไม่พอดีสําหรับตัวเองอะไรอย่างนั้นเหมือนกันครับก็ทุกวันนี้ก็สวดมนต์ภาวนาก็ก็ดีทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ก็ขอให้หุวงกมาฟังธรรมครับแค่นี้แล้วครับผมสาธุใหที่คุณก๊อฟตอคุณก๊อฟเชิญคุณกาสเชียร์สุรัตนักรามการครับ ว, วันนี้ก็ตั้งใจก็รักษาสี่งล้ในรอบปีครับและครั้งแรกก็ผมบอกพระจานันทร์ตาปฏิบัติก็คือก็เริ่มก็ มันมีรายละเอียดที่แบบทําไม่ได้บ้างแบบมันใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆก็พยายามรักษาใ จ, ใจิตใจแล้วตอนนี้ก็รู้สึกเพลียรครับรู้สึกเพลียแต่ว่าเรื่องการนั่งสมาธิตอนเนี้ขามันยังเอ่อมันยังงอไม่ได้ก็นั่งไม่ได้แล้วก็เข้าสมาธิเหมือนเรายังไม่สุดอะครับเราเหมือนแบบตอนนี้ก็คือว่าอยากแบบอ่ทอทลามานกิเลสไปก่อนครับ ได้ก็ทำทั้ที่เราทําได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้ก็นั่งก็ยีไปก็ได้ครับแล้วแล้วก็ผมจะมีคําถามแบบแปลกๆหน่อยหนึ่งนะครับคือผู้ผมจะถามเรื่องแบบว่าเทพพวกเจ้าแม่กนอิมหรือว่าศาสนาอื่นผมก็ฟังมามันเป็นตํานานนะครับแต่ว่ามันมันคาใจอ่ะครับว่าแบบมันมีจริงไหมหรือว่าแบบก็มันเรื่องของศาสนาอื่นเขาเราไมไปสนใจให้หมดเลย ก็คือเราไม่ต้องไปสนใจแม่ไม่ต้องไปสนใจเขาเราสนใจแต่เรื่องเพศของศาสนาเราก็แล้วกันครับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอ่อนเพียรแล้วก็พยายามก็คือตัวที่ก็คือว่าเดี๋ยวจะหาอุบายมาทรมานตัวเองครับคือ <c oughs> <c oughs> แบบผมก็เข้าใจอริ ย, ยสัจสีแต่ว่าเวลาแบบอดอาหารด้วยแล้วมานั่งสมาธิด้วยบางทีแล้วก็ค่อยๆทรมานกิเลสไปแล้วก็ดูว่า ตัวไหนมันเด่นชัดหรือว่าอะไรแล้วก็ค่อยๆเ ย, ยงเข้าไป อ, อย่างเงี้ยครับอย่าไปให้ความสนใจกับความอ่อนเพลียปล่อยมันอ่อนเพลียไปให้มันอยู่ในแบ็กกราวน์เราให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปแล้วาการป่อนเพียจะไม่มาทําให้จิตใจเราวุ่นวายครับมันเข้าสมาธิไม่ได้ครับอาจารย์เขาไเปเวลาให้มีสติอยู่กับพุโทโธไปแลป้วกันครับขอบคุณครับเท่านี้ครับโอเคท่านต่อไปคุณพัชมนเชิญคุณพัชมนอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่ชนบรุรีใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์อากาศเมื่ <bastard> <Yeah. S 2> าน uh. หนูว่าแล้วว่ไรมีอะไรไหมวันนี้ก็วันนี้ค่ะหนูมาครั้งที่สองเจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่หนูถามพระอาจารย์ว่าคือหนูนั่งปันละสามชั่วโมงนะเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีความเพียรมันก็จะยิ่งดีหนูก็เลย นั่งต่อเจ้าค่ะก็คือตอนแรกก็คือจะทําแค่เจ็ดวันแต่บางเอื่นว่าพอฟังแล้วหนูก็มีกําลังใจแล้วหนูก็นั่งแล้วพระอาจารย์บอกว่าให้หนูดูลมนะเจ้าค่ะไม่ให้พิจารณาเพราะว่ากําลังเรายังไม่ถึงแต่ทีเนี้ยพอหนูอ่ะนั่งแล้วหนูดูลมอย่างที่พระอาจารย์บอกอะค่ะคือมันมันดีมากๆเลยอะค่ะแล้วมันมันทําให้รู้สึกว่าอ่ามันอยู่กับสมาธิมันอยู่กับตัวเองแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่หนูสงสัยก็คือว่า มันจะมีแวบคิดนะค่ะพระอาจารย์ก็เดินมันกลับไว้มันยังธรรมชาติของจิตมันชอบคิดไงเพราะฉะนั้นต้องคอยควบคุมบงังค้ามันย้าให้มันคิดช่วงนี้เราต้องการหยุดฟวาคิดก่อนเจ้าค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็คือว่าจะมีคําถามของแฟนหนูนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือว่าเขาถามว่าระหว่างการนั่งเนี่ยเราจําเป็นกับท่านั่งไหมว่าขาต้องเรียงแล้วก็ขาต้องทับซ้อนกันอย่างนี้เจ้าค่ะ ก็เหมือนกับเวลาเราเล่นกีฬาตีกอล์ฟเพราะว่มีวิธีให้จับไม้ใช่ไหมไม่ใช่จับตามที่เราชอบใช่ไหมเพราะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาว่านั่งสมาธิก็มีท่านั่งที่ดีที่สุดท่านั่งที่ดีที่สุดการเกิดขวาทับซ้าย น, นี่ท่านั่งขัดสมาท่านั่งได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องปรับไปตามสภาพของเราเราคนนั่งขัดสมาไม่ได้ก็นั่งขอบเตียงไปรือนั่งเก้าอี้ไปก่อนแล้วแต่ ถ้าอยากจะพยายามหัดนั่งขัดสมาดได้ก็นั่งไปใหม่ๆ ม, มันจะรู้สึกขัดๆรู้สึกเจ็บบ้างปวดบ้างแต่ถ้าเรานั่งบ่อยๆต่อไปก็กล้ามเนื้อมันก็จะอ่อนลงมันก็จะเข้าที่เข้าทางไปแล้วมันจะเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานนั่งได้สบายกว่าท่าอื่นแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปรับไปตามสภาพของเรานั่งในท่าที่เรานั่งได้ ก็ย้อนมาที่ตัวหนูก็คือว่าถ้าเช่นนั้นที่หนูนั่งสามชั่วโมงเนะะี่ยค่ะหนูรู้สึกมันไม่อยากลดในการนั่งก็หนูก็ติด ก, การนั่งสามชั่วโมงไปแล้วค่ะพระอาจารย์อันก็ดีเ ป, เป็นความความอยากที่ดีไม่เป็นไรความยึดติดในสิ่งที่ดีไม่เสียหายยึดติดทําไม่เสียหายอย่าไปติดอย่าไปยึตดยยติดกับกิเลสก็แล้วกันแล้วค่ะแล้วก็วก็คืออิริยาบถหมายถึงว่าหนู่จะ ชอบการ น, นั่งมากกว่าการเดิอนอย่างเนี้เจ้าค่ะเป็นอะไรไหมเจ้าค่ะไม่เป็นไม่เป็นได้ทั้งนันท่าไหนก็ได้แล้วแต่เราจะพอใจสะดวกแต่ถ้าปฏิบัติมาทั้งวันเนี่ยมันจะนั่งท่าหนึ่งไม่ได้มันจะอยู่ท่าหนึ่งไม่ได้แล้วก็เรามีการเปลี่ยนลุกขึ้นมายืนบ้างลุกขึ้นมาเดินนั่งเพื่อขยับเส้นสายเพื่อไม่ให้น่างกายมันมันเจ็บมันปวดเกินความจําเป็นแล้วเดี๋ยวถ้าเรารเราก็กลับมาทีท่าเราชอบ เราก็จะนั่งล้วก็จะปฏิบัติที่ถ้าเราชอบได้นานกว่าท่าแล้วอีกคําถามหนึ่งก็คือว่าหนูจะละเมอพระอาจารย์แต่ทั้งทั้งที่หนูเรียกว่าตอนที่นอนนะคะหนูจะอยู่กับลมหายใจแล้วก็จะเ้าเรียกว่าพยายามอยู่กับกายแต่ทําไมหนูมีละเมอล่ะคะก็เวลาหลับนี่มันสเติมันหมดไง มันจิดก็ยังคิดต่อได้ ม, มันก็จะเวลาละเมก็เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตออกมาผ่านทางการละเมอบางทีก็ฝันได้ค่ะนี่เป็นสภาพที่เราห้ามไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลปล่อยมันไปตามนูนตรงเพราะว่าหนูก็รู้สึกเครียดทําไมาต้องกัเราไปควบคุมบังคับไปไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสตกิไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไ ป, ไปไๆๆจิตนิ่งมากขึ้นเท่าไหรเดี๋ยวต่อไปการละเมอนี่มันจะหายไป คฝันก็ยะหายไปฝันน้อยระเบ้อน้อย <Okay. S 1> เพราะการฝันด้วยการระเบ้อนี่มันมาจากความคิดปรุงแต่งจิงถ้าเราฝึกนั่งสมาธิแบบว่าเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้บ่อยได้มากเอาไปเวลาหลับมันก็จะไม่นํามาอหรือระเบ้อน้อยล <Okay. S 1> ยงและไม่ต้องกังวลเวลานอนหลับไม่มีใครเข้ามานั่งดูเลย <laughs> ใช่ไหม <laughs> มีแฟนหนูเมื่อ เมื่อมวันก่อนเจ้าครับพระอาจารย์พอดีเขาตื่นมาเห็นหนูละเมอปกติพอเขาจะเข ย, ย่าตัวทีนี้เขาบอกว่าเขาเอามือแตะหน้าพอแตะหนูก็ค่อยๆลดอาการลงแต่ว่าเข า, าจะเห็นล่างหนูเนี่ยค่ะแข็งไปเลยก็ เ, เ, เห็นผมหนูเป็นสีขาวตอนแรกคือเขาตกใจแล้วเขาก็าตาพอเขาขยี้ตาเสร็จล่างหนกูก็กลับมาสภาพเดิมเขาก็เลยถามหนูว่าทําไม พ, พี่พี่รู้สึกเข็นเธอเป็นแบบนี้ เขาปรุงแต่งไว้เกียรติปรุงแต่งมาบางทีเห็นอะไรก็ว่าเป็นผีเป็นอะไรไปเขาบอกว่ า, ถ, าถ้าเกิดถ้าเกิดหนูตายก็จะไม่กล้ายอยู่บ้านแน่ๆแต่จริงๆแล้วทำไมตอนนี้อยู่ได้ด้วยกันได้ <c oughs> ก็เป็นร่างกายข้านเดียวกันไม่ใช่เพราะไม่มีลมหายใจนี่รังเกียจนะอยู่ด้วยกันไม่ได้กันมามันไม่ใช่ปัญญา ร่างกายมันเปลี่ยนไปที่ไหนเลลวลามันไม่มีลมหายใจมันดีสิมันร่างกายที่ไม่มีลมหายใจมันก็ตอบโต้เราไม่ได้ใช่ไหมมันจะตีมันจะทุบมันจะทําอะไรมันมก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ร่างกายที่ยังมีลมหยใจอยู่นี่ดีไม่ ด, ดีเข้าฟันเข้แทงเราได้นะกลับไม่กลัวกลับไปกลัวร่างกายที่ไม่ทำร้ายเราแล้วนะใช่หมเสร็าาจแล้วจังหมดคำถา ม, ถาม หมดแล้วเหลือคถามมีไหมจ ร, จริงๆครับมีมีอยู่อีกคําถามพอดีว่าเพื่อนเพื่อนมาถามเจ้าข่าพระอาจารย์ก็คืออันนี้เป็นคําถามของเพื่อนคือเขาถามหนูว่าทําบริกรรมนะคะคือเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเธอบริกรรมพุทโธอยู่เธอทําทแค่สมถะเธอไม่ได้วิปัสสนาถ้าเกิดอ่าวิปัสสนาต้องยุบหนอพองหนอค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่เหรอมันยุบหนอพองหน่อก็มันก็มันก็สามารถถามเหมือนกัน แต่อย่างหนูเนี่ยหนูจะพุดโทนะพูดโธก็สมาติสมาธิยุบหนาห้องหนาวก็สมาธิเกันไม่ได้ปัญญาค่ะไม่ใช่วิปั ส, สนาค่ะเพราะฉะนั้นเราจำไปสะสมตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ขั้นปฐมขั้นขั้นสมถะทําสมัติาไปก่อนอย่าเพิ่งไปขึ้นชั้นมันธยมยังไม่ถึงเวลาให้จบขั้นสมัติให้ได้ก่อนทําจิตให้รวมจิตให้สงบตามที่เราต้องการให้ได้ซะก่อน ถ้าถึงขั้ไปขั้นวิปัสสนาต่อไปวิปัสสนาวิปัสสนาต้องพิจารณาไตายรักพิจารณาทุกอย่างเป็นไตายรักเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงเขาว่าเร า, า, ารเราไม่ทุกข์กับมันไงเช่นพิจารณาสามีแล้วว่าเป็นตายักพอเขาตายไปเราก็ไปร้องอุ่มร้องไห้ดีใจใ ห, หมดหมดทุกข์กันไม่ต้องมาเป็นห่วงกัน แต่ถ้ามาันเัาอกนั่งให้แสดงว่าไม่เป็นไม่เป็นรูปป <online> <c oughs> ัสนาเนี <fry UC S> <co uffy> ่เป็นกิเลสใช่ไหมอยู่คนเดียวมันดีกว่าอยู่สองคนไหมอยู่สองคนมันจะมากังวลกันห่วงกันใช่ไหมเขาก็ห่วงเราเราก็ห่วงเขาเราก็ตายไปแล้วนี่เราก็คนเดียวเไม่ต้องไปโองใครแล้วใช่ไหมพอดีเพิ่งไปบวชมาสามเดือนเจ้าค่ะหนูก็อยู่บ้านคนเดียวเจ้าข่าแต่ศึกมาได้สองเดือนแล้วค่ะเจ้าข่าวพจ้า นแลวิปัสนาเพื่อดับความทุกข์ใจดับความกระวลใจดับความ่วงใหญ่ต่า ง, ต, งต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงต้องมีการทัทกทาจากกันวันใดวันหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดานั่ะเรียกว่าวิปัสนากรจายไหมเจ้าค่ะโอเคอันนี้ก็ทำวิปัสนาได้แต่มันจะมีมีกำลังน้อยว่าสมาธิเราน้อยสมาธิเราน้อยปล่อยวางไม่ได้ รู้ว่าต้องจ่า ก, กันก็ยังไม่ยอมปล่อยในชะ่ไหมแต่ถ้าเรามีสมาธิเต็มร้อยลนะ้วปล่อยได้เลยก็จะขอไม่มีแฟนไหนก็ไปเลย <laughs> อนนจริงๆถ้ามีถ้ามีสมถธิเต็มร้อยมีวิปปิกาเต็มร้อยแล้วมันมีความสุขในตัวเองมันไม่มันไม่ตทำไปว่างเอาความสุขจากเขาแนละ้วก็อยากจะไปก็ไปเลย <laughs> แต่ตอนนี้เรายังต้องอาศัยเขาให้ความสุขกับเราอยู่เลยยังไปไม่ได้แล้วเธอ จังจำที่พ่จยังจำที่พระอาจารย์บอกว่าตอนที่หนูไปธรรมบนเขาอว่ะพระอาจารย์บอกว่าถ้าจะแยกกันก็ให้ทําเหมือนหลวงปู่ปุ่มกับภรรยาน่ะจ้ะค่ั่นะนั่นแหละท่านท่านมีสมาธิแล้วท่านแยกกันได้ท่านจะไปวิปัสนาเลยก็เลยว่าต้องชกก็คือสะสมกันไปก่อนสร้างสมาธิเยอะๆก่อนสร้างโมเบกขายเยอะๆก่อนแล้วค่ะ ม, มีความสุขกับการอยู่คนเดียวจะให้ได้ก่อนถ้าอยู่คนยมีความสุขในการอยู่คนเดียวได้มันจะไม่อยากจะอยู่กับใครนะโอเคนะเดี๋ยวไปที่ท่านต่อไปคุณนุ่นทีว่าทักทายหน่อยรู้ว่ามันไม่ถามไม่อะไรก็ทักทายกันหน่อยได้ไ้มกรรมนิพกานเจ้าค่ะพอาจารย์ไม่มอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรค่ะงั้นก็คุณสุภั ต, ตาต่อเลยจากเท็กซัสเดลั กยาบนมัสการพระเจ้าค่ตอนนี้ทักษะเขาย้ายทุกคนพกตืนได้แล้วเนี่ยนะอ๋อพกได้แล้วสะค่ะมันต้องมีใบอนุญาตด้วยเนี่ยนี้ไปซื้อจากร้านมาแล้วก็องได้เลยเดี๋ยวต่อไมันก็ยิงตอบมันก็ตอบมันก็ยิงแล้วโมนียก็ดือย เดี <Yeah. S 2> <laughs asure> ๋ยวแต่ที่ที่น่านี่ว่าวันเมื่อเมื่อไม่กี่วันลูกไปจ่ายของมาคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ใส่หน้ากากแล้วเจ้าค่ะกแบบโอ้ยอ่ค่เจ้าค่ะก็ก็ไปัาซินรอบแรกไปแล้วเจค่ะที่เอาให้ฟังคือก็ประมาณหลังจากฉีดห้านาทีแรกก็รู้สึกหน้ามืดอ่อนๆแล้ว<น lugar>เจ้าค่ะแล้วก็สามมีรู้สึกตัวร้อน เนื้อ อ, อกแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะตับกลายเป็นผลข้างเคียงที่ดีมากคือรู้สึกหายใจดีกว่าเก่าเยอะ <c oughs> แล้วก็ร่างกายแข็งแรงเยอะขึ้นเจ้าค่ะเยอะมากๆเลยเจ้าค่ะรู้สึกมีภูมิดีขึ้นเจ้าค่ะแล้วค่ะขอแนะอีกอันนึงที่เมื่อกี้ญาติทําบอกดื่มน้ําก็อยากจะเพิ่มว่าหลังก่อนฉีดกับหลังจากฉีดเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆหน่อยอาจจะเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อให้ร่างกายได้มีการขยับเจ้าค่ะ แล้วลูกก็ใช้เทคนิคของพระอาจารย์คือหลังจากฉีดแล้วพอมีอาการแบบหน้ามืดหน่อยๆลูกก็พยายามรู้ทันแล้วก็หลังจากนั้นคือทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่าไปสนใจเจ้ไปอาการต้องใจเดี๋ยวมันจะไปทําให้มันยากขึ้นเ <Jean> จา้จาค่ะลูกชอบเทคนิคนี้มากเลยเจ้าค่ะคือเทคนิคไม่รู้ไม่ชี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันปล่อยมันไปนอะ่ะเจ้าค่ะเทคนิคนี้ใช้ทุกโอกาสเลยเจ้าค่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นเวทนาเกิดขึ้นกับ รู้พอรู้แล้วก็ช่างมันรู้ว่าก็ช่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วค่ะทุกอย่างดีดีเลยเจ้าค่ะเล้วค่ะเทคนิคนี้สุดยอดเจ้าค่ะลูกใช้กับทุกสถานการณ์ไม่รู้ไม่ชีอพองนนเ้าเจ้ของพระพทเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สักแต่ว่าลูกเฉยเฉยเลยไม่ทำไปยุ่งกับเขา้ค่ะแต่ เจแล้วค่ะคือคือรู้รู้เกิดอะไรขึ้นแต่พอรู้แล้วก็ปล่อดเลยก็ไม่รู้ไม่ชี้แล้วที่ดีที่เหลือก็ตามสภาพเจ้าค่ะขอให้มันปล่อยได้ทุกเรื่องนะเจ้าค่ะก็พยายามอยู่เจ้าค่ะไม่แล้วก็อาทิตย์หน้าลูกจะได้ดื่มสมมุตี้แล้วนะเจ้าค่ะก็ก็พยายามคุยก็เจอค่ะมีอะไรเข้ามาท้าทายเยอะพอถึงเวลาได้ดื่มจริงจรมันมันจะรู้สึกวโอ้ยมันไม่เห็นดีเลยไม่เห็นหล่อยตรงไหนเลย เนะค่ะ้วสามนี้บอกว่าถ้าได้ถ้าได้ดื่มเนาะค่ะถ้าได้ดื่มแก้วเนี้ยจะเป็นการฉลองที่ว่าจะเป็นการฉลองแก้วหนึ่งที่อยู่บอกว่าอดทนมาได้นานมากสามเดือนสามถึงสี่เดือนเนาะค่ะเนาะเขาบอกเขาจะทําให้ดื่มเลยเขาบอกจะฉลองให้เลยโอ้ถึงเวลาได้ดื่มจริงๆเนี่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่ามันไม่เสดตรงไหนเลย เจ้าค่ะจล่กจะกลับว่าจะจิบหนึ่งหรือไม่จะแก้วหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็เย่เราชนะและสามสี่เดือนที่เราบอกว่าคุมตัวเองไม่ให้ไม่ให้แบบอารมณ์ชนะเราได้นี่แบบหมูเป็นตัวอะไรที่เราเจ้าค่ะเจ้าค่ะพี่อาจารย์มีเท่านี้เจ้าค่ะก็แนะนำว่าลูกไม่ทราบว่ายาตีทำที่ฉีดไปเซอร์ครั้งที่แล้วได้เข้ามาไหมเจ้าค่ะเขาาดีขึ้นหรือยังเจ้าค่ะที่เขามีความดันต่ำอ่ะเจ้าค่ะมันจะวิสายยันดีน่าแคบตอนนี้ไป ทำไมคุณทวิชาที่อยู่ทวิชาค่ะม่นเสพมันเมื่อกี้บอกว่าดีออ๋อโอเคเจ้าค่ะลูกจัาเป็นผ่วงเขาอยู่เจ้าค่ะดีดีเจ้าค่ะได้ฟังข่าวดีก็ดีดีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วดีแล้วขอบคุณมากค่ะคุณสุชาค่ะดีขึ้นแล้วค่ะคิดคิดถึงค่ะคิดถึงอยู่นะคิดถึงอยู่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกลับมาเร็วๆนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะค่ะ อาจารย์มีแค่นี้แหละเจ้ค่ะ เ, คเดี๋ยวใครกลักับคุณเจ้ะค่ะคิวใครเลย840806 ค, คุณอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์8 8. อาจารย์สายสายทิพย์ใช่ไหมอาจารย์สายทิพย์ได้ยินหรือเปล่าห ล, ลับตาอยู่นะ840806นะฮะนั่งสมาที่เยอะ่ะได้ยินไหมครับคุณ840806เชิญ อัน okay. นี้มกันอันนี้ไมโครโฟนโอเคน้ำม<ะ>ันตะเกีค่ะอยุ ท, ยทสมุอาการค่ะมาอย่างไรมีอะไรไหมค่ะเอ่อเอ่อมีเอ่เ อ, เ, อเรื่องแรกนะคะเอ่อเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาทำทานเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยคะ่ะเวลาทำทานก็จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหวังในบุญแล้วก็มีการ น้อมจิตมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทําทานแต่พอในระยะหลังคือทําบ่อยทําบ่อยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเรื่องบุญแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าคือดูใจเราว่าเราพร้อมที่จะเสียสละบไหมแล้วสิ่งตรงนั้นได้ประโยชน์จริงไหมอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าช่วยเราเราทําทานเพื่อให้ช่วยให้เกิดประโยชน์จากคนที่ได้รับอะไรเงี้ยค่ะอืมพอเป็นอย่างนี้มาเรื่อยเรื่ ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องที่ว่าเราจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าแบบนี้เนี่ยจิตมันหยาบขึ้นหรือว่ามันมันได้ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมทุกครั้งที่ทำก็ได้ความรู้สึกที่ดีแต่ว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะอันนั่นแหละคือบุญความรู้สึกที่ดีนั่นแหะคือตัวบุญค่ะค่ะ แล้วก็ทําถูกวิธีแล้วต้องทําด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ทำด้วยความนึกคิดว่าทำแล้วคว้าได้บุญเยอะๆทั้งนั้นเองไม่รู้ว่าบุญเป็นอะไรอย่างนี้<า>มันไม่ได้<า>นะการทำนราต้ราทําแล้วดูที่ความรู้สึกว่าอ๋อเราเสียสละประโยชน์สุขของเราให้กับผู้อื่นไปช้าถอยเขาได้สุขได้สบายมากแล้วเรามีความรู้สึกสุขใจเบิงปิติขึ้นมาอันนั้นแหละคือตัวบุญค่ะแล้วเวลา เวลาไปที่ไหนที่คนเขาทําบุญเยอะๆแล้วโยมจะไม่ค่อยได้ได้ทําเท่าไหร่เพราะมองว่ามันล้นเหลือแล้วอะไรบางทีแต่ว่าโยมจะชอบไปทํากับในจุดที่เขาต้องการหรือว่ามันขาดแคลนหรือว่ามันจะต้องคือทําด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นค่ะทาด้วยปัญญาต้องพิจารณาว่าผุ้รับเขาต้องการอะไรขาดหรืออะไรให้สิ่งนั้นเขาสียงที่เขาขาดแคลนไม่ใช่ไม่ใช่ว่า ทำตามที่ทำเนียมว่าสอนสังฆทานเนี่ยต้องไปซื้อกาแปร์ที่เขาใส่ของมาเต็มวัดไปหมดนะของไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคนถวายของพวกนี้ไม่เคยเปิดดูเลยค่ะแล้วเอ่อแล้วการที่เราไม่ได้น้อมเข้ามาเพื่อที่จะอธิษฐานแผ่บุญหรือทําอะไรต่อจากนั้นกวดน้ําหรืออะไรอย่างที่เราเคยเคยทําเมือ่อเมื่อสมัยก่อนอย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมคะ ก็เราไม่รู้จะไปแผ่ใหรก็ไม่ต้องแผ่แต่ถ้าเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วเช่นพ่อแม่พี่น้องนะเราเรายังคิดมากขาอาจจะได้นับประโยชน์จากบุญที่เรามีอยู่นี้แบ่งให้เขาเพาเราก็แบ่งแบ่งบุทิศไปได้แต่ถ้าเราคิดว่าพ่อแม่เขาไปดีแล้วไปสวรรค์แล้วเขาไม่ต้องมาเริ่งบุญของเราเราก็ไม่ต้องแผให้ใครไม่ต้องบุญทิศให้ใครไปได้แต่ยังการจะบุทิศจริงๆเนี่ยมันต้องรู้ว่ามีผู้รับหรือไม่มีผู้รับหรือถ้าเราไม่ไม่รู้เราก็คิดว่า อุทิศให้กับสัรพสัตต์ไปก็ได้สัตว์กายที่ทั้งหลายที่เขาอาจจะไม่มีญาติพี่น้องที่จะแบ่งบุญให้กับเขาไปแล้วก็อุทิศไปให้เขาก็ได้อย่างหลวงตามหาบัวทุ่งเสวกวันที่สามสิบเอ็ดพัสดุภาอะไรที่ท่านจะทําบุญเปิดโลกโลกกทานเนี่ยแล้วก็ให้ญาติโยมทําบุญแล้วอุทิศให้กับสัรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีญาติพี่น้องที่จะแบ่งบุญให้กับเขาเขาก็จะได้อาศัยบุญจากคนใจบุญไปออื ค่ะถ้าเราไม่อุทิศเขาก็รับไม่ได้เราต้องอุทิศเราต้องพูดไปเนี่ราต้องคิดไปใน ใ, นใจว่าเขาที่บุญส่วนนี้ให้กับสัพพสารทั้งหลายผูดด้ใดขาดแคลนหรือต้องการบุญส่วนนี้ก็มารับไปได้เลยอนี้อืมค่ะค่ะแล้วเรื่องถัดไปนะคะเรื่องถัดไปเนี่ยเโยมจะอะม <c oughs> คือฝัน <c oughs> ฝันแล้วก็บางทีก็รู้สึกรู้สึกตัวในฝันว่าว่าเรากําลังฝันอยู่ แล้วบางทีเราก็กลับมาเราก็กลับมาด้วยด้วยการบริกรรมแล้วก็กลับกลับมาจากฝันนะคะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยแล้วบางทีโยมก็ไปไปคือกลัวว่าจะผิดทางอะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีบางที ก, ก็ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เวลาฝัานนี้เวลาฝันนี่มันเป็นเหมือ น, นหนังตัวอย่าง แสดง <Okay. S 1> ผลบุญผลกรรมที่เราทําไว้ค่ะถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าเป็นผลบุญ <Okay. S 1> ถ้าเราฝันร้ายก็เป็นแสดงว่าเป็นผลของบาป ท, ที่เราทำไว้ที่เรา <Okay. S 1> จะต้องไปรับต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว <Okay. S 1> แล้วเวลาเหมือนหนังตัวอย่างค่ะ okay. แล้วเวลาที่โยมเออ่ฝันเวลาไปไปที่ไหนก็แล้วแต่ในความฝันนะโยมมันจะเหาะไปแล้วพอมันจะมีบางครั้งเนี่ย ที่มันจะหอบขึ้นไปที่สูงมากๆแล้วมันก็กลัวกลัวว่าจะแบบหลุดโลกออกไปเลยแล้วมันกลับมาไม่ได้แล้วแล้วมันก็เลยกลับกลับมาพอกลับมาแล้วเราก็เลยตอนตอนหลังโยมมาคิดได้ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเรากลัวตายเรากลัวตายแ ต, แต่ยังไม่มีปัญญายังไม่ีบุญยังไม่มีปัญญาค่ะเพราะว่าเรากลัวตา ย, ตยถ้าอย่งนั้นไม่ถึงขั้นมิปัสนา ทางปฏิบัติต่อไปให้ถึงขั้นมีปัสนาและพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้เราปล่อยได้ต่อไปเราก็ไม่โกรธตายมันจะหลุดก็ปล่อยมันหลุดไปมันจะไปไหนก็ปล่อยมันไปอืมค่ะถ้าเราถ้าเรานึกขึ้นได้ในตอนฝันสมมตินะคะถ้าเรานึกได้ในตอนฝันแล้วเราไปเลยเราเราก็เหเราก็ขึ้นไปเลยอ ะ, อะไรเงี้ยก็ก็ก<ำ>็แสดงว่าเราปล่อยวางได้ปล่อยวางค่ะโอเค ไดังนั้นเราต้องทําก่อนตอนที่เราไม่ฝันก่อนมันถึงเวลาฝันมันถึงจะทําได้ค่ะได้ค่ะถ้าหนูกลับสอบถามเพียงเท่านี้นะคะวันนี้โอเคจคะปา ก, ปกน้ำเลยอยที่ปากน้ำใช่ไหมอยู่อยู่าบังบ่อค่ะบังบ่อที่นั้นก็มีวัดป่าสุจใจวัดป่าอะไรนี่ไหมวัดป่าสุขใจมีค่ะวัดป่าสุใจลูกศิษย์หลงตามมาครับบัวเคยไปหรือเปล่อ๋อล่ะค่ะดูยังไม่เคยไปเลยค่ะ เคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยไปเลยค่ะชเราทั้งกันเป็นลูกศิลน์ลูกตาแต่คนรุ่นกันเราถ้ารุ่นหลังๆไม่ไม่ไปเจอกันค่ะเจ้าเจ้าอาวาสที่นั่นน่ะเหรอคะอ๋อค่ะลูเสียว่าจะเป็นชื่ออะไรไหครับอาจารย์ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองไปดูครัเราไปวัดเป็นเดืก็ได้ได้ไค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราทำบุญกับวัดป่าแล้วเราไปทำที่นั่นเดือนก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะ คุณเกศตาใช่หไหมคุณเกศคุณเทะเนอยากนอนแคราโรไลน้ากับคุณเองเจลน้องที่<อ>มีบานกรค่ะอาจารย์ทางกายเขเคยทาบุญมาถึงไม่คนทำาปยังไงอะค่ะมาร่วมฟังธรรมเสก เ, เจ้าค่ะสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะที่สองเข็มเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการอะไรไม่มีเจ้าค่ะ สบายใจแนละ้วไปไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วใช่ไหมรอกลับเมืองไทยอย่างเดียวเจ้าค่ะอได้วันวันกลับเลยอย่างเืนี้ร อ, อ, อ, อให้เมืองไทยสงบก่อนรอให้เมืองไทยสงบก่อนเจ้าค่ะแล้วค่อยกลับอตองรอคนไทยได้ฉีดวัคซีนกันก่อนนะปลายปีนี้มั<ะ>้งปลายปีนี้น่าจะกลับมาได้เด้<ะ>๋วค่ะโอเคงั้นก็ไปที่ท่านต่อไปนนะคุณสอนดวงเราอัปเดตอย่างนี้อ่านชั้นแล้วะ ดูจากสวรรณเขตชาวาลาวไม่ใช่ชาวไทยมีอะไรไหมก็มีอยู่นิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็คือเวลาเวลาทุกขค่ะพระอาจารย์ก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยคือเห็นเห็นเห็นทุกข์มันดับไปค่ปะอาจารย์ได้พอนิยม หยุดความความอยากยเมื่อเราพุโทโธพุโทโธไปเราก็หยุดความอยากที่ทําให้เราทุกพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปแต่ถ้าเราหยุดพุดโทโธเมื่อไหร่เดียวก็มันก็กลับมาใหม่ได้เพราะมันเป็นมันดับช่วคทาวดับด้วยสติตอาจจะดับด้วยปัญญาต้องหาใช่เห็นว่าเรากําลังอยากอะไรอยู่อยากได้อะไรแล้วอยากให้เป็นอะไรเราใช้ปัญญาบอกว่าเราก็ ห้ามสิ่งที่มันเป็นอยู่นี่ไม่ให้มันเป็นไปตามที่เราอยากไม่ได้แล้เาเราก็จะอยู่ความอยากนะพอหยู่ความอยากความทุกข์ก็จะหายแบบท้าวอนอืมคับอาจารย์เฉพาเรื่องนั้นนะจะ อ, อยูดอย่างทาวอนแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะทุกเรื่องก็ต้องว่ากันไปแต่และเรื่องไปเราใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากอยากได้ในสิ่งที่เราเป็นเป็นไปไม่ได้ เป็นอยากให้ร่างกายเราไม่แก่มันก็เป็นไปไม่ได้เพอมันแก่แล้วก็ทุกข์กับมันนี่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายแต่พอเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็หยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งนี้พอเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ปัญญาค่ะ ก็ยังมีความกลัวอยู่ค่ะพระอาจารย์นั่นแหละก็เรายังอยากให้มันไม่ตายนเไงแต่ไม่ต้องตายก็ไม่ตายความจริงดูดูความจริงรการมันจะมันมีวันตายไหมค่ะพระอาจารย์อ่าในเวลาอ่ทําบุญเหนียเรารู้สึกเฉยเฉยอย่าค่ะพระอาจารย์ว่าจะไม่ได้ทำบุญแบบชนิดที่เราชอบไง เรื่องทำบุญที่เราชอบเนี่ยแล้วเรามีความสุขมากกว่าเราชอบช่วยเหลือคนแก่ก็ไปทำบุญกับคนแก่ด้วยทํำเราเห็นคนแก่ได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเราทําบุญตามประเพณีเขาบอกอาให้ทําบุญกับกับสร้างนุ่นสร้างนี่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสร้างไปทําไมทําไปแล้วมันไม่รู้จะเกิดประโยชน์อะไรบางทีมันก็รู้สึกเฉยๆเลยต้องดูผลกระทบที่จะได้จากการทําบุญของเรา ทําให้สิ่ง น, นั้นดีขึ้นสิ่ง น, นี้ดีขึ้นเช่นสมมุติว่าวันนี้เอไฟดับไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วก็ไม่จ่ายจ่ายค่าไฟให้ ว, วัดก็มีไฟกลับมาใช้เราก็จะมีความรู้สร็จมีความสุขเมือเราเห็นผลจากการทำบุญของเราดนั้นเลือกทําบุญที่เราเห็นผลเราจะทําให้เรามีความสุข เ okay. คนก็ชอบไปถ่ายชีวิตวัวควายเพาเห็นว่าวัวควายตัวนี้จะได้ไม่ทำถูกเขาฆ่าจะได้มีสารภาพอยู่ต่อไปได้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาขอคุอาจารย์มันเกี่ยวไหมกับเวลาเรานั่งแล้วแบบว่าเรารู้สึกเฉยๆกับอะไรอย่างเงี้ย อ, อ๋อนะเวลานั่งมันก็เฉยๆเพราะมันมีเบทขาแต่มันไม่เฉยเมยเพราะยัมั น, ม, น, ม, นมันมีเมตตากรุณาด้วยถ้า ถึงเวลาที่ต้องช่วยใครก็ยินดีที่จะช่วยถึงเวลาที่จะต้องพบกับใครก็ยินดีที่จะทักทายเขาไม่ใช่เฉยไปตลอดพระอาจารย์แต่มันเฉยในกรณีที่ทําอะไรไม่ได้มันก็เฉยช่วยเขาไม่ได้กนะ็ต้องเฉยไม่มีรแล้วพระอาจารย์โอเคนะถ้าเฉยเฉยแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ช่วยใครไม่สนใจใครเลยนี่เร่องเฉยเมย ใช่คลับการวางบริวณาที่มันพร้อมที่จะให้ความเมตตากรุณามุมตตากับผู้อื่นด้วยนะค่ะเวลาใส่บาตรเนี้ยครับอาจารย์เหมือนรู้สึกแบบเหมือนเฉยๆอะครับไม่รู้สึกอะไรอยเงี้ยอาจจะเพราะว่าเห็นว่าพระมียะมีข้าวเยอะลอใไปไปกระทำนั้นก็เลยเหมือนก็เลยรู้สึกเฉยๆลองไปหาพระที่ไม่มีข้าวนี่ไม่มีคนไปใส่บาตรดูไม่มีวัดคนใส่บาตรดูวัดอุทานขาดแคลนดู เราก็ลองไปทําที่นั่นดูแล้วก็จะเห็นว่ า, ราพระก็ได้กินอาหารของเราแล้วก็เจะมีความรู้สึกสุขใจขนาด<ะ>ก็เราได้เห็นของที่เราให้ไปเกิดประโยชน์เไงแต่เราให้มปแล้วก<ะ>อาเดินเทินเทิร์เนี<ะ>้ยไม่รู้ใครเอาไปใช้อะไรหรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกเฉยๆขึ้นเลยในบางทีก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีการพิจารณาว่าว่าควรไม่ควรควรจะทะําที่ไหนบ่างไหม ควรพิจารณาไปด้วยใช่ไหมคบว่าใช่ <วะ S 2> ใช้ปัญญาใช่ดูเหตุผลเอทําแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ถ้ามันเกิดประโยชน์เนีมันร่นหลามก็มไปทําที่มันขาดแคลนบ้างก็ได้เพราะคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระนี้ไม่ดีก็ต้องกินเหมือกั น, น, นใช่ไห้ค่ะบางที่เราเลือกไปทางออกพาะดีแต่คนไปทํามันเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันนี้ป็นทระไม่ค่อยดีนี้ไม่กล้าคนไปทํานี้ทํา ก็การปฏิบัติก็งดอ่อทานข้าวมื้อเดียวแล้วก็นั่งสมาธิประจำาะคาอาจารย์ก็ทำสามอย่างทำทานรักษาศีลภาวนาะแล้วก็พิจารณาทางปัญญามาล่างกายเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้นะคิดไปก่อนอย่าลืมข้อนี้ปัญญาข้อนี้มันเอาแค่นิดเดียวก็พอเอาเรื่องล่างกายก่อน หลอนใจเตือนใจว่าต้องแอก่ต้องเจ็บต้องตายนะมีการท้งทางจากกันหน้าและเวลาไม่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่ทุกข์มากหรือไม่ทุกข์เลยก็ได้โอเคนะค่ะพระอาจารย์ยังไงตอนนี้ได้ข่าวาทางลาก็ร ะ, ะบาดอีกเนอเออก็มีบ้างคับพระอาจารย์แล้วก็มียา ม, มียาฉีดไหม หนูฉีดไปแล้วเออ่ของแอสตาสิเมกาคร่ะของของทางรัฐบาลนะมาฉีดให้เลยคพระอาจารย์เป็นพยาบาลเหรอแรกนะครับหนูทางานเป็พยาบาลนะไม่ไงไม่ค่ะพระอาจารย์ก็คือของของรัฐเขาฉีดให้ฟรีอะค่ะ อ, ะอาจารย์เขามีอัลตาให้ฉีดนะค่ะพระอาจารย์มีาการอะไรไหมอือก็เหมือนแบบ ตัวแห้งๆครับอาจารย์เหมือนเป็นฉีดใหม่ๆนี่เละไม่ฉีดใหม่ๆก็มีไข้มีขึ้นมีปวดแขนแขนที่ฉีดปวดครับอาจารย์เหมือนหัวใจมันเต้นแรงแบบเต้นแรงมากเป็นนานไหก็เป็นได้ฉีดครั้งแรกแบบว่ า, าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เหมือนหัวใจมันเต้นแรง เวลาเดินนิดหนึ่งก็เหนื่อยนะคอาจารย์แล้วหลังจะได้กัก็กลับมาเป็นปกติเนาะจากอาทิตย์หนึ่งมาใช่ก็ปกติครัพระอาจารย์แต่นนก็ยังนนมีแบบนิดหนึ่งที่แบบว่าเหมือนหัวใจก็ยังเต้นเหมือนอันนี้ก็รอรอฉีดรอฉีดเข็มที่สองค่ะพระอาจารย์ อ, อ่าสมควรฉีดไหมครับอาจารย์เออคำถามมาแล้วไม่ได้เป็น <laughs> คนก็ฉีดเข็มแรกแล้วทำไมเข็มยังมันก็มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นไงในกลุ่มของรอยเปอร์เซ็นเข็มเข็มแรกเหมือนหัวใจมันเต้นแรกค่ะอาจารย์ก็เลยแบบก็มันก็ผ่านมาได้ไม่ใช่ผ่านม่ได้เข็มที่สางมันก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยนแสดงว่าร่างกายรับได้ค่ะพระอาจารย์ถ้าเป็นเราเราก็ฉีด ถ้าเขาให้ฉีก็ฉีดถ้าไม่มีฉีดก็ไม่ฉีดได้นั้นโอเคนะสาธุคพระบาารใครต่อคุณพัทลาพรบัวสุขจากสเปอนอเมซา่าอเมซ่าเป็นยังไงเมื่อกี้ั้นิวไมโครโฟนก่อนอยู่กลางโครงการ งานมาส ก, การครับมางไงเรียวกลับบ้านแล้วเหรอเรียนเสร็จแล้วไหนวันนี้ครับผ ม, มเป็นไงพี่นักวิสาขามีอะไรทำพิเศษไหมวันวิสาข า, ไ ม, มาไม่มีครับวันนี้คุณแม่ก็ปฏิบัติทำทั้งวันริวก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนครับเออนนมีอะไรจะถามไหมไม่มีครับ กลับมาสักการจะค่ะหลวงพ่อลูกมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งคำถามที่จะเรียนหลวงพ่อนะคะอ่าวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลวงพ่อลูกเจอข้อสอบใหญ่เจ้าคะ่ะอ่าเจอข้อสอบใหญ่ที่ลูกเรียนว่าอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่ที่สามีเขาเขาอัปแซดเรื่องแมวของเขาแล้วเมื่อวันจันทร์เนี่ยคะ่ะนกยูงของลูกกระสักค่ะเขามีอุบัติเหตุ อ่าลูกก็แต่คือลูลรู้สึกว่าอุเบกขาก็ก็คือลูกแบบคือเหมือนมีน้ำตาแต่ว่าหัวใจอะใจลูกไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทุกนะคะแต่ว่าลูกแบบสงสารเขาแล้วน้ำตามันไหลนะเจ้าค่ะว่าที่แบบเรากำลังจะช่วยเหลือเขากันนะเจ้าค่ะพอดีเมื่อวันอาทิตย์มันมีพายุแล้วเขา เขาบินไปเวลาที่จะมีพายุเขาบางทีเขาจะบินบินหลบไปคืนหนึ่งสองคืนแล้วกลับมาแล้วมันมีถุงพลาสติกอะค่ะรัดคอคอกับแขนเขาตอนนี้เขาบินไม่ได้มื่อกี้เดินอยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาบินไม่ได้แล้วเ ร, เราก็พยายามที่จะจับแล้วที่จะตัดถุงพลาสติกที่รัดตรงคอกันตรงนี้เขาแล้วมันก็จับไม่ได้อะไรอย่างนี้เจ้ค่ะเรารู้ ก, ก็แบบคือน้ําตาไหลคือสองสารเขาแต่ ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องใช้อุบเบกขาไม่ตาแล้วมันช่วยไม่ไม่ตาการุณาแล้วช่วยก็ไม่ได้ก็ต้องใช้อุบเบกขาเราจะได้ไม่ต้อไปทุกข์กับเขาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ลูกก็รู้สึกว่าอืมหัวใจลูกก็ดูใจตัวเองนะเจ้าค่ะดูใจตัวเองว่าเรา เ, ออเราไม่ได้ทุกข์กับเขาแต่ว่า แต่น้ำตาลูกมันไหลนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันก็ยังมันก็ยังเศร้ากว่เขาไม่ทุกข์กว่าเราถือถือว่ า, ถ, วาถือว่าลูกยังไม่ผ่านใช่ไหมเจ้าค่ะยังไม่ผ่านแล้วต้องไม่มีอาการอะไรรู้สึกเฉยๆเป็นกรรมขงศาตร์ไปที่ว่าเป็นกรรมของใครของใครของมันไปเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเง้าคลูกก็เลวลาสอนคนอื่นง่ายนะสอนสามีง่ายนะ พอมาสอนตัวเราขึ้นมาเจ้าค่ะหลวงพ่อนี่แบบว่าลูกบอกว่านี่ข้อสอบลูกมาเร็วมากเลยเจ้าค่ะลูกแบบรู้สึกแบบกลับหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกแบบลูกแบบว่าโอ้ยข้อสอบนี้มาเร็วกับลูกดีมากเลยเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็คือต้องต้องพิจารณาใช่แล้วอยู่เนี่ยใช่แล้วต้องมีการคาดคาดจากการเป็นธรรมดาจากท่าหลวงพ่อ ถ้ามีการเจ็บไข้ในตัวเป็นธรรมดานะเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคไปที่ท่านต่อไปคุณผู้ขาผู้ขามามาเลยผู้ขาลูกสระกาศค่ะเราครบทีมไหมครับค่ะครบทีมนะทุกคนสบายดีนะสบายดีค่ะ เตรียัวจะไปตรงนี้กันหรยังออนไลน์อยู่บ้านค่ะออนไลน์อยู่แล้ว่าอะไรวันนีมีคำถามไหมวันนี้ครับวันนี้ถืออุโบสศีลอยู่บ้านกันค่ะอ่าเียนทีที่บ้านห่าียนเดม ว, น, วนนั่งสมาธิค่ะวันนี้มีคาถามตอจากขั้นที่แล้วลขข่าสุดครับว่าว่าพยายาม อยู่แล้วทําะไรต่อครับพยายามอะไรนะพยายามอยู่ให้อยู่กับเอพุดโทให้นานที่สุดแล้วยังไงต่อครับก็ทํำไปอย่าหยุดเสียอย่าหยุดทาไปเรื่อยๆอยู่กับพูดโธรเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยเข้าใจไหมได้ยินหรือเปล่ามีการัญญาสัญญาณหายสัญญาหายแต่ เรได้เห็นแล้วพยายามทําไปเรื่อยๆอย่าหยุดหยุดเฉพาะเวลาที่เราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อเวลาไม่ต้องคิดอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอยเรื่อยๆไม่ใช่แต่าทาแต่เฉพาะเวลานั่งไหวพระสวมดมนตะ์ทำทั้งทั้งวันทั้งคืนไหนเวลาไหนเวลาไหนนึกถึงพุโทโธได้ก็พุโทโธพุโทโธไปเข้าใจไหม ใหญมักจะลืมมากกว่าเอานั่นแหละต้องคอยสะกิดใจเรืเ่อยเขียนพุโทโธไว้ที่มือก็น่าแล้วเราดูแล้วก็คอยดูฝ่ามือ เ, เรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุทโธอยู่หรือเปล่าพุโทโธอยู่หรือเปล่าอถ้าทำพุโทโธได้เรื่อยๆจะมีสติดีเรียนหนังสือจะจะจะเรียนลุ้งเรื่ อ, องนล้วจะสอบได้คะแนน ด, ดีสอบได้คะแนน ด, ดีแต่ว่าผิดห้อง ผิดหวังเรื่องห้องค่ระรับอาจารย์กคะแนนไม่ดีมันก็ผิดหวังเรื่องห้องเหรอคะคือเขาเคละจากที่ควรอยู่ห้องสิบเอดสิบสองไปอยู่ห้องสิบห้าร้องบวยคร่ะก็นแบบั่นแหละว่าคะแนนเราไม่ดีถ้าคะแนน ด, ดีก็ไปอยู่ที่หนึ่งที่สองคืเขาจะเคละกันเด็กเรียนเก่งกับเรียนไม่เก่งเขาจะเคละกันค่ะรับจริงทุกคนอยู่เรใน ข้อมันเก่งแต่ว่าอยู่ห้องไม่เก่งก็ไม่เป็นไรเขาเก่งเราเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งงั้นแหละใช่ไหมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกไปอยู่กับคนเก่งเขาไม่เก่งแล้วเิด่าเราจะเก่งเหมือนเขาเก่งตามก็ได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกมันเก่งก็มีของข้างในที่เราไม่มีเขามีสติเขามีปัญญาดีกว่าเราถ้าเราอยากจะเก่งก็ฝึกสติฝดพูดโทไปเรื่อยๆดีค่ะันไม่มีไห พอใจไหมครับครับครับแล้วถ้าไม่ได้อะไรก็เปลี่ยนใจถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้อย่างนั้นก็เปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่เราได้แล้วเราจะได้ไม่เสียใจคุณตาอยากพอได้ยินคุณโยให้ <laughs> ยินดีตามมีตามเกิดอยากได้ห้องสิบแต่มันได้ห้องสิบมากก็ดีอ้าเจ็บก็ดีสิบห้าก็ดีคิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่เสียใจ <laughs> ไม่ได้ยึดติดเลยใช่นะอย่าไปยึดติดอยากต้องได้สิ่ง น, นั้นต้องได้สิ่ง น, นี้อย่างนี้จะทําให้เราเสียใจทำให้เราทุกข์ใจเวลาเราไม่ได้เราคิดว่าเอาทั้งนั้นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ได้ค่ายสอตัวเราก็ได้ดีกว่าไม่ได้กำลังรูปฮึม การท์ า, านโยมมีคำถามนะะอยากปรึกษามันรู้สึกเหมือนค้างคาใจมานานค่ะคือโยมทำทาลูกด้วยวิธี IVF เด็กบบกแก้วค่ะแล้วทีนี้โยมมีไข่ทีป่ประสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตัวอ่อนที่เป็นขั้นบารแล้วสมบูรณ์แล้วค่ะยังมีค้างอยู่ที่ฝากอยู่ที่โรงพยาบาลโยมโยมอยากทราบว่าถ้าหากโยม ทําายทิ้งยงจะบาดนีมคะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมันก็บาดะเพราะมันยังมันยังยังสามารถที่จะมาเป็นทารกมันยังเป็นท่อออกมาได้นะคบคือเราฟิตช่องแข็งฟิชแช่แข็งไปแล้วก็ถ้าละลายมามันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบต้องเอาไปไว้ในท้องแล้วก็ถึงจะอาจจะท้องหรืออาจจะไม่ ก็ยังถือว่ามันก็ยังเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะถ้างั้นก็คือไม่ควรทําลายทิ้งใช่ไหมคะก็อยู่เฉยๆไปปล่อยให้เขาทาลายคนหนึ่งใครก็อยากจะทําลายก็ปล่อยให้เขาลายไปแต่เขาไม่มีที่เก็บและไม่มีเงินจ่ายเขาก็ก็จะทําลายก็เรื่องของเขาไปเแต่เราไม่ต้องไปสั่งเขายัได้ยินเสียงเราอยู่กับวันี้ยดยินค่ะได้ยินครับ แล้วแล้วอีกคำถามนะะึงค่ะสมมุติว่าคือหลวงการจะขับสมมตินะคะคือถ้าเราเอาไปฝากคนอื่นท้องอุ้มบุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วเออมันก็มีโอกาสท้องกับไม่ท้องห้าสิอร์เซแล้วทีนี้เนี่ยยมไม่รู้ว่ายมเข้าใจผิดหรือถูกคือยมเข้าใจว่าการเกิดมันทุกขรมนานใช่ไหมคะ แล้วถ้าเกิดเรามีลูกเพิ่มอีกมันก็จะเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับคนที่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนโยมก็เลยคิดว่ามันไม่โยมไม่ถึงควรทําให้เขาเกิดมาแล้วอย่างนั้นนะคะแล้วเราทําไปแล้วเนี่ยจะ ท, ทำยังไงถ้าไม่ทำํำก็ต้องไม่ทำํำตั้งแต่ต้นไม่ต้องไปประสมเทียมตั้งแต่ต้นเราผสมเทียแ ม, สมยแสดงว่าเราทําให้เขาเกิดแล้ว ยังมีไม่ยังไม่ได้อยู่ในร้อมก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชุดแล้วใช่เพราะว่าถ้าก็ยัง<ๆ>เขายังเงจริญเติบโตได้อยู่ใช่ไหมก็แสดงว่าก็ก็ เ, เป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วเพียงแต่ว่าเราเราไปแช่แข็งไว้ไปไปหยุดไปหยุดการเจริญเติบโตไว้ชั่วคราวเท่านั้นเพอเขาอยู่ในสภาพที่เขาพร้อมจะเจะริญเติบโตได้ดเขาก็จะเจริญเติบโตต่อไปอค่ะคเย็นชาแล้วค่ะเย็น้า ถ้าเราไม่มีความจาเป็นที่จะเราไปทําลายเขาก็ปล่อยไปงั้นไปเดี๋ถ้าเขาอยากจะขอขออนุญาตเราไปใช้ให้กับคนที่เขาไม่มีลูกก็ให้ยกให้เขาไปก็ได้ต้องเป็นการทําบุญทําทานไปแต่อย่าไปสานเราให้ทําลายนะว่าเป็นการฆ่าเจ้ค่ะสาธุค่ะสบายไห<ป>มใส่แค่ไปอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แค่ไปถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเอามา เอามาเนี้ยงออาให้มาเกิดก็แช่แข็งเงียมไปก่อน่อนัคิดอย่างนี้ค่ะคือยมเข้าใจว่าถ้าเรามีลูกเพิ่มมันเหมือนเป็นการเกิดคือความทุกข์ถ้าเราใช่แต่เราไปทำมาแล้วเนี่ยทำไปตอน ต, ต้นก่อนจะทำนั้นกไม่คิดอย่างนี้ละตอนนั้นยังตอนนั้นยังเป็นวัวใต้ตมอยู่ค่ะ นั่นเป็นถ้าตอเป็นรู้ความจีิงแล้วแต่มันทําไปแล้วก็ต้องรู้ว่ามันมันบาแล้วก็ต้องอยากไปทําันใช่ไหมหรือโยมควรจะลองแบบให้เขาท้องห้าสิบห้าสิบไปเลยอย่างเงี้ยติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดไปอย่างนั้นหรือว่าเอาคือเราอยากคือเราเราต้องการให้เขามามีโอกาสที่จะเกิดแล้วไม่เกิดใช่ไหม คือให้วัดไปเลยว่าถ้าเขามีบุญก็คือให้เขามาสร้างบารมีถ้าไม่มีก็คือไม่กิก็ดีก็ดีก็ดีคือยาเข้ามาในท่ามเราใช่ไหมท้องคนอื่นค่ะเราต้องเข้าเลยนะก็มีคนยินดีเอาไปเลี้ยงก็ให้เข้าไปขยงให้เข้าไปก็ได้เพราะมีมีศาลมีภรรยาที่เขไม่สามารถเปดนลูกของเข้าเองได้เขาอาจจะมาขอก็ได้ก็ให้เข้าไป ด้าวสวยก็จะติดไม่ติดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาปของเขาก็แล้วกันเขาจะไม่ทอดทิ้งเขาใช่ไหมคะเราไม่บาปใช่ไหมคะไม่หรอกก็เราไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเขาก็ให้คนเหลือมาเลี้ยงแทนเรา เ, เพราะแม่บางคนนี่เนี่ยมีมีครอบครัวครอบครัวอย่างนี้ตั้งท้องอยู่แล้วเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงก็จะไปเอาออก นี่เพื่อบ้านก็บอกขอแล้วให้เก็บเอาไว้เถอะแล้วพอออกมาแล้วเขาจะรับเป็นคนเลี้ยงดูแทนอ่าก็ค่ะขอบคุณคะสุแต่โยมเกืกอบไปให้หมอทำลายทิ้งแล้วอ่อย่าอย่ า, อ ย, าอย่าทำอย่าทำดีกว่านอกจากเขาจะทว่าห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเาทำไปโยมเข้าใจว่าถ้าไม่มีดวงจิตยั ง, ย, งยังไม่อยู่ในท้องก็ยังไม่มีดวงจิตก็คือไม่บาปนี่นะโยมเข้าใจแบบนั้นมันน่าจะมีนะถ้ามั น, ถ, มนถ้ามันไม่มีมันก็จะ ไม่สามารถที่จะไปจะเจริญเติบโตได้นะคะดวงวิ ญ, ญญาณก็เลยเติดอยู่ไว้แช่แข็งนั่นไปก่อนตอ <laughs> <laughs> <laughs> นนี้เป็นน้ําแข็งอยู่ค่ะเรืเ่องอาจจะถ้ามันรอนานเบื่อมันอาจจะทิ้งไปก็ได้แล้วก็ถ้าทิ้ไปไอ้ตัวนั้นก็จะไม่เกิดนะเอาไปเข้าทองไม่เกิดพอาดวงวิ ญ, ญญาณมันทิ้งไปละนะคะดวงวิญญาณที่ แต่ถ้าดงวิญญาณยังเกาะอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้อันนี้เราก็ไม่รู้รายละเอียดมากนะพูดตามตามหลักทุ่ๆไปที่เราเข้าใจนะค่ะค่ะแชรข่อบคุณค่ะทุกคนสบายนะค่ะกดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะค่ะค่ะโควิด เดอนกันอาทิตย์หน้าแลเจอเป็นมาอาทิตย์หน้าตาว่าจะเอาใส่บานะคะเมื่อสองครั้งก็ได้รับพี่พี่ลาขอบคุณพี่ลาที่ได้รับยูทูคุณเจ้คุณเอเขาก็บอกว่ามีบ้านหนึ่งเ็าบอกว่าภูผามครอบครัวภูผาสฝากใส่บาสใช่ไหมใช่ค่ะฝากไปพี่ดีใจในงารที่เขาทำขดข้าวไายเ็าบอกว่า นี่ของทูพานะของครอบรัวทูพา <c oughs> โอเคนะสาธุ่นะไปก่อนอนะเพราะว่ายาวแล้วนี่เดี๋ยวจะสจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยสี่ทุ่มึ้นล้ะยังไม่หมดเลย ไ, <อ>เไปะนะสาธทุ่นะสาธทุ่มคุณฟ้าต่อเลยคุณฟ้าเชิญคุณฟ้าอยู่ที่อเมริกาอืมาหลวงพ่อ แคลิฟอร์เนียตอนไหนค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมา ก, กับมนาสการหลวงพ่อค่ะแล้วก็รอดปฏิบัติตลอดค่ะแล้วก็มีการทดสอบเพราะว่าตั้งแต่ออกจากกรรมาฐานที่วัดมเหิยงก็ปฏิบัติเรื่อยๆมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มันเหมือนกับมันเข้าไปอีกอีกอีกระดับหนึ่งเลยค่ะหลวงพอ่อแล้วรู้สึกว่า ล่าสุดก็คือเมื่อวานวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยค่ะมีบททดสอบใหญ่คือหนูไม่สบายอยู่แล้วเป็นเป็นระบบภูมิภูมิคุ้มกันบกพ้่องอะคะ่ะคือต้องฉีดยาเข้าตัวเองทุกวันองนนะะังคารเนี้ยฮะแล้วสุขภาพมันแย่ลงการกลืนคออะไรอย่างนี้มันจะลดลำบากให้หนูกินยาแก้ชักด้วย หมอเขาให้มาใหญ่มากแล้วคืนเขาไปปุ๊บนี่ขนาดตัดครึ่งเลฮะคือคืนเขาไปปุ๊บมาติดคอเลยหลวงพ่อแต่เต่รู้อาการทุกอย่างแล้วคือเราเรียนพยาบาลเนี่ยเราจะช่วยคน C P R ได้ตลอดแค่นี้หนูก็จัดการเลยฮะจัดการดึงคอแล้วก็กดกดกดเพราะเรารู้ระบบร่างกายเองเนี้ยฮะเพื่อนที่ขับรถเขาก็เรียน C P R เหมือนกัน คือมันลงเข้าไปได้แต่ความรู้สึกจิตเนี่ยวางอุเบกขาแล้วแล้วสติสัมปชัญญะที่ที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเข้ามาเลยแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราก็เพื่อนนี่ตกใจแต่เราไม่ตกใจแล้วเราก็ผ่านไปได้คือไม่ไม่ตายแต่ความตายมันเป็นธรรมดาเราไม่รู้วันตายก็ไม่ไม่ตระหนกไม่ตื่นกลัวรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ วันอังคารก็คือสุดเมื่อวานนี้คือสุดสุดมากก็ดูอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็อ่านปฏิปทาของหลวงตารู้สึกเป็นกําลังใจให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็ดีพยายามรักษาใจเรายิ่งกว่ารักษาอย่างอื่นยังอื่นรักษาไปได้น่างกายมันรักษาอย่างไงในที่สุดก็ต้องก็ต้องตายไปยใจเราไม่มีวันตายพยายรักษาให้มันสงบให้มันไม่ทุกกับอะไร แล้วเราจะสบายค่ะปัจจัยนะค่ะตอนี้ชาวเราสั้นๆหน่อยะเพราคนอ๋อแน่นแน่นอนฮะเยอะแล้ว่ะดูยังมาสายเลยคนตะเดือนคนละจีบมันจีบจากแมริ่แลนด์แมริแลนด์จิบก่รสักการค่ะพระอาจารย์ไดฝากคนละทาบุญทร้บากไม่ทราบจำไม่ได้นะ ฝากไปเมื่อต้นต้นกำ ต, ต้นเดือนมาต้นเดือนอโอเคเริไ่ไปเริม่มบอกค่ะไม่เป็นไรนค่ะพี่คุณค่ะบอกผู้ที่มาสาธุค่ะี่ขอโทษถ้าเสียงหายหลวงพาอาจาันค่ะโยมมีคําถามค่ะคือว่าคือช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าทําไมพอตั้งใจถือสีห้าแบบถือได้มาตลอดนะคะแล้วก็จะมีหนูเข้ามาในบ้านเอีกอก็เป็นเรื่องของมันน่ะไม่ใช่เรื่องของเราแล้ ว, ลวก็รักษาสีของเราไป มันก็หากลับกลับดักมารอดดักมันแล้วก็ไปปล่อยที่อยู่คำถามโยมคือว่าโยมมากับดักเป็นแบบที่ทาเขาไม่ตายนะคะคือดักมาเป็นได้กได้แล้วก็ไปปล่อยอย่างนี้ถือว่าเราเอาไปภาลูกพ่อแม่ครอบครัวเรากันเราไม่พากันเรไม่รู้เขามีลูกหรือมีครอบครัวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้โยมก็เลยวางใจว่าอโอเคคุณเลือกที่จะเข้ามาหาเราเองนะ่เราเป็น เราก็เชิญเออกไปท่นานเองค่ะเดี๋ยวเขา ก, กลับไปถ้าเขามีสาาัตว์พวกนี้เขาไม่มีครอบครัวหรอกส่วนใหญ่ก็ตัวใครตัวมันลำด า, สานสัตว์นอกจากช่วงช่วงแรกๆตอนที่ยังเป็นตัวแรกอยู่แม่มันก็จะล่าจะห่วงอยู่สักพักหนึ่งเดี๋ยวต่อไปมันก็แยากกันไปแล้วปรนละทีกาา่ก็ละทางอ่าแล้วช่วงนี้ค่ะมันมีจักระจันเยอะมากเลยค่ะแถวบ้านโยมคือมันจะขึ้นมาทุกสิบปดปีอะค่ะ ผันเนี้ยค่ะก็ให้รู้เฉยๆมันมาเข้ามามันห้างไม่ได้ก็มันอยู่ไปลดลงบางที่เราไม่แน่ใจว่าเราเหยียบไปบ้างหรือเปล่าอะไรก็เราไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปไม่บาปใช่ไหมค่ะไม่บาปอ่าแล้วที่มีไอ้คำถามนะคะช่วงเนี้ยวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วยมก็ไปตรวจอ่าช่องหมายถึงว่าสุขภาพผู้หญิงนะคะก็ปรากฏว่ามันจะต้องทําการผ่าตัดเพราะว่ามันจะมีเซลล์ที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ย ก็ททไไปโยมก็มองตัวเองเรากลัวตายหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กลัวตายแต่ก็ยังไม่อยากตายเพราะว่าอยากปฏิบัติตามมากๆวันนี้นั่นแหละมันก็กลัวตายนั่นแหละมันได้อ้างว่าอยากปฏิบัติพออยู่จริงๆมันก็ไม่ได้ปฏิบัติเท่าไหร่อันนี้มันคือคําคําอ้างมันไม่ได้อยากอันก็ยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมนั่นแหละมันกลัวตายก็แสดงว่ามันยังอยากอยู่มันยังไม่อยากตาย อ๋องั้นใช่โยมก็ยังไม่ผ่านทดสอบอันนี้โยมคิดว่าโยมก็นิดนึงแล้วแสดงว่ายังไม่ไม่มีข้ออ้างความจริงมันไม่มีข้ออ้างความตายมันไม่มีข้ออ้างจริงถึงเวลาเราอยาตายไม่มีใครมาห้ามมันได้ค่ะก็คือรักษาอะไรที่เรารักษาได้แล้วก็รักษาไปตามอาการใช่รักษาไ<ล><ร>ารัเราไปรัชษาโชว์โชไปเพราะว่าอย่างดูจากคุณเวลาตายก็คิดว่าถูกวัตตรีแล้วกันถูกแจ็กว่อนแล้วถึงเวลาถูกรางวัลนะ ไปขึ้นรา<ำ>งวัลไปขึ้นรางวัลไปรับผลบุญ ผ, ผลบาปต่อไปถ้าทําบุญก็ได้รางวัลที่หนึ่งถ้าทำบาปว่าไปใช้ในต่อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรโยมก็เลยเระวังเรื่องความฝันมากเลยก็เอามาพิจารณาเหมือนกันเอ๊ะเมื่อคืนเราฝันอะไรเราฝันหรือเปล่าเราไม่ฝันหรือเราฝานันก็เลยเอยเหมือนที่พ่อจามบอกว่าถ้าเราฝันดีก็แปลว่าเราจิตเป็นกุศลแล้วโยมก็เลยเออไปไม่นอ้อบางทีมันจําไม่ได้ก็เลยช่างไป ท่านนี้นหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ค, ะ ค, ค่ะขอบคุณค่ะขอพระอาจารย์ศภักแข็งแรงนะคะสาธุจะคุณยศศทธย์เชิญคุณยศศิษ์ตาคุณยศศิษได้ยินไหม อ, อยู่ที่ไหนครัอบพอาจารย์อยู่บางแสนครับาาอบาจาร ย, ย์อค ร, อรเข้ามาแล้วเห็นไหมครับผมอาทิตก่อนเข้ามาแล้วครับอาจารย์ให้อุบายไปคืออาทิตก่อนมีความพุ่งซ่านมีความเครียดแล้วก็อะไรเยอะมากแต่พอได้ได้ตัวอุบายไปบ้าง ให้พูดโธอยู่ตลอดเวลาครับมันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับผมแล้วก็ดีครับผมแต่ว่าคือผมผมรู้สึกว่าชีวิตมันเจอแต่ความทุกข์ผมอยากอยากข้ามจุดนี้ไปให้ได้นะครับถ้าเราต้องต้องทํายังไงต่ออาจารย์ก็อย่ามาเกิดนะในบวชนะในบวชในปฏิบัติธรรมตัดกิเลสให้หมดก็จะได้ไม่กลับมาเกิดทุกข์ก็จะไม่มีต่อไปได้ยินไห ได้ยินครับอาจารย์ถ้าอย่าพ้นทุกข์ก็อย่ากลับมาเกิดทุกข์ย่อไม่มีแากทุกขไม่เกิดเท่านั้นแต่ได้ได้ยังมาเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดด้วยเกิดใหญ่เกิดโตมันก็ยังต้องเจอความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหมือนกันงั้นตอนนี้ถ้าเจอก็ต้องทำใจแล้วมันจะได้ไม่ทุกข์ยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายยอมรับกับความทุกข์ยากลําบากต่างๆที่มันอาจจะมากระทบกับชีวิตของเรา ก็ให้ใจเราเฉยๆใช้พูดโทนเฉยๆไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันอาจารย์นะพยายามฝึกสติให้มากๆฝึกสติฝึกนั่งสมาธิแล้วเวลาเจอความทุกข์ยากลําบากต่างๆใจเราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้นะครับอาจารย์อาจารนี่ก่อนนะถ้าไม่มีอะไรครับอาจารย์ขอับครับขยัต่อนะ คนเอ๋นะเอ๋มันเค่ะนะทักทายอยู่ที่ไหนหลงพ่อลืมหนูอีกแล้วค่ะเมื่อเช้ายังเจอกันเลยใช่บ่ายเมื่อเช้านี้คค่ะอยู่สัตหีบขาแยกเจค่ะเอที่ว่าสูญเสียแม่ไปแลนะสูญเสียพ่อค่ะอันนี้ทําใจแล้วแล้วนะค่ะหนูไม่ได้ทานยาซึมเศร้ามามาได้เป็นเดือนแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วทำใจถ้าอยากก็ไม่ต้องไปกินยา ค่ะแล้วก็หมามันสิบห้าปีกว่าแล้วมันเพิ่งตายอ่ะค่ะหนูก็ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากอะค่ะไม่ได้ร้องอะไรเหมือนกับที่เสียพ่อเหมือนเหมือนเราปฏิบัต<ๆ>ิธรรมแล้วมันดีขึ้นค่ะหลวงพ่อแต่แต่หนูนี้เรื่องจะกับเปลี่ยนถามหลวงพ่อค่ะอย่างบางคอย่างหนูอยากความหวังของหนูคือหนูอยากได้โสดาบันเจ้าค่ะหนูไม่อยากมีภพชาติชร า, ามรณะอีกแล้วอย่างมากก็เจ็ดชาติที่เกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาหนูไม่อยากลงไปพวกเปรตสันนิชย์ในพวกเนี้ยค่ะแล้ว บางท่านเขาบอกว่าการที่สมทุหนูไปใส่บาตรกับหลวงพ่ออย่างเงี้ยเจ้าขาดแล้วหนูอุทิศบุญให้กับให้กับพ่อหนูมันยังถือว่าหนูยังไม่ได้สิ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งที่ว่ายังหนูยังรักใครยังผูกพันอยู่กับบิดาซึ่งตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจริงๆเหมือนให้หนูวางจิตวางจิตแค่ให้ให้เป็นทานเฉยๆโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรแล้วก็การอุทิศบุญมันได้ผลน้อยมาก มันได้แผ่เมตตายังได้บุญมากกว่าแต่วท่านหนูยังห่วงเรื่องพ่ออย่างเงี้ยหนูจะยังเหมือนยังรักใครผูกพันนะคะหลวงพ่อหนูจะไม่สามารถละสาโยอดข้อที่หนึ่งได้ไม่จริงหรอกรักคนอื่นได้แต่รักแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดไยถึงเวลาจากก็ปล่อยให้มัจากกันไปแต่เวลาอยู่กันแล้วคิดถึงกันก็สามารถที่จะอมีความรับต่อกันได้ไม่เป็นไรอาจาใจไหมแต่เราจะไปทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจากออกไปทั้งนี้ แต่หนูก็สามารถจะอุทิศบุญให้กับเขาได้เป็นปกติซึ่งเป็นหน้าที่ของบุตรใช่ไหมคะหลวงตาใช่ถูกต้องมันนี้เป็นเรื่องอุทิกบุญไม่ได้มาเขาว่าเราจะไปเป็นสังโยชน์ละไม่ได้ลาสังโยชน์ไม่เกี่ยวก<ม>ันหลวงตามหาบุตท่านยังทําบุญให้กับแม่ท่านเลยค่ะใช่ไหมทุกทุกปีวันท่านทาบุญใหญ่วันที่วันที่แม่ท่านจากจากโลกนี้ไปท่านก็จัดเป็นงานเปิดเล่ากระทาญาติโยมพี่น้องก็มาร่วมทําบุญกับท่านยะแยะไปห การทำบุญนี่เป็นการให้อาหารกับจิตใจทั้งของเราและของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วทำได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรักสัมยศหรือไม่รักสัมยศนะตอนนั้นเาไม่เข้าใจ <c oughs> อย่างนี้น <c oughs> คนรักสัมย์แล้วก็ทำบุญไม่ได้แล้วสิเหมือนกับว่าให้ทำให้ทานให้ทักทีนาตามปกติแต่ว่าไม่ให้หนูหวังอะไรให้หนูตั้งจิตให้ตั้งจิตเป็นละความตาหนีธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องไปยึดมั่น รักใคร่ผูกพันกับผู้ที่เสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ล่างได้เขาเสียเวลาร่างได้น่ยอย่าไปทุกข์นะเองอาจารย์ไม่อย่าอย่าไปทุกข์กับเขาเลยเหมือนกับคนร่างก็เหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักะแล้วทุกข์กับคนที่เราไม่รู้จักรูป้ปะไม่คอยไ ม, ไม่ไม่ค่อยุกูค่ะก็นั่นนะ่ะก็เพราเราไม่ไปยืนป่นไปติดกับเขาไงใช่ไหม ก็้องทำแบบนี้กับคนที่เรารักก็อย่าไปยึดไปติกเขาเราลักได้แตอย่าไปยึดอย่าไปติด <ลง S 1> ทำพ<ว>่อได้จำโมดูทิ้งได้อะไรได้ลักปกติกกตค่ะทำพ<ว>่อส<ว><ะ>ังโยน์นี้ก็ละที่ร่างกายเราไม่ใช่ละที่ร่างกายของคนอื่นละที่ร่างกายเราร่างกายเรานี่แหละที่เราจะต้องรัก มันจะตายก็ให้มันตายไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะแก่ก็ปล่อยมัแก่ไปไม่ต้องไปวุ่นวายไปทำไมต้อค่ะหลวงพ่อคะแล้ว<อ>แล้วตอนที่หลวงพ่ออบรมมากับตรงตานะคะเขาสอนเรื่องอการสวดอนุสาสนีปฏิหารในในใน ในการท่องปฏิจจสมุปาทหรือว่าเปิดให้กับผู้ที่เสียชีวิตหรือใกล้าตายแล้วไหมเจา้าค่ะได่แล้วการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อตัวเราเองไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่ออิทธิริษฐานอะไรปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสอย่างเดียวเขาเขาพูดลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเราหนูหนูเสียดายตรงที่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้เปิดให้พ่อฟังตอนที่เขาใกล้จะเสียค่ะหลวงพ่อเหมือนกับว่าถ้าฟังปฏิจจสมุปาทเนี้ย แล้วพ่อหนูจะสั่งโยธาสิ้นเบื้องต่าแล้วก็ไม่ได้หรอไม่ได้หรอกกระดเป็นยังไม่ฟังเลยนะตอนจะตายไปฟังเลยอืมของนี้มันไม่ใช่ง่ายง่ายค่ะเหมือนกับไปเรียนพิเศษเนี่ยตอนตอนร่างกายแข็งแรงยังไม่เรียนแล้วตอนตายเป็นสอ์ไปเป็นสอนพิเศษแค่คนตายแล้วคนจะตายโดยสนใจอี่ไหนมันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมค่ะ ยันเราอะต้องเป็นคนเรียนเราไม่ได้มาวอนกับคนอื่นหรอกเราเรียนปฏิจจสมุปบาทได้หรือเปล่าขนาดเรายังเรียนไม่ได้แล้วคนใกล้จะตามจะเรียนได้หรือหนูหนูท่องได้อย่างเดียวเจ้าค่ะแต่ยังยังไม่ค่อยได้ท่องแต่ทําไม่ได้ใช่ไหมท่องแต่อยู่กิเลสไม่ได้อยู่ความอยากไม่ได้ค่ะนั่นแหละนะเอาท่านี้ก่อนนะเด็กวน้าหนึ่ต้องไปที่คุณตอบไป ก, ก, การนมัสการเจ้าค่ะวันเสาร์เจอกันเจ้าค่ะโอเคคุณมนทาเชิญคุณมนทาเดี๋ยวนะอีกประเทศหนึ่งละเนี่ยปั๊บเดียวผมยาวขึ้นหน่อยนะ ก, น ก, การนมัสการค่ะอืมีอะไรไหมวันนี้อ๋อก็วันนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านให้พระอาจารย์ซ้ำนิดนึงว่าอ่าเป็นการให้พระอาจารย์ช่วยเคลียร์เศสิ่งที่ตัวเองอาจจะ ยังไม่มีคําตอบอะค่ะก็เกิดสภาวะของตัวเองเกิดขึ้นจากที่ตัวเองพยายามที่จะอยู่กับความสงบนะคะเพราะว่าพยายามที่จะวิเว้ยให้มากที่สุดแล้วก็เจริญสมาธินะคะก็ต่อเนื่องรักษาสิ่งแอนะคะทําให้มันต่อเนื่องต่อเนื่อ ง, อองมาระยะหนึ่งก็มีวันหนึ่งะคะ่ะตื่นเช้ามาค่ะมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแบบไม่เคยเจอนะคะว่าพอตื่นเช้ามาปุ๊บจิตของเราะคะ่ะมันพูดกับเราขึ้นมาว่า เรายังอยู่ในร่างกายนี้อยู่อีกหรือร่างกายที่มีแต่ภาระเราจะต้องพามานันไปกินที่เยี่ยวนอนอีกคือมันเหมือนเป็นป๊อปอัพจะเด้งขึ้นมานะคะพระอาจารย์ซึ่งเราก็พอเราได้รินตรงนี้เราก็มานั่งนั่งในที่นอนแล้วก็มาไขพลวในสิ่งที่เราคิดไปเองหรือเปล่าทําไมมันเกิดขึ้นแต่มันเป็นสภาวะที่แบบพขตื่นเลยค่ะพอตื่นปุ๊บจิตมันพูดเลยค่ะว่าเรายังอยู่ในร่างกายนี้อยู่อีกหรือ ร่างกายที่มีสภาระก็ตกใจนิดหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ว่าเราเราไม่ได้คิดไม่ได้อะไรแต่มันมันตื่นมาเป็นวันหนึ่งอะคะ่ะแล้วเลยจะสอบถามพระอาจารย์แต่ว่าจิตเราเนี้ยมันมันสามารถที่จ ะ, ะแสดงให้เราเห็นถึงภาวะว่ า, วาร่างกายเนี้ยมันเหมือนมันไม่ใช่ของเราอ่ะคะ่ะแต่เราก็บอกว้าเดี๋ยวเราก็คือร่างกายยังอยู่ในนี้นะแต่จิตมันพูดอะค่ะว่ายังอยู่ในร่างกายนี้อยู่อีกหรือร่างกายที่มีสภาวะ ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รู้ว่ามันบอกอะไรเราแล้วกันแล้วเอามาทําประโยชน์ได้หรือเปล่านั่นก็เป็นว่าธรรมะกำลังมาเตือนใจเรามาสอนใจแล้วว่ายังยึดติดอยู่กับร่างกายนี้อยู่เหรอทำไมไม่ปล่อยวางสัทีรีบพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตัวเราสักวันหนงจะต้องในการพัดพากัน ในนี้ให้รู้ตรงนี้ดีกว่าความสาคัญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่ามันเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ต้องมันเกิดขึ้นแล้วหรืมาถามมันเกิดได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยพิจารณาต่อแค่ว่าก็ขอเป็นแนวทางนะคะว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีกคือพอเราเร า, เรารู้สึกตอนแรกอันดับแรกเราตกใจเพราะเราไม่เคยเจอว่ามันเหมือนมาเ<ช>ตือนเราแต่พอพิจาณจรมขนาดนองตาท่านสุดท้ายเป็นท่านก็มีปิศาธทำโผล่ขึ้นมาเหมือนกัน เข้าใจไหยแล้วถ้าเราเจอสภาวะแบบนี้อีกเราก็พิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาว่าว่าเรามันเราควรจะทํำยังไงถ้ามันมาถามเราว่าเรายังจ่ายหนี้ไม่หมดเราก็ได้ไปจ่ายหนี้ซะค่ะก็คือไข้ครวญกลับมาพิจารณาต่อแค่ตอนที่หนูเอามาพิจารณาก็แค่ว่าเอ่แล้วเราเป็นจากที่เขาเป็นอย่างที่เขาถามหรือเปล่าว่าเรายังยึดติดกับร่างกายหรือเปล่าอืม ถ้ายัางยึดติดกันเรี่อตัดมันเสียเพราการมีติดยึดติดกับร่างการมันทุกข์เวลาต้องทุกข์คนอยู่กับมันก็ต้องคอยเลี้ยงดูมันแล้วเวลาตายจากกันก็ทุกข์อีกค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าแบบว่าเราพอเรารู้สึกแล้วว่าคือจากที่เราพิจารณามาเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทุกข์อยู่แล้วแบบว่าคือจิตอ่ะมันเหมือนมันจะเข้าอยู่แต่ความสงบ มันจะกลับมาอยู่ที่ฐานของความสงบแม้ว่ามันเราสงบแล้วมันก็จะเหมือนป๊อปอัพจะเด้งขึ้นมาเป็นเหมือนปริศนาทำยากก็แค่เราก็รับรู้มันแล้วก็พิจารณาไปว่าพิจารณาว่าควรจะทำยังไงกับมันดีมันแนะนำเราหรือว่ามันสอนเราหรือมันถามเราถ้าเราตอบไม่ได้ก็วางไว้ก่อน เรากลับมาอยู่กับความสงบได้ใช่ไหมคะ ไ, มได้อยู่ในความบงบนั้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดของขจิตใจไม่ต้องกังวลมันไม่เป็นการหลบใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเราโกงอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเราสงบแล้วเราวางเฉย อ, อะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดก็ก็ไม่ได้ไม่ได้หนีไม่ได้หลบแต่รับเหตุการณ์กับกับเหตุการในแต่ด้วยใจที่สงบเท่านั้นเองอืมค่ะค่ะ ค่ะก็จะน้องไปเอาไปไข้ครวรอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วไม่ได้หนีเอพอหนังเหี่ยวย่นไหนก็เลยเป็ดินอย่างเงี้ยเรื่อยๆหนีถ้ามันเหี่ยวก็ปล่อยมันเหี่ยวไปถ้ามันหงอกก็ปล่อยมันงอกไปถ้าไปย้อมผมเนี่ยแสดงว่าหนีแล้วหนีนีจากความเป็นจริงตอนนี้งอกเต็มหัววัดอาจารย์มีคนบอกว่าไม่จ้อมแล้วเหรอก็เลยปล่อยจะดูใจตัวเองค่ะว่าเขาเขามาพูดเรารู้สึกยังไงใจเราทุกข์หรือเปล่า ถ้าตัวกาแสดงมันยังยืดอยูไม่ทุกข์เลยค่ะรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าเออเราเราผ่านความรู้สึกนี้มาได้ไงจากที่เราเคยติดรูป ก, ก็เลยรู้รสึกรู้สึกดีใจกับตัวเองว่าเราผ่านความรู้สึกว่าที่ใครมาตําหนิตีเตียนเราเนี่ยเราจะรีบวิ่งไปแก้ น, นะแต่พอเราเข้าเอาธรรมะพระสัทธธรรมพุทธเจา้ามาให้ควรมันเห็นจริง ใ, ใจเรามันก็วางได้แล้วก็รู้สึกมันมีความสุขกับผมหงอกขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ผมสั้นเมา่ก่อนผมยาวมาก ดีนั่นแหะเรียกว่าปล่อยวางด้วยความสงบใจสงบใจมีความสุขไม่วุ่นวายขอบคุณอาจารย์ค่ะถ้าปล่อยวางแล้วใจยังวุ่นวายแสดงว่ายังไม่ปล่อยจริงก็ได้เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องๆเราก็ค่อยๆให้ควรไปทีเรื่องๆแล้วว่าอันไหนที่เราช่ไม่ได้ผู้จัดการคะถ้าเรื่องไหนสู้ไม่ได้นี่นี่ขออนุญาตแบบ มันเหมือนแบบว่ามันมันสดมันโชว์ให้เราเห็นแต่เราไม่เข้าไปหนูจะจะถอยมาก่อนอย่างนี้ก็เป็นอุบายของใจเราได้อยู่ใช่ไหมคะเหมือนเราไม่มีกําลังแต่ยังไม่มีกาลังก็เราไว้ก่อนไว้หากําลังแล้วค่อยไปทําข้อสอบนั่นตอบเลอ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็ค่อยค่อ ย, อยดูใจมันก็โผล่ขึ้นมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะพวกธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันบางทีเราเราเราไม่ได้เคยนึกถึงอ่ะมั น, ส, นมส่งขึ้นมาส่งขึ้นมาตอนนี้หนูกําลังสู้กับ สภาวะภายในที่ข้างนอกเนี่ยพอที่จะรับมือไหวแล้วแต่ข้างในก็จะน่ารำคาญมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะดับก็ปล่อยมันดับไม่ต้องไปยุ่งกับมันขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะเดี๋ยวดึกค่ะเดี๋ยวไปที่ด้านหลังเลยเลยประมาณสามท่านที่ยังไม่ได้ทำคุณสมัฒนาต่อและคุณสมัฒนาจากบอเวน จังมองกลับมาาึกษาสกาพระอาจารย์นะคะเมชามาใส่บาตแล้วอเปล่าเมชาโยมไม่ได้ไปเจ้าค่ะวันไหนนะที่ใส่โยมวันนี้โยมอยู่ที่ออําเภอพัฒนานิคมลบบุรีเจ้าค่ะมามาถือศีละะอยู่คาดีปฏิบัติธรรมด้วยพะอาจารย์<ส>ได้ยินไคะได้ยินได้ยินฮัลโหลเจ้าค่ะก็ก็ามาปฏิบัตถถถิธรรมสืบศีรวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาคิดว่าจะมาไม่ทันกลาบมาจารษาแล้วนะคะ พระกาพะจานทร์คืนนี้ที่วัดคำมีเนศชีก็แบาไม่นอนทั้งคืนแล้วเปล่าฮัลโหลเสียงหายไปไม่คับพอดีว่ายโยมส่วนใหญ่จะเป็นแบบค่ะเสียหายสัญญาอะไรดีจะไป อ, อยู่ในเขาเออค่ะ ม, มีอะไรไมล่ะวันนี้ก็อ้ยก็เอ้ยโยมก็ขออนยาเ มาฝมาเข้ามากราบพระอาจารย์นะคะในวันนี้สาธุชาก็ปฏิบัติตามที่ปฏิบัติตุชาไปกันแล้วกันนะปฏิบัติตุชาสาธุนะคะไปที่ท่านต่อไปคุณชัดแก้วใช่ไหมคุณชัดแก้วชอยู่ที่ไหนค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะ จากพิสนุโลกค่ะวันนี้เข้ามาร่วมรับฟังเฉยๆค่ะไม่มีคำถามอะไรค่ะอาจยยินดีต้อนรับไปที่รัตนาพรต่อเลยรัตนารอยู่ที่ไหนกาบนังสักการ์้าจ้างค่ะสักเวดค่ะเวดอ่อยู่ที่ทำงานเลยทั้งต้องใส่หน้ากาศเนี่ยใช่ค่ะวันนี้ขึ้นมาเป็นรีเซสชั่นวันนี้ไม่ได้เล่นขิวค่ะอ่ามีใคะมีแขกเยอะไว้ช่วงนี้แล้วปิดโรนแรม อ๋อไม่ได้ไม่ได้ปิดค่ะก็ยังยังมีแขกอยู่ค่ะแต่เพิงบอกว่าวันนี้ขาดรเซพชันหนึ่งคนค่ะก็เลยขึ้นมาเป็นรีเซพชันแล้วโควิดที่นั่นเป็นไงไม่ไม่ไม่รุนแรงใช่ไหมรุนแรงจ้็ค่ะแรงเหมือนกันเน่ยใช่ค่ะขนาดฉีดวัคซีนเยอะเยอะแล้วค่ะก็ยังพันกว่าทุกวันเลยเจ้าค่ะพันไปนะเจ้าค่ะแล้วฉีดเรียบร้อยยังฉีดแล้วค่ะครบสองเข็มแล้วเจ้าค่ะของอะไรไฟเซอร์นะ ค่ะไฟเซอร์ค่ะอ่มีคำถามอะไรไหมวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องถือสิงค่ะก็คือวันไหนที่หนูถือเออมาทำงานหนูก็จะถือสิงเจ็บเจ้าค่ะขมลงไปเยอะมากเลยเจ้าค่ะเออแค่นี้ดีใช่แล้วค่ะเป็นทางแบบได้งแบบแล้วก็แล้วก็ที่พระอาจารย์สอนเรื่องการวางอุเบกขาค่ะ ทำได้เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้ไม่มีความทุกข์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แฟนแฟนก็ต้องผ่าตัดอ่ะค่ะก็เลยทุกน้อยลงมากๆเลยเจ้าค่ะได้ได้พิจารณาเรื่องตารักด้วยเจ้าค่ะดีมากๆเลยเจ้าค่ะอาจารย์ดีมากพยายามพิจารณาตายรักอยู่เรื่อยๆกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอ่าเจ้าค่ะแล้วก็บอกบอกแฟนด้วยเรื่องตายรักเนี่ยแหละค่ะก็บอกว่าก็ให้มันเป็นไป มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็รักษาตามที่เราจะรักษาได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทุกน้อยลงเจ้าค่ะอ๋อไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นคนรับใช้เราเป็นเราเป็นคนใช้เขาเขาเป็นคนรับใช้เราเราเป็นนายเขาเป็นบ่าวเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าใจไม่ทุกข์ก็ถือว่าก้าวหน้าการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็เพื่อลดลดความทุกข์ให้น้อยลงไปนั่ จะ่ระทังไม่มีทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยเจ้าค่ะทุกข์เกิดจากความอยากพอตัดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหมดไปนะเจ้าค่ะกับขอบพระคุณอาจารย์แล้วค่ะสาธุทีนี้เราเสร็จหมดแล้วนะท่านที่เข้ามาในห้องวันนี้ก็เอาไปทางคำถามจาก Facebook ต่อเลยดีไหมมีมีคำถามจากทาง facebook และ YouTube รวมทั้งหมด14คำถามเจ้าค่ะ ค ำ, คำถามแรกเป็นคำถามฝากถามตั้งแต่เดือนมกราคมผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็สมาธิสั้นผมอยากหายหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะแนวทางให้ผมด้วยครับดึงสติกลับมาสตินี้ทำให้ไม่มีสมาธิพยายามจะรียนพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวสติก็จะกลับมาความสงบสมาธิก็จะกลับมา คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีทั้งหมดสี่คำถามคำถามแรกเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจมีอาการของจิตที่เป็นเสียงแต่หนูยังไม่สามารถที่จะไม่สนใจและผ่านตรงนี้ไปได้ก็อยู่กบพุโทโธท่องพุโทโธท่องพุโทโธไปอย่าไปสนใจให้มันเป็นเหมือนแบ็คกราวด์ไปให้มันเป็นเหมือนเสียงเสียงนกเสียงกาไปไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไป คำถามที่สองการเจริญสติโดยดูอิเลยาบทของร่างกายในระหว่างวันสามารถคิดถึงงานที่กำลังทำในใจไปพร้อมๆกับการดูอิเลยาบทร่างกายเช่นขวาซ้ายยกหยิดดื่มปิดเปิดแบบนี้ได้หรือไม่เจ้าคะต้องอยู่กับกับการเดินอย่างเดียวถ้าต้องการจะอยู่กับความคิดก็หยุดเดินยืนยเฉยเนื่อนั่งแล้วก็คิดเรื่องงานที่เราต้องทำอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกัน คำถามที่สามเวลาเดินจงกรมยังมีบางครั้งที่เผลอสติไปคุยกับความคิดจะมีวิธีป้องกันและฝึกฝนเพิ่มได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็เดินกลับมาหาพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยผัดกะลุูปผัดกันรับแล้วชักไปเยอะพอเราเผลอบ้างมันก็ไปคิดไปคุยกับความคิดพอเราได้สติก็เดินกลับมาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปคำถามที่สี่หากก่อนนอน หนูพิจารณาความตายโดยมองร่างกายในท่านอนว่าเป็นท่าสี่ต่อไปก็จะสลายไปรวมกับพื้นดินอันนี้เหมาะสมหรือไม่และควรจะสอนใจอย่างไรบ้างเจ้าคะกับขอพระคุณเจ้าค่ะก็นี้ก็สามารถพอหลับไปแล้วอาจจะไม่ตื่นก็ได้ที่อย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นการหลับอย่างท้าววรก็ ไ, ได้สอนใจเผื่อไว้เพราะบางคนไม่ตื่นก็มีคนขับรถวัดเนี่ย ที่พาพระไปบิณฑบาตทัต้งวันนี้เมื่อสองวันก่อนก็ไม่ถึงเวลาไปบิณฑบาตก็ไม่มารับพระก็เลยต้องไปปลุกเราไปปลุกก็นอนตัวแข็งม า, างนี้ราะฉะั้นต้องคิดว่าเวลาเรานอนหลับถือว่าเราอาจจะไม่ตื่นก็ได้นะคำถามต่อไปจากคุณแซมทำทานให้ถึงที่สุดหมายความว่าอะไรครับ บริจาคให้หมดไงมีเงินมีทองมีข้าวมีของอะไรก็บริจาคให้หมดเก็บไว้กับเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้กับตัวเราเท่านั้นหรือถ้าไม่บวชได้ก็สละเหมือนพระพุทธเจ้าเนียคถามต่อไปจากคุณซีกาเบนถามพระอาจารย์จะมีวิธีแก้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ได้ผลจากการปฏิบัติจิตตภาวนาเช่นความสงบจากสมาธิ หรือความท้อใจได้ด้วยวิธีใดบ้างคะก็เห็นสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยมมีเกิดไม่ดับมีเรามีเสื่อมเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ก็อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นเขาจะดับเขาปอดเขาดับเขาจะเกิดก็ปล่อยเขาเกิดไปอยากไปมีความอยากของเขาใจของเราก็จะไม่ถูกคําถามต่อไปจากคุณทันวาลัยน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะ พระอาจารย์ตอนนี้คนไทยพุทธทําไมเขาไม่เอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะวันนี้บอกว่าห้ามออกนอกบ้านเพราะว่าลาหูซ้อนลาหูเจ้าคะ่ะก็เลยของเขามาถามเราทำไมน้ำไม่รู้เหรถามต่อไปจากคุณสนทยาขออนุญาตส่งคําถามครับจําเป็นไหมครับที่จะต้องเดินจงกรมก่อนแล้วค่อยมานั่ง หรือสามารถนั่งก่อนแล้วค่อยมาเดินก็ได้ครับได้ทั้งสองอย่างอยากจะเดินกนก็เดินไม่อยากจะเดินจะนั่งเลยก็ได้นั่งแล้วเมื่อยก็ลุกเมื่อขึ้นมาเดินก็ได้ตามความพอใจได้ทั้งสองอย่างจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้ก่อนก็ได้เดินก่อนนั่งก็ได้นั่งก่อนเดินนังเดินก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณแมนนี่สาธุครับทําไมวันวิสาขบูชาวันดี แต่หมอดูบอกลาหูอมจันเป็นวันอาเพศครับก็คนลราศาสตร์คนลวิชานะวิชานึนานนก็ว่าดีวิชานึนก็ว่าไม่ดีก็เท่านั้นแหละคำถามต่อไปจากคุณใจเป็นประธานกับพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อนั่งภาวนาได้ไปสักระยะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วจิตแล้วลมหายใจเข้าออกดีค่ะสงบค่ะ แต่จิตเหมือนอิ่มแล้วก็ถอดออกคะ่ะหนูจะกำหนดลมหายใจต่อไปอย่างไรเจ้าคะของหอนี้ตานก็เหมืนอนตอนต้นตนะคอยกหนดอย่างไรก็กำหนดต่อไปเหมือนเดิมคาถามต่อไปจากคุณจิกโกกับใจเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเก้ากระผมปรารถนาพุทธภูมิโพธิญาณเวลาผมทำบุญปฏิบัติธรรม แต่อธิษฐานขอให้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์หนึ่งในอนาคตเก้าวกับผมไม่ทราบว่ากล้าวกับผมเป็นพระโพธิสัตว์หรือยังขอรับขอเรียนถามด้วยความเคารพครับก็ต้องถามโดยอะไรหนึ่งภามคนหนึ่งได้ไงว่าเราเป็นอะไอย่างถ้าเป็นโพธิสัตว์นี้ต้องเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อคนหนึ่งก็ได้จะเป็นโพธิสัตว์ได้ คือพระเวชสันดรเป็นตัวอย่างบ้แล้วถ้าอยากจะเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องทําแบบพระเวชสันดรใครเข้ามาขอลูกก็ให้ยกลูกไปใครจะมาขอเมย์ก็ยกเมย์ไปใครขอสมบัติเข้าของเงินทองอะไรก็ให้เข้าไปคําถามต่อไปจากคุณก้องกสิทธิ์กราบนรมาสการพระอาจารย์ครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสี่ข้อสามนั้นมีกรอบอย่างไรบ้างครับแค่ไหนถึงจะเรียกว่าละเมิด และความสัมพันธ์ต้องถึงขั้นไหนถึงจะเรียกว่าอีกฝ่ายมีเจ้าของแล้วครับก็ต้างเป็นสามีภรรยายกันแล้วก็ร่วมเพศกันถ้าจะร่วมเพศ ก, กับใครก็ต้องเป็นสามีภรรยายกันแล้วเป็นที่รับรู้ของของทั้งสองฝ่ายนของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายญาติพี่น้องต่างๆคําถามสุดท้ายจากคุณแพรวน้มกลับ พระอาจารย์รบกวนขอให้พระอาจารย์แนะนําวิธีปฏิบัติสมาธิให้เด็กอายุเจ็ดถึงแปดปีค่ะ เ, ออเด็กถึงเจ็ดแปดปีก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็บอกให้เขาพุโทโธไปแล้วกันให้เขาเท่าพุโทโธพุโทโธไปเด็กเกินไปที่จะมาฝึกสมาธินะไม่แน่นะเด็กบางคนอาจจะมีสติ ด, ดีก็ได้ก็สอนเขไปแล้วกันสอนให้เขาต้องพุโทโธพุโทโธไป เาแล้วนะวันนี้คิดว่าหมดเวลาสามชั่วโมงกว่าแนละ้วก็ต้องขออภัยด้วยนะท่านใครอยากจะถามอะไรอีกเพราะว่ามันก็ดึกแล้วห้าทุกับเจ็นาทีไว้คราวหน้ากแล้วกันนะถ้าต้องการจนะถามอะไรก็รอวันวันพุธหน้าแล้วค่อยกกพบกันอีกอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเจ้าหน้าว่าเสิ่งที่ท่านไม่ด้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัต เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิญ